จเจร like ิญพรนท่านสาธุชนผู้สนใจในธารมทุกท่านอันนี้ก็เป็นเด็กวันหนึ่งที่เราจะได้มาพบกันเพื่อสนทนาถามตอบคำถามเรื่องการปฏิบัติวันนี้ท่านแรกก็คืออาจารย์พรหมขึ้หลอาจารย์พรหมกับมวัตการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มาขอรับฟังค่ะ เปแล้งกับถึงบ้านเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยดีค่ะเุามันดีเมื่ออาจารย์ครับไม่เช้าออกตั้งแต่ตีสี่ห้าสิบป่ะค่ะเลยได้ไปถึงเร็วเดีววว่าเงาจะมีการเฉลยในวันนี้นะมีความสุขค่ะขอบคุณคะอาจารย์มีคำถามค่ะอยาจะขอไปที่ท่าตอบไปเลย ไปนรรนาพั์ต่อเลยฮับรรดาพัน์อาจายอ่าตอนนมัธการเจ้าขอพระอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะเข้ามากราบอาจารย์เจ้าค่ะอ่าถไปที่คุณขวัญต่อนคุณขวัญคุณขวัญปฐุมรัาเป็นยังไงขวัญเปิดไม้ได้ไหม สวัต ก, กรรมด้วยคะมีอะไรไหมไม่มีคําถามเจ้าค่ะทำไมไม่มีน ะ, ไ, ะไปที่คุณก๊อฟกอฟ่อนเช็กกิ้ก๊อฟรับอาจาย์มีคําถามเรื่องปฏิบัติหน่อยนะครับออดีว่าผมไปติดกับปกติก็ไม่ได้ค่อยนั่งสมาธิครับแล้วก็กําลังเหมือนเคยได้สมาธิมาแล้วก็หาอารมณ์ที่แบบว่าจะให้ทําให้เรานั่งะครับก็ ไปดูว่าเราอยากได้สมาธิแบบไหนก็คือแบบว่าอยากได้สมาธิขั้นสูงๆแบบว่าเป็นพระสมาบัตินะครับก็เอาเจตนาตรงนั้นนะ่ะตั้งไว้แล้วก็มานั่งสมาธิมันก็มันก็สงบครับมันมีความคิดแล้วก็มันก็สุขครับแต่มันยังไม่สงบครับรอบสองก็ช่วงแรกที่ไม่เคยนั่งก็นั่งได้ประมาณยี่สิบนาทีครับพออีกครั้งหนึ่งก็นั่งประมาณสามสิบนาทีครับแล้วก็ฟังเทศของหลวงพ่อพุธนะครับเพราะว่าก็รู้สึกว่าได้ชั้นสองชั้นสา ม, 2, าม 3, คือว่า มีความคิดแล้วก็มีสุขแต่ว่าพอสุขแล้วอะใจมันจะแบบไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับคือปกติเราก็ต้องแบบดึงใจมาที่พุทโธแต่วหลวงพ่อพุธท่านสอนว่าให้ดูไปเรื่อยๆให้ดูความคิดแต่ว่าดูแบบให้มันดับให้ดูจนมันดับลงไปอะครับทีนี้ก็ผมไม่รู้ว่าต่อไปต้องทําแบบไหนครับที่มันฟุ้งนะครับมไม่รู้เหมือนกันฟุ้ไปทางหลวงพ่อพุธเสร็จมาทางเราเลยมีเจ็พูดเยอะขัดกันเลย ว่าเดเอาตามผ้าจานคือผมแบบไหนก็ได้ที่ที่มันทําให้สงบก็คือผมก็จะได้แบบนี้ยยนะคดับผมไม่ต้องไปดูอะไรนั้นครับเพราะผมจะ<ม>ได้ทําถูกแล้วไม่ถามก็ไม่ไม่รัวครับผมถ้าคุณไปเรียนนายที่มันก็มีนายความม <c oughs> ากิมการเห็นมันจะมาให้เรามา แต่แต่ผม่็เคยสงบ ก, กับพระอาจารย์ครับผมเคยเมื่อก่อนผมนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงไม่ได้ตอนที่คําถามที่เมื่อก่อนถามตอบที่แบบว่ายังไม่ไม่ได้เป็นซูมาครับไม่ได้เป็น f a เฟซ o ุ๊กเลยที่ถามแล้วอัดเทปปะครับผมนั่งได้สองชั่วโมงพระอาจารย์ก็บอกให้อยู่พุทโธก็เลยผ่านนั่งได้สามชั่วโมงอะไรเงี้ยก็พระอาจารย์สอนครับอืมเสียแล้วทำไมไม่ไ ม, ไม่ไม่ทําต่อแล้วนะ โ, อ โ, อโอเคครับครับหมดคําถาม อย่าไปสนใจกับอะไรไม่ต้องไปดูอะไรอยู่กับพูดโทรไปอย่างเดียวจกขาจิตมันชะรวมถ้าไปดูอย่างไยงไม่นั่งไปจำมันตายก็ไม่รวมนะนะได้ได้อลองดูลองทำดีจะลองมาส่งกันบ้านดูครับทีนี้อเอาเอาเรื่องเอาจริงแล้ะครับโอเคแต่ขอบพระคุณม <ละ S 1> าก <ตา S 1> ครับแมนนน่สองแม่จ่ากุฎอนค่ะ นีไม่มีคําถามค่ะไม่เคยมีเลยนะ <uno> ดีไม่ถามดีนะไม่เสียเวลาถ้าคุณ ถ, ถามเราเราฟังให้แรกไว้กันแป๊บทุค่ะคุณหมอภาสนาต่อกลับมาสักการพระอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณบอลคุณหลาคุณชยัยก็มีสองคำถามค่ะพระอาจารย์คราวที่แล้วค่ะที่พระอาจารย์ให้ไปอ่านกรรมสุกกรรมสุ ข, สขเอ้ยกรรมสุขเป็นทุก ก็พอดีมันไม่มีหนังสือพระอาจารย์ก็เลยใช้อติหิอัตโนาโราโถเลเรซดูในคอมอะค่ะมันก็ขึ้นมาแล้วก็เลยไปเปิดดูในกรรมฐานจริงๆเราเคยอ่านไปแล้วพระอาจารย์มันจะเป็นอยู่ในกันที่ห้าอยู่ในเทสอันที่เจ็ดสิอะไรนั้นเจ็สิบหกแปดสิบแล้วก็แปดสิบหกก็ลองอ่านอีกรอบนึงรู้สึกว่ามันต่างกับเขาและที่อ่านเลยพระอาจารย์คือมันเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าพระอาจารย์บอกหมดแล้วแต่รู้สึกว่าคําถามคือ จริงๆแล้วอย่างที่พระอาจารย์บอกคือถ้าแค่อ่านอย่างเดียวบางทีมันเขามันก็เหมือนเข้าใจแต่ว่าพอมันปฏิบัติไปด้วยพขกำลัาอ่านคราวนี้ยมันเข้าใจมากขึ้นเหรพระอาจารย์แล้วก็เอาไปปฏิบัติ ด, ด้วยค่ะพระอาจารย์ใช่ธรรมะที่เราอ่านธนาคารมันจะไม่เหมือนกันค่ะมันอยู่ขัก้การปฏิบัติของเราปฏิบัติไปภาพเขา้าเข้าใจมันก็จะมากขึ้นไปตามราดับ มีคำถา ม, ไ, มไหมยมีคำถามค่ะก็คือ ก, ก็เลยก็ก็เลยรู้สึกว่าคํําคาถามนะคะเดี๋ยวนะก่อนจะถามคาถามเนี่ยก็บอกว่าก็คือแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่แล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าพอพ อ, พอทําตามที่พระอาจารย์เขียนในนั้นนะคะก็สงบสงบขึ้นเยอะแล้วก็ไม่มีอารมณ์เยอะเลยนะคะอาจารย์พระอาจารย์คือเหมือนกับ ว, ว่ามันนิ่งดีมากเลยครับพระอาจารย์คําถามคือว่าวันศุกร์เนี้ยค่ะจะไปเขาชีโอนอีกก็คือว่ากะกะว่า จะทำสติเพราะสติมันสำคัญมากๆสำหรับปัญญากับสมาธิก็เลยจะทำสติแล้วก็จะทำสมาธิแล้วจะเรียนถามาพระอาจารย์ว่าเราจะจะเราจ ะ, จะเจริญปัญญาเนี่ยในท่านั่งด้วยได้ไหมคะคือหมายถึงว่าถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราไม่ต้องใชอนาฬิกาได้ไหมคะคือนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บจกนกระทั่งมันเต็มมันอิม่มเบิกขาแล้วอะ่ะแล้วเราก็เจริญปัญญาต่อโดยท่านั่งเลยได้ไหมคะแล้วก็ค่อยเดินแล้วค่อยเดินแล้วก็เดินจงกรมเพื่อฝึกสติอย่างนี้จะดีไหมคะพระอาจารย์ลองลองดูเสร็จทำได้ แต่อย่าไปทำในขณะที่จิตมันสงบเพลินหนึ่ใช่ได้ครับอาจารย์ที่สงบไว้มันสงบจนกว่ามันจะออกมา ก, ก่อนเนาะพอมันเริ่มคิดก็มีคนไปคิดพิจารณาสุภนะก็ได้พิจารณาร่างกายก็ได้ แต่ว่าอากาศมีผลเยอะเขาที่แล้วก็ไปนั่งที่แคล่แล้วพ่ออาจารย์ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแบบ อ, อากาศเย็นๆเนี้ยรู้สึกดีมากแล้วเดี๋ยวนี้พอสมัยก่อนถ้าอากาศฝนตกจะชอบกินกาแฟอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้นะพอฝนตกหรือว่าอากาศดีดปุ๊บอาจากนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยพระอาจารย์ดีมากเลยเริ่มเริ่มแบบรู้สึกว่ามันไปทางสมาธิได้มากขึ้นแล้วพ่ออาจารย์หมดคำถามแล้วค่ะเห็นมาเชฟยูริวันะ เจ็ดวันค่ะพระอาจารย์ okay. ก็คือจะไปทุกเดือนคือตั้งไว้ว่าคือเนื่องจากว่าพอไปที่นู่นแล้วสติกับสมาธิมันดีแล้วมันเหมือนกับว่ามันได้อะไรอัพมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่า mm hmm. จริงๆตอนนี้ก็เริ่มปล่อยวางได้เยอะมากขึ้นนะคะพระอาจารย์คือก็บอกกับลูกว่าเนี่ยเฮ้ยทุกคนก็มีความพัดพลางนะแล้วเราเกิดมาทุกคนก็เป็นท่านดินน้ำลมไฟคือยอมรับตรงนี้มากขึ้นพระอาจารย์ mm hmm. ก็คือตัวเองอะยอมรับก็ก็บอกเขาว่าเนี่ยเราต้องฝึกพัดพลาดเดี๋ยวแม่ไปเจ็ดวันก็ยอมรับแล mm hmm. ้วเพราะว่าดูท่านดิน โอเคงั้นอาจารย์ตอบไปนะคณอะไรภูมิภาคไอะภูมิภัคธรรมศารตระพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับครับถามไห้มีครับว่ามาเลยผมอยากรู้ว่าการดับอ่าดับทุกอะครับมันมี เกี่ยวกับอะไรบ้างครับแบบจะดับทุกยังไงแบบไม่ให้มีกิเลสอะครับก็อยู่กิเลสเลยโลาอยากได้แฟนเราไม่ไเอาเปลี่ยนใจไม่เอาแฟนอยู่คนเยอะนี่ปทําทุกมันที่จะหาแฟนก็หมดไปถ้ายังอยากจะมีแฟนอยู่ก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆอแล้วแล้วถ้าเกิดเหมือนสมมุติว่าถ้าเกิดเพื่อนเป็นทุกข์เราเราต้องทํำยังไงครับให้เพื่อนหายเป็นทุกข์ เรื่องของเขามันเราไปทำให้เขาหายเอยงไม่ได้เขาต้องทำเองแล้วเขาก็้องถามเราถ้าเขาอยากจะรู้ถ้าเขาไม่รู้ไปอยากไปยุ่ ง, งเราจะก็ช้าว่าเสืยดนะอ๋อครับครับคครับนะถ้าใครเขาไม่มาขอร้องไม่ต้องไปทำอะไรให้เาหวังดีแต่เข้ากับมอง่าเราไปยุ่งกับชีวิตของเา เขาให้เขาต้องให้เขาแสดงความเจ็ดจำน่ก่อนว่าต้องการความชื่อยแล้วขอชื่อ๋อครับครับขอบคุณครับพระอาจารย์อ๋อสุทธัศนีเนี่ไม่ได้คุยอะไรขึ้นนะครั บ, บเดียวแนละ้ววันนี้ลูกไม่มีคำถ า, ามเจ้าค่ะโอเคจอตครุณาจดกรุณาสาธิตการมาชักการเจ้าค่ะ ไม่มีคำถามค่ะไม่มีเหมือนกันนะม่ขึ้นเช้าเมื่อไหร่ไม่ตอนนี้อยู่ ม, ม, ามาตัา้งแต่ค่ะมาตั้งแต่วันที่เจ็ดค่ะถึงวันที่สามวันทีส่สา่มีปฏิบัตินะเอาสติเอาสัญญาสองอย่างนี้ต่าพหากอาจย <laughs> ต้องโหดงานะมันถึงจะออกมาของพวกนี้ถ้ามันไม่โหดไม่ออกมาหนลองนั่ง หนูลองนั่นให้มันเจ็บดูค่ะอวันนี้สองวันแล้วลองใช้ปัญญาแล้วใช้สติสู้กับมันดูอย่าไปขยับร่างกายอี่ยไปอยาให้มันหายมึงจะอยู่กับมันอยู่ไดพุทโธก็ได้อยู่ได้ปัญญาก็อยากแย่มามันก็เป็นเหมืนดินน้ำลมไฟลมฟ้าอากาศฝนตกมุกห้ามมไม่ได้มันจะตกก็ตกไปบุกจะนั่งดูมึงตกไปได้เลย ตอนแรกมันก็ดิ้นดิ้นแล้วก็ก็เอาได้ค่ะเอาพุทโธเข้าไปเข้าไปยังไงเอาทุกวิถีทางยอมก็แล้วอก็แล้วแต่ไม่ลุกไม่อากไปลุกยอมเย็นเดี๋ยวก็เย็นเองว่าจิตมันยอมันยอมอยู่กับคุยธนาแล้วมันก็สบายก็อยู่ค่ะค่ะอาจารย์ทไม่ได้ยังไม่ได้ ของแนวนี้เลยจะเราจะจะเราจะสู้กับมันไหวนะถูกป่ะไม่ได้สู้กับมันให้มันหายแลนะสู้กับมันใจแล้วปล่อยวางสู้อยู่กับมันทักอยู่มันยิ่งสู้มันยิ่งมันนี่เจ็บค่ะก็เลยปล่อยปล่อยก็อยากจะก็เจ็บไปอย่าไปสนใจอยู่พุทโธไปค่ะพระอาจารย์ก็สู้กันพักหนึ่งก็เก็ ใจมันก็เย็นแล้วก็อยู่ต่อได้ค่ะอดอาหารไ่ด้วยค่ะอดอหารมันช่วยช่วยใสู้กับเวทนาได้ดีกว่าค่ะไม่งัหนูว่าหนูสู้ไม่ค่อยไม่ไหวแต่ถ้าอดมันจะมันจะสู้เพราะมันใช้กาลังที่ได้จากการอดอาหารนี่มาสู้กับเวทนาเพราะการอดอาหารมันเพื่อสู้กับเวทนาความอยู่แล้วมันก็เลย ส่วนตางไม่มากเหกับท่ากินนแนละ้วสวยตางมันมากมันจะง่วงมากกว่ามัม่วมันจะไม่ยอมสู้มันยจะนอน<า>ดีไปนะอยวท้อแท้เดี๋ยวก็ถึงว่าเดี๋ยวก็วสบายรู้สึกอยู่กับได้มากขึ้นแล้วก็เข้าออกสมาธิได้<า>ได้คลองตัวขึ้นค่ะอยู่กับกายเวิจนาจิตสามตัวนี้เอย่าไปไปควบคุมมาครับไปจัดการกับมัน อยู่ขมันไปร่างกายจะแก่จะตายแค่อยู่ขมันไปพิทนามันจะเจ็บแค่อยู่ประมานไปจิตจะเล่นลอยแค่อยู่ประมานไปเดียวเมื่อแล้วใช้เฉ๋ยๆเดี๋ยวมันก็หมดกําลังใช่ค่ะแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ก็ก็แล้วแต่นะคะมันบางครั้งมันก็เหมือนจะยอมใช้พุทโธพุทโธช่วยนะมันไม่อยากกระทำพุทโธพุทโธพุทโธถอนลงไปก็ได้พิษแพง เปล่ยนแล้วบ้างทุบทันากัะชานธีที่สอะไรไปอยากให้มันนั่งเฉยๆโอเคค่ะ <c ười> <c ười> ได้ค่ะพระอาจารย์อาการสันติสุขยผม่อนแล้ันน้นเเอ็นเนียกน้ทเาจน้า อ, อ๋อค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเพื่ออะไรทำโอเคค่ะให้นั่งเฉยๆมันมก็อยากอยากให้มันถ่ายคือไม่ได้เลยอ่ะพอแป๊บหนึ่งมัน พ ย, นยานแล้วมันก็จะเจ็บมากขึข้นค่ะพยานใช่แล้วขอบคุณค่ะโอเคนะคุณสายฝนเชิญคุณสายฝนอยู่ที่ไหนหาพูดได้เลยคุณสายฝนครับนรัตตะกางค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนหนูอยู่จังหวัดลําปูนค่ะข้างหน้าเลยไม่ค่ะดูะหลายครั้งแล้วค่ะเคยเข้ามานข้างหน้าก่อแล้วเคยเข้ามา ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะสามครั้งลาค่ะเป็นคถามไหมยม อ, อ, อยากจะถามพระอาจารย์ว่ายมทำถูกไหมค่ะคือพี่ยมภาวนายมจะเห็นว่ากายกับจิตมันเป็นคนละอันกันแล้วก็เห็นสังขาร ที่มันปรุงดีกับปรุงชั่วเนี่ยมันปุงชั่วเยอะกว่าปุงดีมีน้อยมากค่ะแล้วก็โยมเห็นแล้วทีนี้ก็รู้สึกยินร้ายกับมันไม่ชอบอยากจะเป็นคนดีไม่อยากชั่วแล้วมันถ้ายิ่งต่อต้านมันก็คิดคิดเรื่อยๆคิดปลามาดคิดเยอะมากเลยค่ะในทางไม่ดีแล้วโยมก็เห็นว่า มันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันอมแล้วก็เห็นความโกรธในในในแต่ละวันจะเห็นความโกรธชัดที่มันผุดขึ้นมาเองมันก็ไม่ใช่เราแล้วมันก็ดับไปแบบนี้โยมทําถูกไหมคะถูกเครื่องเดียวต้องทําอีกครึ่งหนึ่งเราความคิดไม่ดีมาก็ใช้พุทโธหยือนั้นอยากปล่อยให้มันคิดในทางที่ไม่ดีเหมือนข่าวว่ามันฟ อ, อ, อจะลงคองก็ ใช้โครงมาลายใช้เบรคยุดมันอย่าให้มันหลงคลองอันใจนะถ้าในชีวิตประจําวันนี้เราพยายามพุทโธได้ตลอดเวลาเวลาที่มันจะคิดนอกนอกทางที่ไปใทางผู้สอนก็ทาพุทโธพุทโธไปผู้สอนทีที่สุดว่า่อนพุทโธแล้วเราต้องนอน้อมน้อมใจไม่ต้องน้อมอะ <ใจ S 2> ไร<น>ไม่ต้องน้อมอะไรน้อมอยู่กับพุทโธคําเดียวนี่แหะ อยากไปถ้าอยู่กับพุโทโธมันก็คิดไม่ได้ <c oughs> ไมนต้อไปน้อมอยู่อะไรให้น้อมพุโทโธเข้ามาคําเดียวเยลยพุทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวความคิดไม่ดีมันก็หยุดไป <c oughs> ในเรื่องของมา น, นี่มันมีจริงใช่ไหมคะก็ น, นี่แหละดีเลยตนะมานมันตัวที่มันสร้างเรื่องไม่ดีต่างๆ่างก็คือมาน ก็คือตัวที่ิจไปในทางที่ไม่ดีเราต้องใช้ต้องใช้เทพคือพุโทโธมามาสู้มันเดือดมันแล้วเวลาที่โยมทำสมถะโยมใช้ลมหายใจไปแนบกับความรู้สึกตัวที่มันมีความรู้สึกเหมือนอปอก นั่งหลังตรงอยู่แบบเนี้ยค่ะแล้วก็แนบติดแบบนี้ได้ไหมคะถ้าเป็นสมถะให้มันแนบอยู่กับลมอย่างเดียวพอไม่ได้มาแนบติดกับร่างกายในติดอยู่ที่ปลายอยู่ที่ ป, ปลายปลายจมบกลมอย่างเดียวเราไม่ต้องนึกถึงร่างกายหรอคะไม่ต้องนม่ถึ ง, งรง่างกายลมกับร่างกายมันก็สัมผัสกันไปได้มันมันจิตมันเหมือนไม่ยอมมันเหมือนมีงานน้อยอะค่ะ แล้วแต่บอกให้ทำอย่างนี้คุณจะทำอย่างอื่นมาแล้วแต่ลองทำดูมันสงบหรือเปล่ามาลองทำดูแล้วแเจ้าค่ะกับขอพัคมังฆาอาจารย์เจ้าค่ะมุดิตาต่อมุดิตามีอะไรไหมกลับนามัตสกัรค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูอยากถามว่าทุกขเวทนาแบบไม่มีอามิช์นี่เป็นยังไงละ่ะค่ะ ไปดูเหมือนกันนะแบบที่ไม่มีไม่ไม่มีวัตถุมาเจอปนหนูหนูหนอันนี้ความหมายที่หนูเจอว่ า, อ, า<ม>อ่านอ่ไปอ่านตาราให้มันปวดหัวเลยเค <c oughs> ดูของจริงดีกว่าไ <c oughs> มท น, นาก็คือการเจ็บทางาร่างกายทุกประเวทนาก็คือปวดหัวรู้ก็เป็นไข้ไมท น, นาทุกปเวทนานี่ <c oughs> มันจะมีอามิทหรืไม่มียาม่ก็ม ไ, มมมมไม่ทำให้สนใจ มันจะว่าเราจะปฏิบัติมันทให้ใจเราไม่ทุกข์ประมาณนั้นหรือเปะนะ ล, ล่าทอนทารามากมันปวดหัวนะแล้วบางทีคนแปลตารามันก็แปลแบบงูป่าช็อตช็อตฟิตฟคนอ่านแล้วยิ่งงงเนี่ยพันยาละอย่างกายในใกายจิตในจิต น, นี่มันมันมันแปลแบบช็อตช็อตฟิตฟิตหนูก็งงมากเลยคะ่ะตอนนั้นสติปัญฐานสุดก็กายในกายหมายความอ่ามันต้องกายเนีน่ยค่ะ ยัไม่รู้เขาสมัยภาษาก็อาจจะพูดแบบให้มันย้ําให้ว่ามันอยู่ที่กายนะไม่ได้อยู่ที่อื่นนะกายในกายก็กายมันต้องอยู่ที่กายไม่ใช่กายของกายของของของนกของแมวหรือของอะไรกายในกายก็คืออย่างนี้จิตในจิตก็แต่มันมันมันเราดูรายละเอียดเลยเก็ให้เขาให้ดูยังไงกายในกายก็ก็ให้ดูลมนะลมหายใจนั่งสบายสิ หรือให้ดูอาการสามสิบสองเนี่ยมันก็บอกไม่ต้องไปสนใจกับคำคำแปลมากเกินไป แ, ลแปลแล้วมันก็ทําให้เรางงไปกว่าคนแปลก็แปลตามตัว อ, อ, กอักษรตัวเองก็ไม่รู้ความหมายของการแปลก็ดู ด, ดูดูรายละเอียดเนี่ยเขาบอกให้ดูกายในการให้ดูอะไรก็ดูอาการสามสิบสองดูเกิดแก่เจ็บตายดูดินน้าลงไป ดูซากศพด้วยอ่าดูซากศพเนี่ยกายในกายเลยนะเวทนาในเวทนาก็ดูเวทนามันมีสามตัวมีมีมีสุข ม, มีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอนิจจังเปลี่ยนตายเปลี่ยนมาเป็นอนัตตาเราแบบสั่งมันได้ไหมเอาสุขอย่างเดียวนะ ไ, ได้ไหมเหมือนเอาไปร้านอาหารเราเอาก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวอย่างไรไม่เอาพอสั่งได้ เวทนาเราสั่งมันไม่ได้มัเป็นอนุอนนัตตาสั่งไม่ได้ก็ถ้าไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการก็จะทุกข์เนี่ยประหยากประยัดถ้ามันจะสุขตอนนี้ก็ปกล่อยมันสุขไปเดี๋ยวมันจะหายไปเดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาก็อยู่กับมันไปถ้าเนยฝึกใจให้อยู่กับสามตัวนี้ได้อย่ป็นเรื่องที่รักมากที่ช่า ชอบไปเลือกสุกอย่างเดียวทุกแมวไม่สุกไม่ทุกก็ไม่เอาไม่สุกไม่ทุกก็เบื่อไม่เฉยไม่เจ็บไม่ปวดอะไรอแต่ไม่สุกก็ไม่เอานะต้องสุกอย่างเดียวเลยต้องไปหาเรื่องกันหารูปเสียงดิลด์มาเสร็จแล้วก็มาทุกกับรูปเสียงดินลด์เวลาไม่เที่ยง อาจารย์คะไม่สุขไม่ทุกเนี่ยเหมือนกับอุเบกขาไหมคะหรือว่าไม่ไม่ไม่ไม่สุขไม่ทุกมันก็บอกไม่สุขไม่ทุกเขาจะรู้สึกเฉยเฉยอ่าอย่างเวลากินข้าวอยู่มันสุขใช่ไหมเวลาหิวข้ามันทุกใช่ไมค่ะช่วงที่ไม่หิวข้าวช่วงที่ไม่อยู่มันเป็นยังไงอืมค่ะก็ไม่สุขไม่ทุก แต่ถ้าเรามีอุเบกขาคือเราก็จะวางเฉยกับไม่ว่าเราจะทุกข์หรือสุขไม่ถูกไม่ยุตได้อุเบกขานี่คืออยู่ในใจใจวางเฉยค่ะอ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะก็หนูมต้องอยู่กับพุทโธแล้วมีพุทโธตลอดหนูก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขถ้ามันไม่เฉยก็แค่เอาใช้พุทโธรึงไว้ให้มันเฉยได้ค่ะโอเควันนี้หนูมีแค่นี้ค่ะจ้ะ ภานี้ข้างหลังนี่เป็นภาพปลอมนะภาพใช่ภาพปลอมค่ะอาจารย์มาชิมที่บ้านของเยอะเลยมีาออยกอยากมีแบบนี้เหมือนกันครับอาจารย์แต่ได้เป็นปัญหาเหมือนกนครับเป็น้าของเราของเรามีของจริงไม่มีอะไรเลยเป็นจอหนังใช่ค่ะไปไปแต่งบ้านทำไมให้เหนื่อยบ่าง มันไม่ได้ทำให้เราวิเศษวิสงทธิ์ขึ้นเลยใช่ค่ะการเป็นภาระต้องคอยมาดูแลรักษาอะไรอย่างใช่แล้วดูสักพักก็เบื่อต้องแต่งใหม่แล้วขยับใหมใ่ครับใช่ค่ะพระอาจารย์ยังติดรูปยังติดรูปย<ช>ังติดรูปอยู่กับข้างว่างเลยบะเนี่อยู่กับฟ้าเป็นหลังว่างว่างเนี่ยศาสตร์ตาเลยนะ<ช>ดูไงก็ไม่เบื่อ หนูก็หนพยายามก็ตอนนี้ก็เก็บของน้อยลงค่ ะ, ะพยายามพยายามลดของอยากาแบบอยากมีความสันโดษมากขึ้นเอาไปบริจากให้คนที่เขาอยากได้คนที่เขาไม่มี<ะ>เราอยู่แบ บ, บแ<ะ>ว่างๆแบบว่างๆนี่เป็นความสุขอย่างยิ่งนะพระเจ้าริม<ะ>บานังพลมังสุญญ์อย่างสุญญ์นั่คือศูนย์ใช่ไหมความว่างไม่มีอะไรเลย่างญ์คามว่า ปส่สจัดทุกสิ่งทุกอย่างป่าสจัด ร, าารูปเสียงกลิ่นลดป่าสจาดน้ำลดสระเสร่ออยู่แบบนั้นนันนะ่ะพยายามค่บอจาจรพยายามให้ให้ถึงจุดนั้นตนนี้ค่อยๆลดไปทีละนิดลดลงไปไเรื่อยๆนะเก้าไปไเรื่อยๆ อ, อกเค น, นะาจีพยว น, <ป> น, นี้ไม่เข้าห้องกินแล้วหตภาษากฤนเข้าตามเวลาสะดวกครับจร อะไรที่ท่านต่อไปนะคนวิไลพรคนวิไลใช่ไห ม, ย อ, มย อ, อยู่ที่ไหนคกับนมักการพระอาจารย์ค่ะอยู่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสองค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีอะไรค่ะมากาบพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะเออนิดนึงค่ะสมมุติถ้าระหว่างวันนะคะ่ะถ้าถ้าเราจับความรู้สึกของของการเต้นของหัวใจกับเ อ, อเราสามารถ สลับกับการดูลมได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเรารู้สึกถึงการเต้นของจังหวะหัวใจเราก็มาดูที่การเต้นของของของที่ที่เราที่เราสามารถรับรับรู้สัมผัสดได้ว่ามันตุบตุบตุบอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นบางครั้งเราก็กลับมาอยู่ที่การดูลมเข้าออกอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างวันนะคะพระอาจารย์เราสามารถทำสลับกันได้ใช่ไหมในระหว่างวันไม่ควรควรจะดูร่างกายเ ห, หมือการเคลื่อนไหวของร่างกาย ว่าเราจะจีบจะจะบอะไรเงี้ยเหรอคะอ า, <พ>าจารย์ใช่จะจัจะเดินเดินจะ่าไม่ลื่นไม่ล้มไม่ไมหกล้มไม่ เ, เดินไปเตะ น, นู่นเตะนี่นโอเคค่ะพระอาจารย์ลมนี่ไม่สำหรับเวลาหน้าเพราะลมมันละเอียดดูยากแล้วมัน<ช>มันอาจจะทําให้เราไม่เดินไปเตะ น, นู่นเตะนี่โมต่คอยดูลมได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วนี่มาไอ้หัวใจเต้นอย่าไปดูมันเลยมันยิ่งดูจะ มันรับรู้ได้เองครับอย่างแต่ถ้าเรานะู้กันรู้เฉยเฉรู้ันรเฉยเฉยใ่อยาไปเดี๋ยวมันเวลารับรู้ไม่นานก็ไม่รู้จะรู้จะดูอะไรร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายมันเห็นตลอดเวลาทัดกว่า อ, อย่าอย่าปวดศีรษนเดินนั่งเคลื่อนไหวทำนู่นทำนั่น้ําน้ำหน้ า, น า, น า, นาแป้นปันให้มันอยู่กับการกระทํำต่างๆของร่างกายอย่าปล่อยให้มันไปขึล้ลเรื่อได้ึ่งนะใชะอาจารย์ค่ะอัาานานี้จดีป่า ในเวลานั่งใครมานั่งดูลมอย่าไปดูไอ้หัวใจเต้นมันก็นด้ลมนี่ดีกว่าะดีค่ะได้ค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะลองทําดูนะได้ค่ะพาจารกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะอาสายเทียเชิญกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะเข้ามากับพระอาจารย์แล้วก็ร่วมฟังค่ะ เช้าแล้วครน่อยู่คอนนวันนี้นอยู่คอนแก่นค่ะพระอาจารย์ขอบคุณอ้อมต่อคุณอ้อมจากบอเวียนพิธีการค่ะพระอาจารย์ไม่ ไ, ได้ยินเสียงเลยค่ะได้ยินไหมค ะ, ะได้ยินนะเอ่อ อันนี้ที่จะถามคือเป็นที่คิดไว้ล่วงหน้าค่ะซึ่งไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมพอดีวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์จะขึ้นเขาเพื่อไปปิดวิเวกแล้วก็ฝึกสติฝึกสมาธิค่ะทีนี้คือเพิ่งจะไปครั้งแรกถ้าสมมุติเราฝึกอยู่ดีๆแล้วมันเบื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีคิดยังไงเพื่อให้มันกลับมาปฏิบัติได้เต็มที่ค่ะก็ให้มันมีสติเรื่อยๆมันก็จะไม่เบื่อ ให้หนึ่งุโทโธุทโธไปเรื่อยๆเดินจำผมนั่งสมาธิสลับกันไปเวลาทําอะไรก็ให้มีสติพุโทโธไปดูดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่าปล่อย้มันคิดเนะี่ยะทามันคิดทำมันคิดล่าเดียวมันก็เบื่อเออไม่เห็นนีอะไรเลยนั่งอยู่อย่างนี้ค่ะอย่าปล่อย ครับเผลอเมื่อไหร่เลอสติเมื่อไหร่ปล่อยให้มันคิดเดียวมันก็เบือให้มาต้อง ค, คอยต้องคอยพุทโธพุทโธสวดมนต์นดดนดนเดินจงกรมฟังเทศทำทำอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอย่นี้่แล้วก็จะไม่เบื่อถ้าเดินจะกรมเดื่อก็นั่งถ้านั่งเบื่อกนอ่านสื่อธรรมะนะตะกวาดตกวาดทูอะไรไปให้มันมีอะไรทำพ<ะ>ุทโธไป มันก็จะไม่เปื่อค่ะค่ะลองทำดูนะสามวันแล้วต่าวต แ, แล้วแล้ค่ะพอดีพี่แม่เหมี่ยวแกทําตารางให้แล้วค่ะว่าเวลาไหนทําอะไรบ้างค่ะเคระค่ะไม่ดได้ไม่ไม่ได้ไม่งงนะตอนที่ทาอะไรดีค่ะค่ะลองดูดีแล้วแบบไม่ต้องกลัวหรอก ถ้ามันเบื่ก็เดี๋ยวเดียวมันก็หายพอมันเบิดปั้งก็พโธพธสวดมนต์ใจใจในใจเดี๋ยวเดียวมันก็ค่ะนะทางสวดนก็ได้อิจิปิโสร้อยจบสวดไปเดียวมันก็หายหรือพุทโธพุทโธแล้วอาการฐานที่สองท้าอาการฐานที่สองก็ได้ค่ะขนเล็บปานนังเนื้อเอ็นระดูกเยื่อเนื้อกดกมามหัวใจกลับน้ำผืนตายต่อต้องทำอะไรเนี้ย กลับไปกลับมาแล้วก็นึกถึงภาพแต่ร่างกายนะแว่ปวดเป็นยังไงตับเป็นยังไงลำใช้เป็นยังไงอยู่ที่ไหนอยู่ในด้านกายนี้ใช่ไหมค่ะค่ะทำไมมองไม่เห็นกันว่าไม่ยอมมองกันพี่เจรณาร่างกายใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็นั่นแหละตาเป็นการเจริสติ เพื่อเรามีงานทำเราจะได้ไม่เบื่อเนี่ยรอนเริ่เห็นร่างกายเห็นน่างการร่างาจะสนุกโอ้ยเห็นล่าดิเลยหีหมดเลยํามลากสวย่ากงามหนีหมดเลยานลาคนนั่งคนนี้ดีหมดเลยค่ะค่ะเราทาดูนะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคคุณยินดีจากอเมริกาจากเซาท์คารลาน่า เป็นยังไงสบายดีค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ละคะอ่าดีเหมือนกันค่ะเข้ามากราบค่ะท่านอาจารย์เดวิดฝากราบด้วยค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอให้เด็กให้คุณเดวิดด้วยนะค่ะแล้วก็ขอให้ท่านอาจารย์เขาบอกว่าบอลซองเต้ค่ะท่านอาจารย์ขอให้ภาพแข็งแรงนะค่ะท่านอาจารย์เป็นลูกบอลลูกใหญ่ที่สนค่ะท่านอาจารย์ได้สาธุจ้ะ คนมากครับคนเอกต่อเลยคนเอกจากเชียงรายาการนมัสการพระอาจารย์ครับเอออาจายยรย์ได้ยิ น, นด ไ, ดไหมครับได้ยินได้ยินทุกท่านทุกวันนี้ไม่มีอะไรครับพระอาจารย์เข้ามากับอาจารย์แล้วก็รุ่มรับฟังครับอาจารย์อ่าอช่ปฏิบัติดีอยู่น ะ, ระครับปฏิบัติอยู่ครับปฏิบัติทุกวันนะครับไม่ไม่มีขาดครับรทั้งตอนเช้าตอนเย็น ครับผมโอเคก็นี่ผมก็มีแผนดูเหมือนกันว่าประมาณเดือนหน้าจะไปวิเวกกี่มวันกันนะครับอาจารย์เอ่อลองดูนะเป็นวิเวกช่วยให้การปฏิบัติมันเข้มข้นขึ้นในปฏิบัติได้มากขึ้นไม่มีอะไรมาล็อกวนใจครับผมครับผมประมาณเดือนหน้าครับอาจารย์ผมยังคนครับทุกทายต่อครับทุกทายอยู่ที่ไหน ปุมธานีค่ะพูดดังหน่อยได้ไหมเสียงค่อยๆอยู่ประฐุมธานีมีคําถามไหมปะอยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าในแต่ละวันเราทํงานแล้วก็บางทีมันหลุดสติมันอยู่กับงานจนกระ ท, ทั่งตอนเสร็จแล้วถึงกลับมามีสติอีกทีทีนี้ระหว่างกทำงานเนี่ยเราจะมีสติฤฤฤฤได้ยังง ก็ S <S จะได้มีสติแทบแทบไดสติอยู่ก็อยู่กับการทํางานนะก็เป็นสติอย่างนันเป็นอันนี้เป็นสติอะค่ะที่มาเป็นส่วนอ่าเพแต่ว่ามันเป็นสติที่ยังใช้ความนึกคิดอยู่ต่างกับสติที่เราต้องการคือให้ให้รู้เฉยเไม่ให้คิดก็ได้ครึ่งห น, นึ่งได้ห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าทำงานแล้วใจไม่ลอยว่าแม้จะคิดจะคิดอยู่กับเรื่องงานนี้ก็ก็ได้ครึ่งแต่ถ้า มาปฏิบัติธรรแล้วก็จะเอาอครึ่งนเคอหยุดคิดด้วยให้รู้แล้วก็ให้หยุดคิดให้รู้เฉย คือนลดอะไรก็ดูร่างกายไปนี่นะอยากไปคิดเรื่องนี้ก็ถือว่ามีสติใช่อพอกลับมาบ้านก็มีสติตลอดเวลากับร่างกายจนกว่าจะมีเวลามานั่งสมาธิก็นั่งแล้วก็รูดวงเปลี่ยนจากร่างกายมาดูดวงแทนก็แล้วถ้าเราในสภาวะในขณะที่เรานั่งสมาธิทีนี้บางทีอ่ค ความคิดที่มันคิดคิดคิดนะแต่เราเห็นความคิดนั้นนะอย่าไปดูมันอย่าไปสนใจดูลองแล้วเราต้องทําบบไดูลงดูลงอย่างเดียวถ้าไม่สนใจความคิดถ้าเดี๋ยวความคิดก็จะหายไปถ้าเราไม่ไปสนใจมันคิดจนกระทั่งสึกวันโอเคเราเผลอนะเราเผลอนะเราไม่ได้ดูลองถ้าเลยคิดนเราเผลอละเผลอสติจามาดูลงต่อ ความคิดหนึ่โผล่ขึ้นมาอย่าไปตามดูมันตามมันแล้วก็มันก็ยิ่งคิดใหญ่ให้กลับมาดูลองแล้วเดี๋ยวความคิดก็จะหายไปนะสมาที่นี่ให้ดูลงอย่างเดียวแล้วพูดโธรอย่างเดียวก็ได้ก็คือดูเฉพาะโลงอยู่พอดีเป็นคนอยู่ลมที่ปลายจมูกดูมันเข้าดูมันออกท่้นี้แหละแล้วเดีวความคิดก็จะหายไป มันก็ดูเวลาความคิดมันก็ยังก็ยิงความคิดอยู่ด้วยแไปดูความคิด ด, ดีดีมันก็ยิ่งทิศใหญ่ถ้าไม่ไม่ถ้าดูลมเดี๋ยวความคิดมันก็หายไปมันจิตก็จะสงบแล้วเราต้องการแค่จิตสงบหรือว่าเราต้องการได้ให้จิตสงบให้นิ่งไม่คิดอะไรแ ต, ตอนนั้นจะมีความสุขมากๆ ใจจะเบาใจจะสบายไม่วุ่นวายไปกับอะไรต่างๆแต่ว่าอันนี้คือปกติเนี่ยจะเป็นคนที่แบบบางทีก็คิดเยอะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าความคิดในชีวิตประจำวันบการโกรธเนี่ยมันก็จะน้อยหรือว่าการที่หแต่ว่าบางทีคนอื่นทำให้เราไม่สบายใจเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็นำมแทน ถ้าใจเราสงบแล้วใจเราจะมีอยู่เบิกขามากขึ้นปล่วยวางได้มากขึ้นไม่ <Okay. S 1> เฉยเฉยให้ังไงก็อยู่อของเขาเราไปเกลี่ยนไม่ได้ทำไปนี่นะแล้ว<ร>อะไรแล้วอาจารย์จะให้งา น, นต่อไปเงานทำเนี่ยบทเสถียรมาบ้านงานสมาธิให้เร่งงานอะ ไ, ไอย่างน้อยอยู่ไม่ชัง่งคงต่อว่ด ต้องทำเพิ่มมาลๆชั่วโมงวันหยวายันหยุดี่เอาไปหาที่ที่สงบวิเวกลองปฏิบัติทั้งวันจะได้เป็นเกาะเป็นเกาะการ ป, ปฏิบัติทั้งวันนี่เหมือนขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนแล้วก็ไม่มีไฟสียะไฟแดงไม่มีรถติดขึ้นได้รวดเร็วถ้า ถ้าทำงานนี่เร้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้มันก็มันติดไฟแดงเลเดี๋ยวจะหาไ ป, ไปนล ะ, นะคือตอนนี้มีความคิดว่าทำงานวันหยุดก็ถ้าเราอยู่คนเดียวที่บ้านเราทําที่บ้านคนเดียวก็ได้แต่ถ้าอยู่กับคนอื่นก็ต้องบอ ก, ก็ว่าอันนี้ไม่ยุ่งกับใครได้ไม่ควรอยู่ในห้องนคนเดียวได้ถ้าอย่างถ้าอยู่ที่บ้านเนะ่ะย จะออมากิน<า>จ้ามากินอย่างเดียวเราไม่มีกินเนี่ยกินเสร็กจะกลับเข้าไปไม่ยุ่งกับใครอถือสินตก <c oughs> อยกูอ่บ้างเราลองถือสินตานนดูกินน้อยๆ <c oughs> นี่มันจะง่วง<า>บางทีนั่งสมาธิแล้วมันตักวางไปเลยตกภาวแล้วมารู้สึกตัวอีกทีก็อ้าวเราไปไหนมานังท้อตึงน้ำตาหย่อน หากินน้อยๆหนังเท่าก็ไม่ต็งหนังตาก็ัง ไ, ไม่หยอ่อนนอนหมดนอนมื้อเดียวแบบพระดูนาอย่างมือเดียวตอนกลาตอนนี้ยังสาวนอนคื อ, อวันที่เราไม่ทํางานนวันที่เราจะปฏิบัติเต็มที่ครดดับนอาตื่นมื้อเดียวนะไี่ตายเรากหิว่าจะได้ใช้พุโทโธใช้สมาธิช่วยชุ่มมันไป พอเวลาจิตสงบแล้วความเห็นจะหายไปเกือบเก้าสิบเปอร์เซนีแต่ความเห็นทางร่างกายความเห็นทางใจจะหายไปหมดเวลาจิตสงบนะงั้นมีในหนังหนังคืออเวลาตอนเช้าจะดูออกอากายทีนี้จะดูกายไปด้วยก็คือเดินดูไปว่าตอนนี้ร่างกายเรา นี่พอดูร yeah, no, on on Second, like uh, ่างกายไปนะว่ามันขยับเคลื่อนตัวเนี่ยตาเราก็ต้องมองใช่ไหยนี่พอมองไปมันจะมองได้แคบมากค่ะมันมองแค่ทางเดินเราคือเราไม่สามารถจะละสายตาจากตรงทางเดินได้กับก็ชำเลืองไปดูข้างหน้ากายเหง่อมีอะลรข้างหน้าหน้าชำเลืองไปแค่นั้นนะคะอต่ให้กลับมาที่ที่เท้าอีก่ที่ทางไปเลยแต่ก็ลองคอยชาเลืองดูว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างใช่ ไม่เป็นไรลยะดได้ตาแดงที่เราไม่ตาแดงที่เราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นเท่เนันเองที่ให้ดูทางดูได้ดูใกล้ดูไกล ด, ดูได้แต่มีความรู้สึกในความรู้สึกของโยมนะคะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าการที่เรามองจุดจอยแค่ตาเดียวมันทำให้เออเหมือนกับหูบตาเราไม่กว้างเหมือนมองแคบโลก มุมมันแคบก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันแคบก็ไม่เอ็ไรแต่เราไม่จำเป็นจะต้องให้มันแคบเราก็ดูให้มันกว้างได้แต่อย่าอย่าไปกว้างคุณเคยไปกว้างในในรัศมีที่เกี่ยวข้องกับเราค่ะแล้วบางทีก็ถือเกีย่ยวกับพวกไหล่ท่าแ น, น, น่น่ะต้องต้องเห็นทั้งหน้ามีอะไรรอเราอยเราจะได้หีกได้หลบได้ ๋ยวไปเจองูข้างหน้ามันจะได้หอกทันค<ะ>่ะถ้าดูใกล้ๆเกินไปมันอาจะมองไม่เห็นที่มันอยู่ข้างหน้าค<ะ>่ัไม่ต้องมองมองมองไปไกลแล้วใกล้ๆไม่เป็นไรขอให้จำใจว่าอย่าไปชิ ด, ดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วค่ะให้อยู่กับกายค่ะอยู่กักายอยู่การเดิ<ะ>นมาค่ะได้าจะปฏิบัติตามที่้าจารย์ลองดูนะแล้มาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไง นะทุกยังไปที่ท่านต่อไปคุณประพันธ์เช่คุณประพันธ์ที่ไหนการอุตกาหกรรมรับาจารย์ครับอยู่ที่กรุงเทพครับอมีคําถามอะไรไหมมีคําถามครับขอสอบถามเรื่องศีลนะครับเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมเชื่อกไก่นะครับอ่เชื่อกไก่วละหลายแสนตัวนะครับ แต่ว่าไม่ได้เป็นคนเชื่อนะครับถือว่าผิดถือว่าผิดสิ่งข้อหนึ่งนะครับถ้าสังส่งสั่งเขาเชื่อโดยโดยทางอ้อมมันก็ผิดเพราะคนที่มามาทางานหนอจ้างเขามาค่าให้เราใช่ไหมว่าเราได้รับผลประโยชน์จากการค่ามันก็ผิดเหมือนกันสั่งเขาทำก็ด้ทำเองไม่ดีกะผิดแล้วถ้าเราเป็นพนัก ง, งานในโรงงานนั้นก็ผิดอม่ค แล้วก็มีส่วนนุ่มเราได้ประโยชน์จากการค่าไก่หรอนั้นอยากไปทำงานที่นั่นในถ้าเราอยากจะรักษาสี่ห้าร้อยสุดไปทำงานเรื่องเสื้อผ้าหรือเปล่าเนี่ยอันเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตของผู้บริโภคมันเป็นประเด็นเรื่องสัมมาอาชีวะหรอครับใช่สัมมาอาชีวะด้วยแล้วก็เงินสินด้วย มันใกลๆกันบางทีมันไม่ผิดศีลแต่มันก็ไม่ควรทำเช่นขายสุราไม่ได้ดื่มแมงแต่ขายสุราเนี่ก็ไม่ควรทำเราจะส่งเสริมให้คนเมนเมาแล้วก็ไปทํายผู้อื่ได้แม้บางทีเราแบบทํางานเครียดอย่างเงี้ยครับแล้วเราอาจรู้สึกว่าเราดื่มเบียร์สักกระป๋องหนึ่งเพื่อป่อนคลายความเครียดแล้วก็เราก็ไม่ไปทําร้ายใครเราก็เราก็หลักเราอย่างเงี้ยครับ มันมีวิธีผ่อนคลายที่ดีกว่า น, นี้เยอะแยะทำไมไม่ใช่นั่งสมาธิไปดีกว่าไม่นั่งเสียเงินด้วยไม่นั่งเสียสติภา พ, าพเลยแล้วก็หลับสบายได้ เ, เรานั่งสมาธิแทนเลยมาถึงว่าพอมาฟังธรรมมากขึ้นเราก็รู้มากขึ้นเราก็อ่าไม่เราก็งดงดงดบาปเหล่านั้นแล้วเราก็ทํำดีทําดีมากขึ้นเพราะเราไม่รู้ความจริงว่าดีชั่วเป็นยังไง แต่พอมาฟังเทศน์ทำธรําแล้วก็จะเริ่มแย่แน่นะเพราะอันนี้แต่น้ำมันจะผ่อนลายแต่มันก็ไม่ดีเพราะมันจะทำให้เราติดแล้วบงทีเดินไปกับควางนึงมันยังไม่พอก็นึ่งสองกระป๋องสามกระป๋องได้แล้วแล้วบาปที่เราเคยทำเหล่านี้นครับมันก็ต้องใช้แต่ถ้าเราทำบุญมันก็มาสู้มาต้านกันได้ ทีนี้ถ้าบุญที่เราทําบุญมากกว่าบาปบุญจะส่งผลก่อนครับแต่บาบุญจะน้อยกว่าบาปบาปจะส่งผลได้อ่าถ้าเราทำํำพอเราฟังทำมากขึ้นเราเป็นบัตรมากขึ้นเนี่ย่บุญมากขึ้นเถ้าเกิดบุญมากกว่าบาปเราก็ไปสวรรค์แต่ว่าถ้าเราไปหมดหมดบุญเม่าไหร่ครับเราก็ต้องมารับบาปที่เราเคยทาไว้ถูกไหมก่อนจะก่อนจะหมดบุญนี่พอมันลดลงมามันจะต้องเท่ากับบาปก่อนะครับ พอมันทำามก บ, บารมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์สัครับแล้วก็มาทำบุญทำบาปกันต่อไปถ้าถ้าบาปมากกว่า บ, บุญตาที่ตายไปมันถึจะลงไปอบายต่อไปครับแต่ถ้าเราพยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆให้มากกว่า บ, บาปมันก็ยังไม่มันยังไม่ต้องไปใช้บาปอครับเดี๋ยวปรมาณฆ่าคนิม้าร้อยฆ่าสิบเก้าคนยังไม่ต้องไปเา พอได้บุญระดับนี้ผ่านไม่ต้องกลับมาเกิดแค่ไม่ต้องมาเวียนว่าตายเกิดเห็นท่าอรานไปเลยแต่ว่าเราต้องพยายามเติมบุญให้มากเพื่อให้ปราบความล่าเราไม่ทันนี่ใช่บุญกระบางเป็นเหมือนเถ้าคนที่ชักไปเยอะกันใช่ส่นจิตก็เป็นเหมือนเชื่อกที่เขาดินไปเึินมาภนั้นมีกําลังมากกว่าไม่ไปข้นตามสายนัดใจครับ พยายามใหม้บุญมันมากก่าบาปบุญมันจะได้เดินเชื่อไปสวรรค์ไปนิพพานครับถาบาปมากกว่ามันก็จะเดินไปอบายไปเป็นสัตว์เลีาา้ยงช้าไปเป็นเปรตไปนรกอย่างคนฆ่าไก่ทุกวันทุกวันนี่ตายไปต้องไปเกิดเป็นไก่ไหมครับเราไม่รู้อกแต่เราใช้หลักนี้ว่าฆ่ากิจตัวตั้งกลับไปเกิดเป็นไก่ให้เขาฆ่ากิจเท่านั้นฆ่าไก่ร้อยตัวเรากลับไปเกิดเป็นไก่ร้อยร้อยครั้ให้เขาฆ่าร้อยครั้ คือไม่ได้สนใจว่ามันเป็นอาชีพหรืออะไรอย่างี้ใ่ไหมครับคือมันจะเป็นอะไรก็ตามถ้าฆ่ามันผพลิดจะมันเป็นหมายว่ามันจะเปิดนะเพลิดเพลิดแบบไหนถ้าฆ่าด้วยเพราะว่าทําเพื่อทําอาหากินมันก็จะไปเป็นเวลาชา้าถ้าฆ่าเพราะความโลดอยาได้มันเยอะๆมันก็จะไปเป็นเปรตครับถ้าฆ่าด้วยความฆ่าพยาบาทมันก็จะไป น, นรก อาจารย์เข้าใจครับอาจารย์ครับเพราะอาจารย์สอนให้ร่างกายให้ทําบุญบสองตัวนี้แล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่าสวรรค์ก็ต้องปฏิบัติชาระใจให้บริสุทธิ์ก็ไปนิพพานไปพร ม, มาโลกไปนิพพานนี้สอบถามเรื่องอพอดีคุณแม่่ มีปัญหาเรื่องสมองมนะครับก็เลยไม่ได้ให้กับเงินเนี้ครับตอนนี้อยากให้คุณแม่ไปทําบุญเนี่ยเราก็อาจจะซื้ออาหารให้คุณแม่เป็นคนใส่เนี่ยคุณแม่จะได้บุญครับตามจริงไม่ได้เพราะว่าต้องเกิดจากเจตนาของคุณแม่ไละต้องเป็นางานขคุณแม่แต่ทํานี้ก็ได้ก็เป็นการฝึกให้ท่านทําไปก่อนแล้ววันดีขึ้นดีท่านอาจจะคิดขึ้นมาเว่าวันวันนี้ขอใส่บาทหนะ่อะไรนี้พอแกเริ่มทำ การได้ทํำหลายว่านอา จ, จะติดติดเป็นนิสัยแล้ววันไหนเราลืมแล้วแกก็อยากจะทําึ้มนมาเองแกก็บอกว่าวันนี้ทำไมาไม่ได้ทําบุญไม่ใส่บาตรอาจะสั่งให้เราใส่บาตรซื้อของมาใส่บาตรทำเงินของแกออกให้มันก็สอนเข้าไปก่อนเหมือนลูกๆเนี่ยที่เราสอนให้ใส่บาตร ท, ทาบุญเนี่ยลูกมันลูกยังไม่ได้บุญเพรบุญเกิดจากการเสียสละทรัพย์สมของตนเอง ลูกยังไม่มีเงินของตัวเองใช่ไหมครับแต่เราก็ฝึกเขาไว้ก่อนให้เขาใส่ไปก่อนแลนะพอเขาใส่แล้วติดมีสายพอโตขึ้นต้อมีเงนของเขาเองเขาจะอยากจะทำเองของเขาเองครับคืออย่างเมื่อคืนเขาถามคุณแม่ครับว่าวันเนี้วันพักนะคุณแม่อยากจะใส่บาตรไหมแล้วคุณแม่บอกมึงอยากจะใส่บาตรก็เลยพาคุณแม่ไปน่าได้คือก้วคุณแม่อยากเก็โอเคก็เห็นว่าได้อโอ ต้องให้เอาเงินของคุณแม่ด้วยที่ยินดีครัทีนี้ทีนี้ตอนผ่อนใส่ครับผมเอาเงินให้คุณแม่เงี้ยครับก็ถัดถ้าแม่ครับถ้าเป็นของเราถ้าเป็นของเรามันก็ยังยังยังไม่ได้เบิกตั้งแต่ว่าเราให้บุตรแม่แม่เป็นประจำเช่นเงินเดือนแล้วแม่จะเอาเงินเอนงของแม่มาใส่เองเนี้ยก็จะได้เบแต่ถ้าเราบอกว่าแม่เองินนี้เ้าบอกถ้าเราบอกแม่เองินนี้ใส่บ้านอย่างนี้จะไม่ได้เบิเพราะยังเป็นเงินของเรา อืแต่ถ้าเราให้เงินเดือนแม่ให้แม่ใช้ตามอัตยาศัายแม่อยากจะไปซื้อของซื้อขนมซื้ออะไรเรือกไปทําบุญก็เรื่องของแม่ถ้าแม่เขาเขาเอามาทําบุญเขาจะได้นครับเพราะเขาเสียสละเงินของเข า, ขาเพราะมันมันเป็นเงินของเขาเนาะแต่ถ้าเราเงินให้เราบอกให้แม่ไปทําบุญเราเงินที่เราใช้แม่ทําบุญแทนเราพยานเราเป็นคนได้บุญเพราะเราเป็นคนเสียสละเนี่ เพราะว่าเหมือนกับมีให้เงินคุณแม่แล้วคุณแม่ก็จะไม่รู้ว่าเงินไปไว้ไหนแล้วเมี้ยครับหาไม่เจอแล้วก็บอกเลยแม่ว่าเงินไว้ตรงนี้นะบอกได้หาที่เก็บเงินไว้ให้แกเวลานมาจะเอามาใหอยู่ตรงนี้นะครับเพราะรู้สึกว่าคือแก่หลงก็เลยไม่ได้ให้แกถึงเงินเท่าไหร่เงี้ยครับงั้นก็สายไปแล้วถือว่าให้แกฝึกไปก่อนก็แล้วกันฝึกการทําบุญไปก่อนโดยที่ยังไม่ได้บวช ข้า บ, บุญมันต้องอกามาจากเจตนาคามตั้งใจความยินดีเชื่อเสถีประโยชน์ส่ว ข, ของของตอนให้แบบเลยแต่แต่ก่อนก่อนที่แกจะหลงแกก็เป็นคนที่ใส่บ่ายคำบุญแกก็เลยรู้สึกชินคือคุ้เคยอะครับพอไปถามแกเรื่องนี้แกก็เอาเอย่างนี้ยครับก็เลยทาไปก็อาจจะลาจะลา จ, จะพูญไม่ไม่ไม่ถูกก็ได้ลาจะได้บุญก็ได้เราไมา่รู้นะเราทตามตามหลักการ ครับครับจะต้องมีความอยากจากของตนเองแล้วก็ต้องเสีพเป็นงานของตนเองมันจะได้ผลครับบ่นหรือยังอ่าอีกนิดนึงครับอาจารย์ครับอ่าพอดีเคยได้ยินว่า เหมือนกับว่าเราเป็นคารวาสอย่างนี้ครับมีครอบครัวทําทานถึงศีลห้าไปเจริญสติไปเนี่ยอาจจะไปถึงโสดาบันไดอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมครับอาจารย์ครับไม่จริงอะ่ะต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาจะไปได้ทาบุญรักษาศีลก็ไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพแม้เราจะเจริญสติก็ตามใช่ไหยครับะจไปไม่ถึงจะถึงก็ต้องละละคามผูกมัดผูกพันในร่างกายให้ได้ เคยต้องตัดต้องโปงได้เพราะว่าร่างกายจะตายครับให้มันตายได้ไม่ไม่ทุกข์ไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความแก่ก็ไปได้คือเห็นร่างกายว่าเป็นตายแล้วไม่เทียงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันจะเป็นอะไรถ้าไม่เหมือนเหมือนกับเป็นร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นเราไม่เดือดร้อนใช่ไหมคนเื่นก็จะ จ, จะตายจะเจ็บเน Lance. เราก็เพียงแต่รับรู้เฉยๆวันนี้มีคนมีวันนี้มีคนตายจากโควิดกี่คนแล้วก็รับรู้ไปเฉยๆถ้ามันเป็นนั่งกายของเราเป็นหนึ่งในหนึ่งในของคนตายได้แล้วรับเฉยๆได้เรากเป็นโสลเดาบัลได้โดยไม่ต้องผ่านชั้นตรงก็ได้ใช่ ไ, ได้แต่มันยากมันจะทํำแต่ถ้ามไม่มีสมาธิมันมันมันมันยังยึดติดเดี๋ยวนั่น เราจะเรียนปัญญาโดยพิจารณาใจรักไปเรื่อยๆครับถ้าลองดูสิลองไปทดสอบแล้วลองไปพิสูจน์ดูเราไป <นะ S 2> <ๆ S 1> อยู่ที่ที่เปรี่ยวๆที่น่ากลัวคนอยู่อยู่ที่จะกลัอไหมถ้ายังกลัวอยู่ไัยัางแสดงว่ายังไม่ปลอดครับเขอาใจแล้นะข้ารับขอบคุณาาาครับอาจารย์ครับถึงคุณจอยอยูนประท้วงให้คุณจอย น้าวสักการเลยค่ะน้าว่ามาลูกชายเป็นไงทูจ้าก่อนนาสวัสดีครับเจ๋งมากเป็นยังไงพี่ถึงน้องจามเลยไปใส่บาตไหมใช่ไปไปเ <c ười> ดี๋ยวใส่ตรงนี้ก็ได้เอาข้ามาใสา่เอาข้าวมาใส่ให้น้องจามหน่อยไหะเอามาม่ามาใส่ให้หน่อยอ ไปฉีดวคซีนเข็มสองแล้วนะคะเออดีเข็มแรกเป็นอะไรชีโนแว็กซหนู่ะมอนีพ่อแล้วมนอมีพ่อแล้วมีพ่อแล้วเหรอเออดีอยกพ่อไป๊ะอ่ะกอนจะพูดพูดก่อน่อเชอบซ้อขอเล่นพ่อเขอเล่นพ่อชอบเล่นกันเออดีพ่อเขาซื้อขาเล่นให้หนูตลอด อา่าแล้วดูีคีโอสุขไหมัอบคโอเคแล้วคุคุณนแะม่อเขียณแรกเป็นอะไรที่แหวกเหรออ่าเข็มสองก็แอสตาเนะี่ยนะคุณจะก็จะให้สลับฉีดไข้ก็ลัวอยู่เห็นเพื่อนบอกว่ามันกลัวกลัวไข้ขึ้นโอ้ยคนคนฉีดกันต้องเป็นร่าง้วตายแค่คนสองคนเนทะ้น มันญากยิ่งกว่าถวัตตรีรางวัลที่หนึ่ง oh. ถวัาต์รีรางวัลที่หนึ่งอยางกระถูกกันนพะ oh. อตายเพรอวัคซีนนี่ไม่ยอมตายกันมันยา ก, กว่าตั้งเยอะแยะไปกลัวอะไรแต่ว่าแต่ว่าก็ไปฉีวันที่หนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็บอกแม่แล้วว่าจะไปไปหาแม่ที่พัทยาเผื่อจะไปใส่บาส ด, ด้วยค่ะเออดีมาเลยปกติใช่ไหมคะเออปกติเหมือนเดิมต้องใส่แมอค์คือปกว่ากาันเดินปกติก็ใส่แมสอย่างเดียวนี เดี๋ยวเพราะว่าเด็กๆปิดเทอมแล้วด้วยค่ะอต่มาได้กันมามาเยี่ยมเยี่ยมกันนะอ๋อได้นะตอนนี้น ะ, ะคุณปุกลุก๊เจอคุณปุกลุก๊อยู่ที่ไหนอ่ะคุณปุกลกมตายไปแล้ววันแล้วค่ะนมัสการค่อะออยู่ที่ไหนอยู่พัทยาอยู่ตรงวัดบุญกันจนารามค่ะ หนูจะชอบไปหนูจะชอบไปใส่บาทอยู่หน้าร้านเจ้าตุ่มแล้วจะจะจะถ่ายวิดีโอตลอดนะคะค่ะมีเข้ามาฟังค่ะมีเข้ามาฟังค่ะค่ะนักธรรมครันัมาสการค่ะคใครต่อจอยคุณจิราภาเชิญคุณจิราภา วันนี้ไม่มีคำถามค่ะขอฟังเฉยๆนะคะอยู่ที่ไหนจ้าอยู่ดอนเมืองค่ะคุณบิวตี้จากโปรเกตใช่ค่ะตามมาสการเจ้าค่ะนี่ที่สาวเดยเจ้าค่ะสักการ์ชื่ออะไรที่สาวออเจ้าค่ะชื่อปออค่ะปอปอออ่านค่ะปอปอเอาอ่านมีคําถามไหมอยากจะถามอะไรป่ะ Hey, มีไห ม, ห น, มหนูมีเจ้าค่ะถามเลยนะคะมีโพยเออเวลาเราเดินทางไปไหนอะค่ะเช่นไปปฏิบัติธรรมแล้วเราโกหกพ่อแม่ถือว่าผิดศีลไหมคะพอที่บ้านเขาเอาเอไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบไม่ไม่ฟินนะผิดศีลแต่ได้ได้ได้ได้สมาธิไม่เป็นไรไม่ขาดทุนเจ้าค่ะนี่เขาเถือว่าเป็นอุบาย <laughs> เพราะว่าเราไม่ได้ไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนที่ไหนแล้วเราก็าไปท<ำ> แ, ลแล้วเราก็ไปได้บุญบุญที่สูงกว่าศีลตือสมาธิปัญญาถ้าท่าต้องโคหก็ต้องโคกบ้างอันนี้เดี๋ยวว่าเราส่งเสริมนะแต่พูว่าถ้าในกรณีที่ที่อยากจะไปจริงๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือจะเอาเอาเหมือนกับเอา เอาเอาแบงก์อยก็ได้แบงกัก็แล้วกันคิดอย่างนี้เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะข้อที่สองนะคะคุณพ่อท่านเป็นคนแบบดุมากเลยเนี้ยค่ะเวลาเราทํางานแล้วแบบถูกต่อว่าแรงๆมันทําให้รู้สึกแบบเสียสุขภาพจิตอย่างนี้ควรควรวางใจอย่างไรเจ้าค่ะเพราะว่าเราไม่ชอบให้ท่านว่าเราเราต้องกลับใจเราหัดชอบที่วอยู่อยู่ด้วยกันนั้นนั่นกับดินฟ้าค่ะเนี่ย เราไม่ชอบฝนตกของก็ตกใช่ไหมเราก็หัดทำใจว่าเราเหนีไม่พ้นต้องอยู่มาไนไปยอมยอมรับความจริงหยุดต่อต้างแล้วใจเราก็จะเย็นยยไหวก็อยากกระได้งอยากกระว่างไงก็ว่าไปให้พี่ว่าเราเป็นเหมือนแจวก็แล้วกันเป็นคนรับใช้เป็นลูกจ้างของอก็เจ้ากันแล้วก็การที่เราช่วยวพ่อแม่ เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้เปลี่ยนใจเราได้อย่าไปถือตัวถือว่าเราเป็นแจวเาเป็นบุจากรับทราบเจ้าค่ะแล้วการที่เราช่วยพ่อแม่ทํางานนี่ถือว่าได้บุญไหมเจ้าคะก็อยู่ว่าเราได้เงินตอบแทนหรือเปล่ า, าถอาไดก็ไม่ได้บุญถ้าทําฟรีถึงจะได้ <laughs> แต่ก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันเพราะเพราะมันก็เพราะว่เาเราไม่ได้ดูที่เงินเป็นดับเราดูที่ว่าเราช่วยเหลือให้พ่อแม่สบายขึ้นก็ได้บุญเจ้าค่ะแล้วการทําบุญกับพ่อแม่ที่หลวงพ่อเคยสอนว่าให้เอ่อได้ทําบุญกับพระ อ, อรหันต์ในบ้านก่อนนี่คือจะได้บุญอ่ะเท่ากับทําที่วัดไหมเจ้าคะ่ะได้แต่ต้องอยู่ในกรณีที่เช่นพ่อแม่ต้องการความช่วยเหลือของเรา แล้วเราก็ทำให้ได้แต่ตอนนี้ท่านท่านไม่ได้เดือดร้อนแล้วเราช่วยเหลือท่านก็แค่นี้ยก็ได้บุญเหมือนกับที่เราทํางานให้กับพ่อแม่แต่ถ้าเกิดว่าท่านเดือดร้อนแล้วเราช่วยเหลือนี่ถือว่าก็คือได้บุญเลยใช่ไหมคะใช่เหมือนกับพระถ้าท่านก็ไม่มีอาหารกินอย่างเงี้ยเราก็ใส่บาตรให้พระกินใช่ไหมพ่อไม่ได้ใครหาอาหารมาให้เราก็หาอาหารมาให้พ่อกินก็เหมือนกันเอาแบบได้ทําบุญกับพระอาห คบุนคุณของพ่อของของพ่อกับเราไม่มีมากเหมือนกับพระอาหารกับกับพวกเราเนี่ยพระนเราจะเจ้ามันก็คุณกับพวกเรามากเจ้าค่ะขอทิหานะเจ้าค่ะเราตักบาตแล้วถวายสังฆทานถือว่าเป็นการทําบุญหรือทําทานเจ้าคะมันเป็นทานหมดเพียงแต่เราก็แยกแยะมันเองการให้แปลว่าทานให้ใครก็เป็นทานนะมันให้ชุนน่ก็เป็นทานให้พระก็เป็นทาน แล้วผลจากการให้ทานเราเรียกว่าบุญคือความสุขใจอิ่ใจนี่เราบางทีก็พูดใช้ใช้คําแบบแทนกันทําบุญสร้างความสุขให้กับใจด้วยการทําทานด้วยการให้ทานนั้นกิริยาก็คือทานผลของกิริยาก็คือบุญไม่ใช่ไหมแต่เราใช้ภาษาแทนกันไปเรื่อยล่างมันมงงถ้าเราไม่ได้ศึกษาต้นตอ เจ้าค่ะทานเป็นเหตุบุญเป็นผลให้ทานแล้วก็เกิดบุญคือความสุขใจอิ่มใจเหมือนเหมือนกินข้าวแล้วก็อิ่ ม, มนะเวลากินข้าวแล้วท้องก็อิ่นะี่บ้างความอิ่นี้ก็เป็นเหมือนบุญทําทําทานแล้วก็จะอิ่มอกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเจ้าค่ะคําถามสุดท้ายเจ้าค่ะ เอ่อการบรรลุพระจุลโสดาบันต้องทําอย่างไรเลรอเจ้าคะต้องปล่อยวางางานชายให้ไนดะ้กองงานชายปล่อย ใ, ให้ยอมแจกยอมเจ็บยอมตายไม่ไปย่อมผมไม่เป็นทําอะไรมันจะห่อกก็ปล่อยมันห่อกไปถ้าราคาญก็กดหัวไปเลยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเอีนนาคนคที่เขาค่ะคือคือปล่อยตัวเองอย่างนั้นก็คือ ก็บรรลุเลยอะค่ะคือไม่ได้ปล่อยไปไม่มีความรับผิดชอบปล่อยไปไม่ได้ปล่อยแไปน้ําก็ไม่อาบน้ำก็ไม่มวมมิ่งนี่ไม่ใช่ก็ดูแลมันไปตามตามความเหมาะสมทำให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยถ้ามันจะปวดท้องขึ้นมาก็าไม่ทุกข์กว่ามันมียากินกินไม่มียา ก, กิน ก, ก็หายสบายโอ้เข้าใจแนละ้วค่ะ ถ้ามันจะตายก็ไม่ทุกไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งก็เฉยๆเป็นก็เป็นตายก็ตายอรเนี่ยเรียกว่าตระโสดาบันท่านจะเป็นอย่างนัน่านไม่ยึดติดกับร่างกายเพราะท่านรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นร่างกายท่านเป็นใจเป็นเหมือนรถยนต์กับคนขับเนี่ยคนขับรู้ว่ารถยนต์ไม่ใช่เป็นคนขับใช่ไหม ถ้ารถจะเสียเราจะพาคนขับมันเป็ น, ปนงานทุกกับมันไม่ไมทุกข์แค่ไมซ่อมได้กับ่อซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนรถใหม่ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนรถเดินใจก็เป็นคนขับรถใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวต่างๆจะพูดนี้ก็ใจเป็นคนสั่งร่างกายถึงพูดได้จะเดินจะขับรถจะไปไหนมาไหนใจก็ต้องสั่งก่อนใจกับร่างกายเป็นคนละคนกัน ปัสสาวะมันจะแยออกแยกกายออกจากแยกสองอย่างนี้ได้เห็นชัดว่าใจตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งเป็นใจร่างกายเป็นเปบ่าวเป็นผู้นับใช้ใจทิ้งใจเป็นนายกายเป็นบ่าปัสสาวสาบมันไม่ไม่เดือดร้อนกับควาเป็นควางตายของร่างกายอันนี้เรายังนองคิดว่าเป็นตัวเราใช่ไหม อะไรเป็นรายนิดหน่อยให้วุ่นวายใจขึ้นมาทันทีเลยครับคันนิดคันนิดหนึ่งก็วุ่นวายแล้วคันก็ทนไม่ไหวจะต้องเกาให้ได้สลองปล่อยมันคันไปเลยลองใช้พุทโธพุทโธอยุดหยุดมันปล่อยมันคันไปจัดใจอย่าไปอยากเกาใช้พุทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็เฉยเฉยได้คันคันคันก็ปล่อยคันไป ทำเปล น, นแต่ผู้รอบรู้ก็รู้ว่ามันขันนั่นไม่ต้องไปทาแล้วเดี๋ยวมันก็หายมันก็ไม่เทียนะ่ยงจะเจ้าค่ะแต่พระโสด า, าบันแบบเออท่านแต่งตัวสวยได้ใช่ไหมเจ้าท่านยังติดความสวยงามอยู่ท่านยังอยากมีแฟนยังรักความสวยวางามเพราะท่านยังไม่ได้พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไนานมันสวยแค่ภายนอกสวยแค่ผิวหนังพอใต้ผิวหนังเข้าไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามในร่างกาย เอาจปถ้าท่านเห็นภายใต้ผืนน้งแล้วท่านก็ไม่ไปแต่งนะมันก็ไม่ท่านก็ขี้เกียจแต่งเหมือนเอาผ้าสวยๆมาห่อขยะนี้ร่างกายข้างในนี่เป็นเหมือนตองขยะนะเอาไว้ว่าตามเราพิจารณาโคก็ดูกเข้ากระดูกเขาก้ขาไปลงกระดูก ปอดหัวใจตับทั้งบืดไตปอดน้ำไส้น้อยน้ำใส้ใหญ่สมองในสีสารของที่ไม่น่าดูต่อไปน้าทลาดเห็นนี้นะใครจะแต่ตัวสวยยางไงแล้วก็มันก็สวยแค่ภายนอกเป็นเช่เหมือนเสื้อผ้าแต่พอเข้าไปข้างใ น, นมันก็เห็นไม่มีอะไรสวยงามในร่างกายของคนอันนี้ต้องอีกขั้น พอเป็นพ่อโสดาันแล้วที่เราต้องมาแก้ความหลงที่ยังไปยึดไปติดกับความสวยงามของร่างกายยังไม่ชอบชอบร่างกายของคนที่เขาสวยงามยังอยากจะง่วมเสกกางของเขาอยู่แต่พอเห็นว่าเขาเป็นโครลนุกต่อไปก็ไม่อยากจะนอนกับเขาถ้าเกิดคเขาเขาไม่หายใจวันนี้ก็วันนี้ยังจะนอนขอเขาอยู่กัาร่างกายเดียวกันเนี่แต่พอไม่หายใจก็ไม่เอาแล้วใช่ไหม ก็ก็แล้วทำไมตอนทำไมตอนนั้นไม่มันทํำไมตอนนั้นแรงเปลี่ยน่ะถึงจะไม่หายใจแล้วเนี่ยกลัวกลัวเลยเจ้าค่ะถ้าเวลาหายใจไม่กลัวเวลาหายใจน่ากลัวกว่าเลยนะไม่หายใจรู้เปล่าที่เขาทุบตีเราได้เราตอนที่เราหายใจได้แต่ตอนนี้ก็ไม่หายใจแล้วก็ไม่ทุบตีเราแล้ด่าเรายังไงว่าอย่างไงเขาก็ไม่ตอบโต้ละ กลับไปกลัวตอนที่เขาไม่ทําอะไรเราไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ทําอะไรเราได้ก็ไม่กลัวเขาไม่มีสติไม่มีปัญญาโอเคนะหมดหรือยังค่ะหมดแล้วเจ้าค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะโอเคนะลองมันมันหัดตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ค่ะเจ้าค่ะเพราะถ้าไม่ตรงมันจะทุกข์เวลาร่างกายไป็นอะไรมันจะทุกข์มาก โอเคนะค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะเชิญคุณโคพนัะต อ, อบโคพนันก็มาจากภูเก็ตเหมือนกันใช่ไหมโคพนัอ น, นอันนี้อยู่ภูเก็ตและอยู่งเทพอยู่อยู่ขา่าวนรัมศาสตรค่ะอยู่ภูเก็ตค่ะกำลังจะลองใช้ใช้หูฟังเพราะว่าไม่ค่อยจะได้น่าจาอ น, นี้อันนี้ชัดดีเนี่ยเสียงคุณชัดอ๋อเหรอคะข้างนั้นไม่ต้องใช้ก็ได้ ถามไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะเคนคุณเปิดวอลลุล่มให้มันดังสุดแล้วอะค่ ะ, อะโอเคได้ยินไหมล่ะถ้าได้ยินก็โอเคไมได้ยินค่ะว่าเดี๋ยวพ่าจัดคื อ, อมีคำถามสองสามคำถามอะค่ะพอดีแบบวันนี้วันพระก็เวลาใส่บาทนะคะเวลาเอาไปประเคนนะคะ แล้วก็ประเคนกลับก่อนทีนี้ข้าวเนี่ยก็จะตักบาตใส่ใส่พระนะคะทีนี้เราเอ่อก่อนที่จะใส่บาตก็ก็จบข้าวก่อนนะคะทีนี้พอใส่ใส่ข้าวไปที่บาตพระแล้วอะ่ะเราเราข้าวยังเหลืออยู่ะะ่คะแล้วเราเอาเก็บกลับบ้านได้ไหมปะได้เลือกใส่ให้หมดเลยก็ได้เนี้ยแต่คือพอใกล้องสุดท้าก็ตักเอยอะๆเลยแต่ให้มันมดค่ ะ, ะถ้าไม่อยากจะเอากลับบ้าน เขาก็ได้เอาก็แสดงว่าได้บุน้อยหน่อยเพราะแต่ถ้าให้หมดก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ให้เก้าสิบเปอร์ซนหรืออีกสองเอร์เซ็อกลับบ้านก็ได้แค่เก้าสิบแปดโอเคค่ะขใจแล้ะค่ะเพราะว่าจบไปแล้วใช่ไหมคะมนี่ก็อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าอยากจะทราบว่าการทำแบบนี้เป็นการสร้างทบสร้างชาติหรือเปล่าคื อ, อ เพื่อนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนสักเท่าไหร่อะไรเงี้ย่ะแบบเพื่อนแบบไกลๆอะไรเงี้ยพอเขารู้ว่าเราอยู่ภูเก็ตเขาก็ขยันมาหานะหะมาแล้วก็เอาพี่เอาน้องมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เขาก็มาแล้วหนหนึ่งเขาก็พยายามจะมาอีกแบบเขาจะหายเงียบไปแล้วเสร็จแล้วแล้เขาจะมาเขาจะไลน์เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าเขาไลนา์เข้ามาทั้งหมดเ5 ห, หนก็ให้เข้ามา2หนแล้วอ่ะค่ะ นี่พอครั้งที่ห้าเนี่ยเขาไลน์เข้ามาอีกทีนี้ก็เลยไม่ไหวแล้วค่ะขอบล็อกเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่จะจากอันนี้เราจะสร้างภพสร้างชาติหรือเปล่าคะพระอาจารย์ะไม่เราอาจจะสร้างเมียนสร้างกลรมคืออาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับเขาเขาก็จะกลายเป็นศัตรูของเราก็ลองถามมันดูมีทุกข์อะไรไม่ว่าเราแล้วถ้าพูดไปตอบตามความเป็นจริงแปลว่าเราไม่สามารถทาตามที่เขาต้องการได้ ถางันกัดเขาดีกว่าใช่ไหมฮะแต่ถ้าก<ม>็ยังไม่พอใจอยู่ก็ช่วยไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นกรรมของเราที่จะต้องมาเจอเจอคนที่เป็นเวรเป็นกรรมของเราเขาก็มีบ้านอยู่ที่เนี่แ ต, <ม>แต่เขาก็อยากมาอยู่กับกับทํ า, านชอบชอบชอบอยู่บ้านคน่อื่นสบายๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมาแรกๆก็เราก็เกรงใจก็ประเภทแบบต้อนรับขับสู้ดีนะคะก็ไปรับ ส่งเอาพอตอนหลังรับส่งไม่ไหวเพราะเขาต้องไปทํางานอะไรเงี้ยก็เลยเอาเอารถไปขับเลยก็ให้รถเขาไปขับเลยอะไรเงี้ยก็เลยเลยกลายเหมือนกับว่าเขาก็แบบสะดวกสบายอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็บอกเขาว่าเราก็มันก็มีความสามารถที่จะบริการให้เขาได้ทำนี้นะแต่ก็ไปอันบล็อกเขาก่อนใช่ไหมแล้วแต่ว่าไปแล้วบล็อกไปเลยก็ได้รหรนอว่า เรืออ่านล่าก็ได้อยากไปอ่านก็ได้ไหวก็ไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปเปิดข้อความเขาก็ไม่รู้ว่าเราเห็นหรือไม่เห็นได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ดีค่ะอขออีกนิดหนึงค่ะพระอาจารย์กังใจคนอื่น เ, เรื่องวิตกกับวิจารณนะคะคือคําความหมายเนี่ยคําว่าวิตกถ้าถ้าไม่ใช่ทางธรรมะแล้วก็คือวิตกกับคําว่าวิจารณม่ตางกันทางธรรมะกับทางที่เราใช้ต่างกัน มากเลยค่ะสับสนเนี่ยควิตตกวิจาร์เรามันเหมือนว่าวิตต์แปลว่ากังวลนะวิจาร์ก็คิดเรื่อยๆ ก, กับเรื่องนั้นว่าเป็นงั้นอย่างนี้เป็นมายรื่อวิจาร์ควิพากวิจารณ์อย่าที่เราในโซเชียลเนี่ยวิพากวิจาร์เยอะเลยค่ะแต่ในสมาธินี่ท่านหมายถึงตึกกับตรองวิตต์แปล ว, ว่าตึกแล้ว ว, วิจาร์แปลว่าตรอง ก็คือเวลาเราดูลมเนี่ยเจ้าลมเติดฟอมอยู่กับเรื่องลมเนี่ยเดกก็เคยรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าลมกำลังรู้รู้ลมเรียกว่าเด็กแล้วเวลาลมเข้า้็เรียกว่ารตรองรู้ว่าลมเข้าลมออกเขียนว่าตรองนันนี่คือชาติขั้นที่หนึ่งเวลาเริ่มดูวมเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าชาติขั้นที่หนึ่งแล้ดูลมดูว่ามันเข้าหรือว่ามันออก นะรตึกซองอยู่กับเรื่องลงอย่างเดียวไม่เป็นติกตองกับเรื่องอย่างอื่นการบ้านการเมืองเรื่องน้ำท่วมนะอะไรโควิดอะไรไม่เป็นติกตองเกีย่ยวกับเรื่องมันตึกซองอยู่กับเรื่องลงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะพอจิตจะสงบตึกซองมันก็จะหายไปเนือแต่เบรขาเลื้อแต่ความว่างเนื้อแต่สัตว์แล้วเนือแต่อารมณ์เดียวสัตว์แต่ว่ารู้ พอจะเข้าใจไหมพอเวลานั่งสมาธิไม่ต้องไปดูขั้นดูไปดูพ่ามันตอนนี้อยู่ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามมันไม่ต้องไปสนใจนั่งเป็นวิจาร์แล้วเป็นมีการวิจารณ์เรื่องขั้นแล้วห้าวิจาร์ห้าคิดปุ่งแตะให้อยู่กับลมไปให้ติกตออ้องอยู่กับลมอย่างเดียวยังไม่ไปถึงขั้นไหนเลยค่ะพระอาจารย์เ อ, เอาขั้นแรกก่อนเนี่ยให้มันติดตออยู่กับลมอย่างเดียวไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาพอมันเริ่มสงบมันจะเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาพอสุขขึ้นมาแล้วก็จะเป็นก็ต่อไปก็ติดลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตกเขวลงไปนะมันก็จะนิญญญ่งแต่ความว่าตกเโอยวลงมันจกตกจากที่สูงเวลาจิตจะรวมมันจะมันจะตกจากากที่สูงเวลาอย่าไปคาดนั้นดูลงไปเรื่อยๆเดี๋ ย, ยวเวลามันจะลงมันลงเพรามันนิ่งถ้าไปคาดแลมันไม่ลง ว่ามันไม่ได้อยู่กับลมนะมันอยู่กับลมเท่านั้นเดียวเราทําดูนะให้อยู่กับลมไปอย่าไปสนใจกับเวลาที่มาปรากฏขึ้น่ะแล้วเวลาที่ตกเนี่ยแบบตกแบบช้าๆหรือว่าตกเร็วจนตกใจหรือเปล่าคะก็ไม่ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ให้รู้ว่ามันไม่มีปัญหาอะไร<อ>ตกใจก็หนึ่งสติกลับมามันก็ผ่านไปให้รู้เฉยๆไป ตอนนั้นพอมันผ่านไปแล้วมันก็นจะนิ่งเลีสบายมีความสุขล้วถ้าเกิดเวลากําลังตึกตองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเกิดปวดขาอะไรขึ้นมาแล้วพอน่าจะย่าไปสนใจให้ตึกตองไปอยู่กลองอย่างเดียวไว้ให้มันปวดไปเจ็บไปโอเคค่ะมันจะเสียสมาธิถ้าไปยืมกันแล้วนหนึ่งป้ามันจะเสียสมาธิก็นะ เ, รเริ่มต้นใหม่อีกอต้องกลับมาเริ่มใหม่ โอเคนะต่อไปคุณพีซีสองพีซีสองจะยอยู่ที่ไหนินไมโครโฟนได้ไหมอันวิวยังไม่เปิดเลยอ่าพูดดังๆหน่อยอยู่ที่ไหนนะอยู่เซงไหนค่ะ ว่ามามีอะไรมีคำถามไหมสอาจานจาได้ยินคอ่านีน่ได้ยินแล้วได้ยินแล้โอเคเดี๋ยวนะคะเอ่าพูดได้เลยกลาบพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนค่ะอ่ามีคำถามไหมเมื่อกี้ถามว่าอะไรคำถามไม่มีเอ้ยมีคือีคำถามอยู่คำถามหนึ่งที่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่า ตัดพี่ตัดน้องอ่ะคือมันมีเกรณีเดียวกับหูค่ะที่หนดที่ตัดพี่ตัดน้องอะไรแบบเนี้ยคือมันจะบาปไหมแล้วมันจะเป็นเวรกรรมติดตามเราไปถึง อ, อดีตเอไปถึงชาติหน้าหรือเปล่าออค่ะอาจารย์ก็มันก็กเป็นเวรกันเพราะมันเหมือนก็นประกาศเป็นศัตรูแล้วไม่เป็นมิตรกันแล้วเฉยๆไม่ได้แล้วไม่ต้องไปตัดไม่ได้เพื่อ เขาเกิดมาก็เคยอยู่บ้านเดียวกันอะไรเป็นไงก็เขาจะไม่ดีเขาจะชั่วกันเรื่องของเขาแล้วก็เฉยๆไปไม่ดีป่นไม่ต้องไปตัดอะไรกันหรอกเวลาเราไม่เราไม่ต้องไปคุยเขาไม่ต้องไปหาเขาอะไรเขามาแล้วก็หลบไปไปแค่นี้ค่ะค่ะหนูทาวิธีเนี้ยค่ะคือไม่ต้องประกาศไม่ต้องประกาศว่าตัดพี่ตัดน้องตัดอะไรกันหรอกอ๋อเฉยๆไป เฉยๆไปใช่ไหมคะเฉยๆไปแล้วกด็ดูดูดูเหตุการณ์เนื้อท่าอันไหพอจะพูดคุยเขาได้ถ้ารู้สึกว่าเขาอยู่ในช่วงที่คุยกันได้ก็คุยกันถ้าคุยไม่ได้ก็อยากคุยต้องมีความเมตต า, าการตัดที่ตัดน้อานี่เหมือนเดียวมันไม่มีความเมตตาต่อกันอระเจะบอกสัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ไม่ไม่มีข้อยกเว้นเราต้องมีเมตตาทุกคนทั้งคนที่เราชอบและคนที่เราไม่ชอบแต่เราจะไม่ต้องไปทำอะไรถ้าเราอย่างที่ว่าเราทำอะไรกับเขาไม่ได้เราก็เฉยเฉอยู่ห่างกันไปค่ะคือไม่ได้ติดต่อกันเลยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารยก็ถือว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ติดต่อกอันก็นด้ไม่เสียหาย ไม่เสียหายไม่เสียหายแต่ว่าถ้าติดต่อได้ส่งขนมมาให้กินได้ก็ ก, ก็จะดีกลัวเขาจะไม่กินเขาไม่เป็นไรก็ส่งไปเรื่อยๆลองส่งของที่เขาชอบดูถ้าของเขาชอบเขาก็ต้องกินอ๋อค่ะอถ้าเดี๋ยวเขาก็จะเขาก็จะหายโกรธหายเปลี่ยนกันเอาความเมตตาชนะความโกรธ ค่ะพ่ออาจารย์แล้วหนูก็มีอีกข้อหนึ่งที่พ่ออาจารย์บอกว่าปฏิบัติแล้วจิตตกเหวอ่าใช่นะ<ต>แล้วจิตมันจิตสงบมันเหมือนกับมันตกเหวคือ ก, การค่ะ ข, ของอจิตคือการเกิดดับของจิตใช่ไหมคะไม่ไม่จิตไม่ได้ดั บ, บดับกเ้ีงแตจิตมันเปลี่ยนอาการมันจากหลงมาจากที่สูง ไม่เป็นไรละนะมันมีเบาะรองนับอยู่น้องตรงออกมาไม่ไม้นไม่เป็นอะไรไม่เจ็บนะสบาย <c oughs> มีสมาธิลองนับงเย็นสบายอยากจะตกนี้ <c oughs> พอตรงนี้แล้วต่อไปอยากจะตกนี้เรื่อยๆไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วูบวูบวูบนี่คือที่ดับดับดับไม่ใช่ใช่ไหมคะก็ก็วูบสั้นๆก็ได้านกันบางทีก็ตกคือหนู เอาคือวูบขึ้นแล้วเสร็จปุ๊บมันมันดับคือมันเหมือนเราปิดไฟหลับอะค่ะปิดมืดตึ๊กอย่างเงี้ยอันนี้คือใช่มันอยู่ที่เรารู้หรือไม่รู้เการเชื่อว่าแบบไม่รู้ก็สับประหมกอย่างเงี้ยหลับค่ะอ่าถ้ามันแบบว่าไม่มันมันรู้ตัวตลอดเวลาแล้วมันวูบลงไปก็แสดงว่ามันสงบเป็นขั้นขั้นบางทีก็วูบทีละเล็กทีเป็นขั้นขัลงไป มันที่ก็ลองพวดลงไปเลยก็ได้ oh. แต่ต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรเลยมัเริมตายที่เอาพมื่อี้นั่งดับไปววาอาใจนะมีอะไรไหมไม่มีอะไรค่ะอืถ้าเกิดว่าโควิดหายแล้วจะหาเวลาไปกราบพระอาจารย์ค่ะอ่าได้ไม่้ว่ากันค่ะสาธุค่ะ หาทุคุณว่ามีพอรอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะมีคำถามไหมมหีเจ้าค่ะคือว่าคือหนูค่ะคือตามรู้เหมือนแบบอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่ากำลังทำงานหรือแบบว่าอารมณ์มากระทบก็รู้ว่า โกรธแต่พยายามไม่ตามเ ห, เหมือนเหมือนเราไม่ตามอารมณ์ตัวเองที่ที่จะโกรธว่าจะพูดอะไรออกไปแบบเนี้ค่ะแต่ว่าก็รู้อารมณ์ตัวเองอยู่ว่าโกรธแต่ว่ามันน้อยมากเลยอะค่ะก็ต้องยับต้องต้องหยุดมันให้ได้อารมณ์นี้เราต้องคอยหยุดมันโดยเฉพาะอารมณ์ที่ไม่ดีค่ะแล้วก็วกใช้สติหยุดมันใช้พุทโธพุทโธพุทโธเจ้าค่ะ แล้วก็พออารมณ์ที่โกรธหรืออาสิ่งมีที่มากระทบคือหายไปปุ๊บ ก, ก็มีคําสนเสริญเข้ามาอีกหนูก็พยายามฟังอะคะ่ะแต่ว่ามัน<ด>ก็มีดีใจแบบนิดเดียวแต่ก็พยายามจะจะจำไม่ไปตามอารมณ์ที่ดีใจเนะะี้ยค่ะก็ดีก็อย่าไปดีใจมากเกิไปเดี๋ยวเวลามันไม่ได้สรรเสริญมันก็จะทุกขึ้นมาได้ค่ะคือแบบว่าพอเรา่อี้ใเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายกับสรรเสริญนั่นทาร ลืมว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงค่ะแต่ตอนนั้นหนูลืมพิจารณาคือไม่ทันสติไม่ทันว่าทุกอย่างไม่เที่ยงคือกําลังกดอารมณ์อยู่แบบนี้ต่อค่ะก็เวลาก็ฝึกไปเรื่อยๆมันก็มันก็จะทันค่ะแล้วมันก็จะมาพร้อมแบบโกรธมาแล้วความโกรธมาแล้วยินดีมาแล้วแบบเนี้ค่ะพอหายไปปุ๊บอันนี้ต่อเลยอย่าเงี้ยหนูก็พยายามจะให้ทัน แต่ก็พิจารณาแบบที่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ไม่ทันเจ้าค่ะไม่ทันก็ใช้พุโทโธพุโทโธแต่ก็ได้เท่าพุโทโธพุโทโธไปค่ะมีเท่านี้เจ้าค่ ะ, คะพุโทโธคือส ต, สติสตินี่สามารถระงับอารมณ์ได้เวลาที่เราควบคุมแล้วเวลามันจะรู้สึกมันจะรุนแรงก็ใช้สติควบคุมมันได้ดได้ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าหนูติดที่ว่า พอมีอะไรอย่างนี้หนูจะดึงสติมาอยู่ที่กายมืาหนูกําลังทําอะไรอยู่หนูก็จะทําสิ่งนั้นอยู่แบบนี้ได้ไหมคะใช่ได้ได้อยู่ที่กายไปเรื่อยๆแล้วอารมณ์าตามก็จะหายไปความโกรธก็จะหายค่ะมันหนูกําลังทําอะไรอยู่ยนี้ห น, หนูก็ดึงมาที่หนูกําลังทำอยู่เลยใช่กำลังแรงฟันกําลังอะไรนี้กลังทําง า, ทงานต่อออไปก็ไม่สงสัยแล้วคก็ ค่ะอยคอยคอยฝึกไปเรื่อยๆแล้วคอยคอยใช้สติอาใช้สติเวเวลามันมีอารมณ์แล้วเราอยากจะหยุดมันเราก็จะใช้ใช้สติมันได้ค่ะแล้วก็อาจารย์พูดกอนเลยค่ะไม่ไม่มีอะไรครับ คือที่พระจําบอกว่าให้มาที่พุทโทรุทโทเพราะว่าก่อ น, นหน้านี้หนูบริกา ร, รยุบหนอพองหนอใช่ไหมเจ้าคะ่ะแต่ครนหนูลองมาสามสี่ชั่วโมงแล้วติด ต, ต่อกันคือพอนั่งปุ๊บมันก็มาอัตโนมัติเลยะคะ่ะคือมายุบหนอพองหนอได้หรือยุบหนอพองหน่อก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เจ้าค่ะหนูแบบหนูยังติดอยู่ตรงนี้หนู<ม>ยังแบบอาจจะยืดไปยังแต่ว่าเคยใช้อะไรก็ใช้ต่อกันได้ถ้ามันทําให้ใจเราสมงบได้ก็ใช่นะ ขายหนูก็ไม่ผิดใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็อารมณ์อาการแบบที่พระอาจารย์เทศมาบอกมามันก็เข้าจริตหนูตลอดหนูก็ฟังเข้าใจหมดเลยเจ้าค่ะแต่เวลาที่เราไม่ได้นั่งเราก็ใช้พุทโธแทนนึกเหาะผองเหาะก็ไดค่ะมีค่ะมีค่ะมีพุทโธพุทโธบางทีแบบกลัวแบบเพลินอะไรอย่างงี้หนูก็พยายามดึงหมอพุทโธพุทโธแต่มันหนักเข้า่าเงี้ยหนูก็ดึงสติมาอยู่ที่ใจอย่างงี้ยเลยก็ มันดีใจมากเกิดไปก็ดึงมือนกลับมามันเสีย <หา S 1> ใจมากเกิดไปก็ดึมันกลับม า, <ห>าดถูกต้องครับต่อไปนะค่ะ ห, หนูลงอกแล้ว่ะหนวดติดตะเรียนหนูกําลังงงใจอ่ไม่ไม่เป็นไรหรอกเพราะวิธีปฏิบัติมันมีหลายวิธีด้วยกันจริงๆเราไม่เคยใช้ยุ่งเนาะท่องเนาะเราเลยไม่ได้สอนทำนี่เจ้าค่ะหนูก็เพว่าหนูถ้านหนูเปลี่ยนไม่ได้หนูจะ ผิดไหมแต่ <S <S <ช>ว่าหนูฟันะทงที่พระอาจารย์พูดคือหนูเข้าใจหมดเลยแล้วหนูก็ปนะปปเป็นไปตามเด็กที่พระอาจารย์เทศใหม่เอนะคะเรายึมเนาะฮะเราล้วทําให้ใจเราสงบได้แก็ใช้ได้ค่ะแล้วตอนนี้พระอาจารย์ที่สอนกรรมฐานหนูเขาก็สิ้นแล้วหนูก็เลยอยากจะต่อแต่ว่ามาฟังพระอาจารย์คือเขา้าจินหนูมันก็เลยติดตามพระอาจารย์มาตลอดเลยค่ะโอเคเข้าไปในเว็บข้งไปในแฟนเพจดูมีอะไรให้หนูเยอนะแยะค่ะค่ะ ติดตามมาประมาณได้สามเดือนนะ3สามเดือนนะสามเดือนสามเดือนนี่สเดือนนะโอเค่ค่ะเรติดตามไปเรื่อยๆนะมาทำให้หนูครายคายทุกหลายอย่างค่ะเจ้าค่ะคลายตัวเสค่ะสาธุเจ้าค่ะมีทั้งนี้เจ้าค่ะโอเคสาธุไปคุณท่นพลตอคุณท่านนพลเชิญคุกอธารมอนุวัฒการก้าราชกรครับ คุณปูหรือคุณคุณปลาปลาคุณปลาครับก็วันนี้ก็มาฟังธรรมอ่ะครับแต่ว่าพอสักคู่นี้ได้ฟังอท่านอื่นที่พูดถึงเรื่องว่าความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างภาวนาฮะแล้วก็เลยจริงๆตรงนี้มันก็บางทีที่เราปล่อยไปเนี่ยบางทีเหมือนเสียดายครับอาจารย์เพราะไอความคิดบางทีขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเป็นเรื่องเรื่องธรรมเรื่องกุศลเนี่ยไอ มันก็เลยรู้สึกเสียดายเหมือนกันแต่ว่าหลังๆนี้เราก็รู้ทางเขาแล้วครับว่าก็เราปล่อยไหลมันจะมันจะไม่จบอครับมันก็จะไหลไปรื่นไก็เลยดึงก็ก็กลับมาก็กลับมากลับมาหาสติก็กลับมาเราหมอยู่ก็ก็โอเคมันก็ความกระจ่างก็อย่างมันก็มีมากขึ้นเนยครับอย่างที่เคยกลับเรียนร้อยอาจารย์ไว้ครับมีคําถามอะไรไหยไม่มีใช่ครับไม่มี นีงก็ไ ป, ไปที่ท่านต่อไปนะใช่ไหมคุณหมอเชิญคุณหมอผมอให้คุณแม่ถามนะครชินะคุณแม่อาจารย์ค่มค ะ, ะมีอะไรไหมถามก็อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์ว่าปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติติดต่อกัน ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ทีนี้พอนั่งสมาธิแล้วมันมันความคิดมันมาอยู่เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แต่ก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยแต่ถ้าไปนั่งกับเพื่อนๆเนี่ยจะจะนั่งง่ายแต่ถ้าคนเดียวเนี่ยมันมันชอบชิดค่ะพระอาจารย์ครก็ต้องนั่งแล้วต้องดูลงแล้วต้องพูดโธพูดโทไปอย่างนั่งเฉยๆก็ค่ะถ้านั่งเฉยๆมันก็จะคิดเรืเ่อยๆไปไม่มีว่า ต้องเราใช้นั่งท่องพุทโธพุทโธไปหรือเบื้องต้นก็ลองสวดอิติปิโสไปหล้ยๆจบก่อนสวดไปยจนกว่ารู้รู้เสร็วความคิดมันอยู่ชิดแล้วก็มาดูองต่อค่ะพระอาจารย์สวดสวดอิติปิโสนี่ถ้าถ้านอนสวดนี่ได้นะคะพระอาจารย์ก็ได้แต่มันจะหลับถ้าค่ะคือคืออยากสวดให้หลับพระอาจารย์เพราะว่าได้ก็สวดไปเรื่อยๆแล้ก็หลับเลย หลับยากดังนั้นเวลานัง่งสมาธินี่ก็ไม่ควรจะนอนควรจะอยู่ในท่า น, านั่งถ้าทําสมาธิแต่ถ้าจะนอนก็สวดได้สวดแล้เดี๋ยวมันก็จะหลับง่ายจะค่ะอยา่าไปอยากหลับในเะวลาจะหลับนี่อยา่าไปอยากหลับยี่งอยากหลับมันยิ่งไม่หลับกนะ็ท<ช>ําำยาับทําไปไม่รู้ไม่มชี้ไปสวดวนไปเรื่อยๆ มันยังไม่หลับก็สวดไปเรื่อๆยๆเแล้วมันก็หลับนีหรือพุโทโธไเรื่อยๆก็ได้เรือดูลงไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเวลานั่งจะมาที่เนี่ยจะนั่งไม่ได้นานค่ะพระอาจารย์มันมันมันมีแต่ความคิดแล้วก็แวบไปแล้วก็ปัดออกเอาใหม่เอาใหม่อยู่อย่างนั้นน่ะก็ต้องใช้การสวดไปก่อนแสดงว่าสติเรามีกําลังน้อยต้องอาใชยการสวดเป็นตัวเสริมสติขึ้นมา เจ้าค่ะสนสวดไปนเนี่ยเรารู้สึกว่าใจมันเบามันเย็นมันไม่คิดแล้วเราค่อยมาดูลงต่อเจ้าค่ะแล้วแล้วสวดอิสิปิสโสนี่พระอาจารย์ถ้าเราสวดแบบย่อดนี่ได้ไหยคะได้แบบย่อแบบยาวได้ใช่ไหมคนนบแต่เราจะสวดโดยการแค่พุรทโธธรรมโมสังโฆแค่นี้ก็ได้หานคำนี้ก็ได้แล้ ว, ลวต้องทําทุกทุกวันทุก เวลาเดียวกันหรือเปล่าคะอาจารย์คะไม่จําเป็นอะเวลาไหนที่เราสะดวกเวล่อ่เราก็ทําได้เขา เ, เ, เข้าใจแล้วค่ะเนื่อโยมเข้าใจว่าต้องทําประจําถึงเวลาแต่บางครั้งเราติดธุระหรือเรา <S <S อะไรมันตกเวลาถ้าเรืมันเป็นที่วัดเขาต้องมีเวลาเขาเลยตั้งเวลาไว้เออเวลานี้ต้องไปมาสวดมนต์กันนะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนี่เราจะสวดเวลาไหนเราสะดวกเมือ่อไหร่เรา ก, ก็สวดวั น, นั้นนั่งวันั้นได้ ไม่ใช่แต่ไมนควรจะมีกําหนดเวลาไว้บ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมองไม่มีเวลาเลยทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาแต่มันก็ยังไม่ได้นะา <c oughs> ตั้งท่านพูดแต่ก่อนอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเอ่าเป็นคนที่โมโหง่ายแต่พอโมโหขึ้นมาพอพออารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ทึงนึกได้อย่างเงี้ยเหมือนอย่างอารวาสเลยพอแว บ, บขึ้นเราบางทีก็แต่ก่อนเนี่ย โมโหง่ายตอนนี้ก็พอแว บ, บขึ้นมาโมโหแล้วก็นึกได้แต่ทีนี้มันคว้าไม่ทันแล้วค่ะวาจารั์ก็ไม่เวลาอย่างนั้นพอเรารู้แล้วมันก็จะได้ไม่กระจายออกมาทางกิเลสให้มันอยู่ในใจเลยอย่าปลายมันออกมาทางวาจารหรือทางกายกระทาั่ะถ้ามันยังไม่หยุดก็พุทท่องพุโทโธไปก็ดได้พุทโธทัพเนี่ยก็<ม>้าไปกิคือถ้าไม่อยากให้ถ้าไม่อยากให้เกิดอะความ การตรวจขึ้นมาก็อย่าไปหวังอะไรจากใครแล้วจะไม่โกรธที่เราตรวจเพราะว่าเราผิดหวังอือค่ะเจ้าค่ะอยากไปหวังอะไรจากใครและะ้วจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยโกรธใครถ้าไม่หวังไม้ก็ทาอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เป็นอย่างที่เราหวังแล้วก็โกรธแ อ, อ, <laughs> อนถามพาิจันต์ไหมา ม, ามาถามโอกาสได้ถามน้อยนะเรา ตามสบายในกาถาได้พ่อเจ้าค่ะหนูหนูเมื่อกี้หนูฟังพี่เขาหลงพ่อเทศเรื่องเรื่องชานชานหนึ่งเจ้าค่ะวิจาวิจารหนูหนูหนูหนูก็เลยสงสัยว่าชานหนึ่งวิจารวิจารก็คือไปได้เรื่อยเจ้าค่ะแต่อุเบกหายังไม่ไม่มีน่าจะเป็นชานสี่น๋อค่ะ มันเป็นเกียมันขับรถมันมันเเกียร์หนึ่งค่ะแล้วก็เข้าเกียร์สองเข้าเกียร์สามเขาเกียร์สิบอ๋อหนูหนูเคยเคยวิตกวิจารณไปชั้นหนึ่งแต่หนูหนูเรียกไม่เป็นหรอจกจ้าค่ะนั่งไปเรื่อยๆแบบไ ม, ไม่ไม่มีความรู้แล้วมาถึงตรงปิติปิติแบบคนลุกสู้อะไรเงี้ยเจ้ า, า, จาค่ะแล้วก็เอ่อสักพักมันก็หลับไปเลยเจค่ะอ่บอดชะเตะไม่ต้ับอะไรก็บอดชะเตะ <laughs> เหมือนมกัน <isto> ต้องเข้าเข้าชานสี่ใช่ไหมคะมนไปเข้าถ้าเห็มน้มันมันนวดน้ำมันหมดมันไปไม่ถึงชานสีไม่ถึงเกียร์สี่น้ามันหมดหอนวดมันก็จบแต่ว่าเข้าถึงชานสามได้พูดถึงนะเจ้าค่ะวันหมดสติทุกครั้งแล้วก็หลับเลยเราไมหนั่งที่มันน่ากลัวดูมันจะได้นแ่นแน่น ทำในตาช้านรือแมที่มันน่ากลัวนยัจะมันจะไม่ค่อยหับเท่าไหร่จมันจะดี้าอ๋อมาม่าถามอีกเจ้าค่ะเรียนถามอาจารย์ว่าชอบเวลานอนอ่ะชอบชอบฝันแบบอาจารย์ฝันแบบบางทีฝันร้ายแล้วก็ฝันบ่อยแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นฝัน ฝันได้ก็ฝันได้เพราะเราทำบาปมาไว้มันเลยโผล่มาในฝันแล้วนอนบางทีแบบเหมือนเหมือนเราถลายตกลงที่สูงๆอย่างนี้จนสะดุ้งแล้วก็ตื่นแล้วทีนี้ก็แบบก็สวดสวดมนต์ต่อแล้วถ้ามันไหลถ้ามันต่อมาอย่างที่สูงก็เหมือนแสดงว่าจิตมันจะสงบมันจะนิ่งมันก็จะแสดงอาการอย่างนั้นขึ้นมาก่อนมันก็จะหยุดฝัน ถ้ามันถ้ามันมันเหมือนตกลงมาจที่สูงก็ปล่อยมันตกลงไปแล้นเดี๋ยวมันก็หลับมันก็จะหยุดฝันยังไม่ฝันต่อจะไม่ฝันต่ออ่าฝันเห็นเอพระราชินีรัชการที่เก้าอ่ะพอาจารย์อืได้ประมาณสิบวันแล้วทกานจะฝันดีท่านฝันดีพระเจ้าฝันดีบ้านอย่างนี้ค่ะอืฝันดีแสดงว่าเราได้ทําบุญกับท่านมาจิตมองเราเลยมันเลืถึงท่านอย่เนื่อง ท่านบอกว่าท่านบอกว่าขอน้าน้าน้ำน้าชาใส่น้ำแข็งหน่อยแล้วก็หาร้านให้แล้วก็แบบขอน้ำสองแก้วก็หาให้ท่านก็เดินเหมือนไม่มีใครด้วยเลยค่ะเขาท่านเนี่ยเลือกเราแค่นั้นเดินตามไปสองคนอก็อย่ายไปเอาเอาอะไรกับความฝัญญนนะครับคจะคิดว่าเป็นเหมือนดูภาพยนต์ไป่แล้วกันคโอเคไหมคนอื่นได้ถามค่ะโอเคค่ ะ, เ, คคะเว้ย ขอบคุณหลวงพ่อจ้ะค่ะหมดคำถาหมดแล้วนะค่ะขอบคุณค่ะถ้าหมอยังฝันอยู่อ่ะไม่แล้วจ้ะค่ะไม่แล้วเหถ้ามันถ้ามันจะฝันก็เป็นจังนาเป็นน้ำตาไปแล้วกันห้ามมันไม่ได้ฝันจะเรียกเก่าฝันคือฝันฝันที่เรียนหลวงพ่อเก่าเรียนหลวงพ่อไปสามรอบพอก่าเรียนหลวงพ่อไปก่อนก่อนก่อนหลวงพ่อจะตอบคืนนั้นจะฝันว่าหนูได้สร้าง ป้อมป้อมช่วยคนไว้จํานวนมากแล้วก็ศัตรูที่จะเข้ามาเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วก็ค่ะหมายถึงว่าเราเราเราตัวอย่างดีแล้วเจ้าค่ะปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเจ้ค่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งฝันเรื่องเรื่องอันนี้เลยค่ะมาทดสอบเลยค่ะเรื่องทดสอบเอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเรีอ่องอาซูพามาทดสอบเลยค่ะแต่ก็ในฝันก็ยัง ยังไม่ตั้งต speak ัวแพ้อยู่เจ้าค่ะก็เดี๋ยวฝึกใหม่เจ้าค่ะอ่าการหลวงพ่อเท่านี้เจ้าค่ะพะท่านขอบคุณเจ้าค่ะอาปเจนค่ะคุณสุภาธนาจากบอเมนเจ้าพระช้ามาใส่บาตนะมามาวัดนะคะอาจารย์ก็เอ่อตอนนี้กำลังเพียนเพียนเรื่องสติแล้วก็เรื่องสมาธิ ที่สงสารที่สงสัยเรื่องวิตกวิจารย์โยมโครโคกคนนั้นถามพระอาจารย์ได้ได้รับคําตอบแล้วจ้ะคะตอนแรกตอนแรกเข้าใจว่าความคิดคือเป็นวิตกวิจารณ์จ้ะคะพะอาจารย์ก็คือพุทโธพุทโธคิดเรื่องหลงเงินไม่กับวิจารย์แต่คิดอยู่เรื่องเดียวแม่ไม่ไปคิดเป็นหลายเรื่องคิดอยู่เรื่องเดียวเจ้าค่ะ ก็เข้าใจใหม่ว่าให้ให้ดูดูเร like, ื ito, ่องไม่ไม hmm. uh, okay. okay. ่ไม yeah. okay. ่ดูลมก็พุทโธพุทโธเพื the <the ่อให้มีสติแล้วก็มีสมาธิเกิดขึ้นคะอาจารย์ใช่แล้วเ่มันก็จะค่อยสมองไปเรื่อยเรื่องเกิดปิกิเกิดสุขเกิดเบิขาตามมต่อไปเจ้าค่ะวันนี้มีมีเรื่องสนสัยเท่านี้เจ้าค่ะอาจารย์โอเคอาหารอนุทวีตจะก็จะมอง กรรมนักประการพระอาจารย์ครับนะนี่มาเข้าฟังธรรมครับมงานเยอะไหมงานเยอะอยู่นะเยอะครับก็พยายามยังเงีเง้ยเยอะครับงานเยอะช่วงนี้ก็โควิดมันเบาลงก็ใครก็เริ่มกลับมาตรวจเยอะขึ้นกลับมามแต่การจะเริ่มกลับมาทำนะอันนี้โควิดก็ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนแล้วตอนนี้ ก็ยังอยู่ในเกณ์ควบคุมได้ครับเหมือนเหมือน ER เตียงที่ ER อะไรก็ก็ไม่ค่อยมีเคสโควิดนะมีอยู่สมยัยก่อนที่แบบบางทีรอกัน4ี่0ิห้าสิบคนมาทุกวันทุกวันมันเตียงไม่พ<ะ>ออาศัยจะมีวัคซีนแล้วมันเลรับปริมาณคนป่วยได้เยอะนะครับส่วนหนึ่งครับแต่เหมือนตัวโลกมันก็เหมือนจับลงคุยพอดีมันจับไปชกับพืนที่อินโดที่อะไรเขาก็เหมือนจะที่้ก็ลง ทั้งทีวัคซีนก็ยังจะปริมาณไม่ถึงเพราะมันเป็นไซเข้าของมันมันจะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยครับใช่ครับ่ะวดแรงไปเหมือนพายุใช่ครับใช่ครับแล้วลูกใหม่ก็เข้ามาใหม่ครับครับใช่ครับเเตรียมตัวเตรียมใจของเราสวัสดีครับแเราเตรียมวัคซีนเตรียมอะไรไว้มันก็ช่วยตามการพอสมควรนะใช่ครับเพราะว่าเห็นที่อื่นเขาก็สิงคโปร์เขาก็ระบาดแต่ว่าเคสที่ตายอะไรก็ไม่ค่อยเยอะ เข้าระบบบัตรไม่เย็ดครับนี่มีคําถามอยูคําถามนึงไม่เข้าใจคือคือการฉีดวัคซีนนี้ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อใช่ไหมมันลดลดการติดเชื้อครับแต่ลดอัตราการตายลดการตายเพราะว่าอัตราการป่วยไม่รุนแรงไม่ตายใช่ครับใช่แต่ยังติดเชื้อได้ยังแพร่เชื้อให้ผู้นได้ได้อยู่ใช่ครับแล้วทำยังไงถึงไม่ให้มันแพร่ก็ต้องใช้หน้ากากเนี่ยนะ ใช่ครับเราต้องใช้ใช้กนรากาศแล้วก็ป้องกันด้วยอนาคตคงกลายเป็นโรคประจําถิ่นมันเป็นหวัดทั่วไปแต่ว่ามันเป็นหวัดที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนมันก็เลยเสียชีวิตกันเยอะร่านกายก็จะมีภูมต้านมันได้ใช่ครับพอมีวัคซีนจะมีภูมิโอการเสียชีวิตอะไรก็ลดลงมันก็จะต้องฉีดทุกอีเลยไปก่อถ้ามันยังระบาดผมคิดว่าคงปีหลักสไมแทนมันก็เปลี่ยนสเตรนเปลี่ยนอะไรไปเลยแต่ว่า อวน่ากลัวถ้าเราเคยพอเรามีูมิกันเยอะๆปีวัคซีนเยอะๆมันก็จะมันก็จะไม่ไม่รุนแรงไม่รุนแรงใช่ครับเป็นใค่วัดธรรมดาขค่วัดมันไค่วัดธรรมดาใช่จะไขวัดที่สมัยก่อนที่พวกซาที่อะไรปัจจุบันก็เป็นไขวัดตัวใหญ่โอเคครบคนรับเรื่องเลยนครับแล้วก็เรอยนรู้ท่จะได้จะได้รับทราบด้วยครับมีคาถามอะไรไหมคุณหมอ ไม่มีครับผมก็พยายามปฏิบัติทา้งที่ปฏิบัติไดเดี๋ยวช่วงตุลากรตุลาได้วผมมีโอกาสได้ไปวัดครับได้ขับใจให้บอกกันอยู่เรื่อยๆนะไม่วาจะอยู่ที่ไหนวิทยาบทใจก็พยายามควบคุมใจไว้ครับขอบคุณอากรับไปดิกลงสวรรค์ทองนะสวรรค์ทองยังไงสวรรค์ทองได้ยินไหมฝันไหมฝัน ได้ยินครับอาจารย์อยู่ที่ไหนอบ้านอยู่กรสินครับผมอยู่มหาลัยกรสินครับอาจารย์เนาะเป็นเจ้าที่ครับผมเจ้าที่ครับมีข่าวอะไรไหมก็มีปัญเอามีเรื่องอยากกราบเรียนถามอาจารย์อยู่ครับผมจะฝึกสติอยู่ครับอเออเจริญเดินโงกมอยู่วันละสองสามชั่วโมงนี่นะครับแต่ว่าเมื่อก่อนจิตจะสงบเร็วนะครับแต่ว่า ช่วงหลังนี้เข้าสมาธิไม่ได้ครับรู้สึกเป็นทุกข์กับการเข้าสมาธิไม่ได้ครับพระอาจารย์สติไม่ดีแล้วก็พยายามเข้ายิ่งมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ครับงยอมนะว่าสติเราไม่ค่อยดีมันถึงเข้าไม่ได้พยายามพยายามเข้าให้อยากให้มีสติมากๆดีกวาด้วยการพยายามฝันเจริญสติไปเรื่อยๆฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครับผมออ ถ้าสติดีมันก็เข้าได้ถ้าสติมันไม่ดีกำลังมันน้อยมันก็เข้าไม่ได้ควรทีจ<ะ>ร่จะควรที่จะเจริญสติไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมครับได้ตลอดเวลานะเวลาเวลานั่งไม่ไม่นั่งก็เรามีสติอยู่เรื่อยๆเราอยากก่าไปอยากอยากอยากไปอยากให้มันสงบให้มีสติไปถ้าเวลานั่งแ็มีลมไปแล้วพุทโธไปไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะสงบหรือไม่สงบ ส okay. าธุครับมีเร okay. ื่องกับเรียนถามเท่านี้ก่อนครับโอเคสาธุไปที่คุณสภัตาต่อจาก Dallas, ท e x ซักลับน้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอบรมเตือนสติด no ูกยด้้วยค่ะเมื่อวานหลุดไปหน่อยลูกมักจะทุกเวลาแบบถึงเวลานั่งสมาธิเราไม่ได้นั่งอ่ะเจ้าค่ะก็รู้ว่ามันมันไม่ได้นั่งเอไวเลยนั่งก็ ก็เราสามารถที่ทำย้อนหลังได้มันมันเหตุการณ์มันบอก ม, มันมันหลายมันหลายครั้งอะเจ้าค่ะตอนแรกก็โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจนกระทั่งแบบเมื่อวานแบบทำไมมันเกิดขึ้นหลายครั้งต่อนเนื่องไม่ได้นั่งสักทีกันเลยแบบเมื่อวานหลุดเจ้ <c oughs> เาค่ะเราต้องดัดชั้นหนาเลยนั่นคือทุกครั้งที่ขาดก็ต้องต้องทําย้อนหลังทําชุดใช้เหมือนมันหยุดชดเฉย ถ้าเมือันนี้ไม่ได้ทำวันนี้ก็ต้องทําเบิ้ลไปเจ้าค่ะจ้าค่ะเจ้าค่ะมันเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกเทคนิคดีลูกคิดว่าเออใช่เนาะทําไมเราไม่ได้เลยตรงนั้นเออทําแทนได้นี่นาไม่เห็นต้องไปมโหเลยอ่าใช่ใช่จ้าค่ะเออทำไมเราไปโ ม, ปมโหคือแบบมันมีเหตุการณ์เข้ามาตลอดอะ่ะเจ้าค่ะก็แล้วก็สามีนะละคะ่ะก็เลยทําให้แบบ ทําให้แบบเออไม่ได้นั่งอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเมื่อวานกันเลยแบบหลุดไปชั่วโมงหนึ่งไปไปโต้เถียงกันชั่วโมงหนึ่งอะเจ้าค่ะลูกก็เลยแบบอ้าวพอเราไปอยากนั่งไปตอนนั้นถ้าไม่ได้นั่งเราก็เลยโกรกขึ้นมะใช่เจ้าค่ะทีน่นี้ใช่แล้เทคนิคนี้ดีนึได้แล้วเจ้าค่างั้นถ้าสมมุติไม่ได้ก็ไปวันอื่นก็ได้<ช>นะ้ะไม่เห็นต<ด>้องโมโหเลยค เรื่องมันเดียวกันก็ได้เรื่องเวลาไปทั้หน่อยก็ได้เวลาไปชั่วโมงสอชั่วโมงแล้วพอว่างก็มาทับต่อก็ได้เราค่ะเลยเลยเมื่อวานเลยโทรสาวเลยเลยหลุดออกมาพอควรแต่ว่าก็ก็แบบมันเสียด้คือแบบมันไม่มันเอวาระเราก็ออกไปอะไรเงี้ยวันนี้ลูกก็เลยทําโทษตัวเองอดอาหารวันนี้ลูกจะอดอาหารนะคะก็ดูดัดกิเลสไปขอให้วันต้องมีมาตรการแจ้งแก้เหมือนว่า เจ้ค่ะวันนี้ก็เลยแบบเมื่อคืนก็เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอดอาหารแล้วดูซิมันมันมันโทรศัพท์มันเยอะนะใช่ไหมก็จะวันนี้แต่ว่าจะดื่มนะคะจะดื่มดื่มน้ำไ ด, ด้ดื่มน้ำกได้ดื่มอะไได้ค่ะแต่ว่าอาหารจะจ ะ, จะพยายวันนี้จะดูซิว่ามันจะมันจะดัดมันได้ไหมจะเอาให้มันลาบเหมือนกนันแต่ว่าเทคนิคของพระอาจารย์ลูกจะใช้ในครั้งต่อไปแล้วเจ้จะคิดว่าเออเนอะวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรหรือถ้านั้นก็ทดทด แล้วเจออาจะบันถ้าหน่อยก็ได้่งั่นค่ะโอ้ยคิดไม่เป็นขอบคุณเจ้าค่ะท้ายแล้วเจ้า่าได้เทคนิคแล้วเจ้าค่ะแต่วันนี้อดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้นั่งเพิ่มจากเมื่อวานแล้วค่ะชุดเชยทำชดเชยน้าขอบขอบคุณเจ้าค่ะสาธุจ้าค่ะเบต้าจริงๆเจ้าค่ะขอบคุณนะคะมีทันนี่นะ ตอนนี้เจ้าค่ะแต่ยขามีโทรสารเนี่ยเจ้าค่ะคิดว่าถ้าดัดมันได้มันเบาหน่อยก็ก็ต้องตรงนี้ยเรื่องสมาธิอะเจ้าค่ะต้องลดความอยากตรงอย่าไปอยากอยา ก, อยากทําตามเวลาพอไม่ได้ทำก็โกรธใช่เลยเจ้าค่ะใช่เลยค่ะทำใจะะทำใจแบบ flexible หน่อนะตอนนี้ไม่ได้ก็อตอนหนึ่งก็ได้ ก็นั่งแล้วมันนั่งแล้วมันมันมันต่างมันในความสุขมันก็เลยอยากนั่งทบวร์ไม่นั่งวหนกันเลยมันก็เจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วมันหลายวันทบหลายวันมันก็เลยดับเบิลไปเลยเจ้าค่ะความโกรธมันก็เลยเยอะไปหน่อยเจ้าค่ะมันไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีเจ้าค่ะลูกรู้จะนําเทคนิคไปใช้เจ้าค่ะขอขอบก็คืนเจ้าค่ะขับก็าืการปฏิบัติมันจะสอนเราหนึ่งว่าเราผิดตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะได้หา หาวิธีมาแก้มันเป็นจุนี้เดี๋ยวมันก็มีจุดใหม่มาโผล่เรื่อยกิเลนมันมีช่องโผลมารลายหลายแบบพอเราปิดตัวนี้เดี๋ยวมันมาโผลมาอีกต้องปิดช่องหนึ่งั้นก็ค่อยคอยแก้ไปเรื่อยๆถ้างั้นก็ไม่พลาดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าสมมติแล้วก็ลงโทษแล้วก็คือหาวิธีแก้แก้แก้แบบนี้ใช่ไหมคะคือเราไม่ทันเกมันพูดยังไงใช่ใช่ มันเล่นฟุตบอลอ่ะ เ, เราไม่ทันครับเพาเรายิงใส่ประตูเราอออเยิงแล้วพะยิงไปแล้วก็คอยแก้ลูกก็สงบมาหลายครั้งจนสามีก็เออเฮ้ยบอกเออเราไม่โวยวายไม่โมโหเขาก็เห็นนะคะว่าเปลี่ยนหลายครั้งแต่เมื่อวานมันหลายครั้งจนมันไม่ทันเกมจริงๆด้วยค่ะถล่าใจ<ๆ>ไปหน่อยท่าอนมันาตอนที่เราเผลออืตอนที่เราตั้งตัวนี่มันไม่มาะ พอเราชะล้างใจคิดว่าเก่งเรื่องนี้มันมาตอนตอนนี้เขากําลังทําก๋วยเตี๋ยวไว้ให้แต่บอกเขาแล้วว่าวันนี้วันนี้ไม่กินวันนี้จะไม่กินดูสิเดจ้าเสียใจก็ว่าเลยค่ะว่าแต่อตอบอกเขาไม่ค่ะแต่อ บ, อตอบอกเขาแล้วค่ะว่าขอดัดดัดสันดานตัวเองถ้าถ้ายังหัะ <ừ> ถ้ายังคุมความโกรธตัวเองไม่ได้ก็ก็คงต้องบแบบนี้ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ มัน<ด>อยากเป็นคนดีอ่ะเจ้าค่ะ<ด>อยากเป็นอยากรักษาใจอยากให้มีจิตใจที่ดีขึ้นนะเจ้าค่ะอันไหนที่เราไม่ดีก็ปรับนะ้าค่ะเ <c oughs> จะแก้ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะไม่ไม่ไม่อย่างงี้นะเจ้าค่ะถ้ามีมีอะไรเข้ามาก็ก็ปรับปรับปรับอย่างนี้นะเจ้าค่ะไปเรื่อยๆไ ป, ไปอย่าไปอย่าไปโกรธตัวเองนะต้องคิดว่าสีเท้ายังรู้พลาด น, นักป่านยังรู้พลาดเนโอ้สบายใจขึ้นเยอะ เราเป็นคน2เท้ามีเกิียดเต็มตัวมันก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะจะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆล้มลุกคู่คานแบบนี้ไม่ต้องโกรธตัวเองไม่ต้องโกรธคนอื่นไม่แก้ปัญหาไในปัญญากราบขอบพระคุณจ้วค่ะค่ะกราบคุณคุณตาเมื่อกี้เห็นพินพิดาไม่ยังหิวรึเปล่าเพื่อนพิดากราบธรรมชาติค่ะ อา จ, าจารยจกเวียจีนเนี่ยมาวันนี้หนูไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย<อ>์มีเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วที่หนูเข้าไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ในภาคภาษาอังกฤษนะคะเกี่กับเพื่อนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายะคะ่ะ<อ>ก็ก็ได้เปิดที่พระอาจารย์เทศสอนวันนั้นให้เขาฟังตั้งแต่ตอนที่เข้ามากราบเรียนถามมาคะ่ะแล้วก็เขาเสียแล้วค่ะเมื่ออาทิตย์เนี้ยคะ่ะก็ก่อนที่เขาจะไปสักสองสมวันก็ยังเปิดทํามาที่พระอาจารย์เมตตาให้คําแนะนําให้เขาฟังอะค่ะ ม่มีอะไรค่ะที่าคนจะช่วยให้ใจเขาสงบได้บ้างนะค่ะเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเขาเข้าใจค่ ะ, ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ไม่กลัวไม่กังวลค่ะความจริงความตายก็เป็นเหมือนกับการนอนหลับท่านนึงค่ะเป็นการเปลี่ยนร่างพอาตื่นขึ้นมาทีก็ได้ร่างกายอันใหม่ข้าลมาจากท้องแม่อแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่ เวลาตายก็ไปอยู่ในโลกของความฝันฝันดีฝันเชื่อแล้อยู่ที่ที่บาปเราทำไว้พอ ห, <า>หยุดฝันแล้วก็เราก็ไปอยู่ในท้องแม่ะแล้วเดี๋ยวก้าวหนึ่งแล้วก็เตืน่นขึ้นมาค่ะพระอาจารมันไม่มีใครตายร่างกายก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟมันก็กลับขึบ้นสู่สภาพเดิมของมันกลับสู่ต้นทางของมันมันมารวมกันเป็นอาการ32 แล้วเดียถึงเวลามันก็ต้องแยกจากกันไปใจก็ไปตามไปสู่โลกทิศก็คือไปสู่โลกของความฝันฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันได้ก็เป็นอบายพอหมดฝันก็พอฝันหมดก็มาตื่นมาตื่นในท้องแม่มาออกจากท้องแม่ก็ตื่นขึ้นมาเริ่มเริ่มรอบใหม่เริ่มรอบเกิดแก่เจ็บตายมาเนี่ยเราเวียนว่าตายเกิดอย่างนี้มาไม่รู้จัก กี่แสนล้านรอบนะเราต้อง่วงมีมาเจอพระพุทธเจ้าที่สามารถหยุดได้แล้วหยุดเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วมาปฏิบัติธรรมกันมาตัดความโลภโกรธหนอนกันนะอ่าทีนี้ก่อนนะี้มีอะไรหมค่ะไม่มีแล้วค่ะแขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะคุณสุภาพรเชิญ <c oughs> กับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์ได้ยินอะไรยังคะได้ยินชัดเจนชัดเจนค่ะคราวที่แล้วอะค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าให้ไปไปเจริญสติให้มันต่อเนื่องอะค่ะก็ไปพยายามเท่าที่เท่าที่แบบพอพอนึ่งขึ้นได้ก็พยายามพยายามมีสติอะค่ะแล้วก็ เห็นความแตกต่างค่ะเห็นความแตกต่างของการที่เจริญสติต่อเนื่องกับไม่ค่อยได้เจริญนะคะถ้าเราไม่เจริญเนี่ยมันจะเหมือนมันจะดีคือสติเรามามันจะมาช้าหลังจากที่ทุกมันไปแล้วอ่ะค่ะอื mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าเราอาเรามีสติแบบพร้อมตลอดเวลาคือ mm hmm. เหมือนเหมือนพร้อมอ่ะค่ะก็ เออมันจะเห็นเลยค่ะว่าเราเห็นเพ๊บพอพอจิตเราเห็นปึ๊บเราสติเรามาพร้อมก่อนที่มันจะคิดอะค่ะพ้าตารมันก็โยกไปมันจะเห็นว่ามันมันประจันหน้ากันเลยอะค่ะอืมแล้วแล้วอารมณ์มันมันไม่ขึ้นอะค่ะอารมณ์มันไม่เกิดใช่ถูกต้องนั่ค่ะค่ะแล้ประโยชน์ของการมีสติเป็นยังไงเนี้ยค่ะมันเหมือนกับมันแพงกระจกอยู่เลยค่ะว่า เราหนูก็นั่งดูมอนะเอ๊ะทำไมมันไม่คือถ้าเรื่องแบบนี้แบบเราเห็นปุ๊บเราปรากฏปุ๊บจริงๆอะอารมณ์มันต้องมาแล้วอะค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าเราพร้อมอยู่อะค่ะพอเราพร้อมอยู่ปุ๊บอ่าคือมันมันไม่ขึ้นมาเลยค่ะมันไม่ปรากฏขึ้นมาเลยทีนี้หนูก็เอ๊ะเหมือนประจันหน้ากันอยู่สักระยะหนึ่งเอ๊ะทาไมมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเอ่อมันไม่ขึ้นละล่ะก็เลยพอจังพอหลัง พอเห็นมันหยุดไปแล้วพอ พ, อ, พอมันไม่ปรากฏแล้วก็เลยริบรีบพิจารณาค่ะว่าเอออันนี้มันเราต้องเราต้องพิจารณาหรือเปล่าคะไม่ต้องพิจารณาก็รู้ครับไม่ไปรากฏแสดงว่าอำนาจของสติเราคุมมันได้เออต้องสอนสอนสติสอนใจว่ายยย อ, อย่าเผลอสติกแล้วกันญย่าชนะล่าใจแล้วพยายามั่นเจริญสติต่อไปพราเดี๋ยวเราชนะใจเราไม่เจริญเอย่ามันก็กลับมาใ เพราะสตินี่มันไม่นด้เป็นของถาวรมันยังมันยังมีขึ้นมีลงได้ออนอกจากว่ามันอยู่ในขั้นกับมหาสติมาปัญญา น, นี่ตอนนั้นมันจะไม่ค่อยหายเลยสติมันจะต่อเนื่องตลอดเวลาค่ะค่ะหนูก็เลยเพิ่งเพิ่งรู้สึกตัวค่ะว่าเออที่ผ่านมาหนูไม่ค่อยได้จเจริญให้มันต่อเนื่องะค่ะพระอาจารย์ นั่นแหละส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นการปฏิกาปฏิบัติยังไม่เห็นคุณค่าของสติแต่พอเริ่มเป็นคุณค่าสติเมื่อไหร่นี้จะไม่ปล่อยค<ต>่ะใช่เลยค่ะคือรู้ได้แต่ว่ามันก็มันไม่สามารถทําได้ตลอดนะคะพระอาจารย์มันจะมันได้เพราะว่าเรามันยังมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อนแต่ว่าพอพ อ, พอนึกขึ้นได้ปึ๊บ ก, ก็เขาคือหนูจะไม่ค่อยได้พูดโทเท่าไหร่นะคะหนูจะ เหมือนจะเพ่งๆอะค่ะเหมือนจะได้เพ่งดูร่างกายแล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่ค่ะดูจิตก็ได้ดูจิตอะไก็ได้ถ้านได้หนูก็จะพยายามแบบอ่าจะดูแบบนั้นนะคะดูแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่กําหนดที่ลมหายใจด้วยค่ะพระอาจารย์จะเพ่งเฉยๆค่ะได้ใช่ไหมคะอ๋อค่ะเออหนูวกกลับไปถามเมื่อสักครู่อีกนิดหนึ่งนะคะพอเวลาที่เราเห็นว่าอารมณ์ในจิตมันไม่ปรากฏแล้วอะค่ะ รวมเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งมันไม่ปรากฏเราไม่ต้องแบบพิจารณาทางปัญญาใช่ไหมคะไม่ต้องก็ดูเฉยๆไปแต่จะพิจารณาบัญญาเราจำว่าเกิดความทุกข์แล้วต้องหาวิธีดับมันนะพิจารณาด้วยปัญญามันมันไม่มีทุกข์อะไรปรากฏแล้วค่ะไม่ก็ไม่ต้องทําะไรเหมือนถ้าไม่ไม่ไม่จัดคายได้ป่วยก็ไม่ต้องกิญญาค่ะก็ดูนไปเฉยๆคอยประคับประคองคอยเฝ้าหรือว่าอย่าให้มันพยศแค่ไหนถ้ามันจะเริ่มขับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ ใช้สตินะดูมันนะ้ถ้ามันมันไม่ยอมหายเพิ่มเพราะสติก็ต้องใช้ปัญญาถามว่ามันก็เพิ่มเพร่ออะไรเรื่องอะไรอยากได้อะไรเลยนั้นถึงกาใช้ปัญญาต่อไปค่ะพ่อจารย์แล้วก็สังเกตว่ามันมันมันได้มันก็มันหยุดอารมณ์ได้หลายตัวกันใชแต่มันก็ยังมีตัวใหญ่ๆที่ใหญ่กว่านี้อยู่ที่เรายังไม่เจอมันก็ได้นะ ค่ะแต่ว่าหนูก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆล่ะค่ะหนูถึงหยุดมันได้แต่ว่าที่มันได้ก็คือว่ามันเห็นภาพของการของการสติกับกับความคิดหรืออารมณ์ที่มันกําลังสร้างปัญหาให้เราคือมันเห็นภาพอย่างนั้นเลยคู่ต่อสู้กันสติใช่ค่ะหนูวันนั้นที่อาค่าอาจารย์บอกว่ามันเป็นคู่ต่อสู้หนูก็ไม่เคยเข้าใจค่ะแล้วพอวันนั้นมันมาปุ๊บมันเหมือนกับว่าเรากําลังจะ อยู่บนสังเวียนเลยค่ะแล้วเราก็มองมันมาสิหนูพูดกับตัวเองในใจนะคะเข้ามาสิเข้ามาสิอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันไม่เข้าอ่ะค่ะคือมันแบบอ๋อมันมีความมันจะหลาเนี่ยมันหลบก่อนมันมันรอตอนที่เราเผอใช่หนูก็คิดว่าอย่างนั้นค่ะพระอาจารย์ท่านคุณสุภาตาดูพอเผอป้ามันนึกโผล่ขึ้นมาแต่เม่อสักู่เมื่อสักคู่ที่เข้าคุยกับพระอาจารย์หนูว่ามันก็เป็นประโยชน์นะคะบางทีหนูหนูตั้งใจจะนั่งสมาธิปึ๊บ แต่พอหนูตื่นมาสายปุ๊บก็หมดเวลาปุ๊บหนูก็ไปทับของหนูไปหนูก็ไม่เคยหันมานั่งคิดว่าเออเราจะต้องชดนะเราจะต้องนั่งชดอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, ะอพอฟังเขาเออเป็มาตรกรารแบบนี้หนูว่ามันก็ดีค่ะพระอาจารย์เป็นประโยชน์สำหรับหนูด้วยค่ ะ, อะขอบคุณนะค ะ, มะ ไ, ไม่ฮะไม่มันจะได้ไม่หาเหตุเรื่องการนั่งนะยิ่งอยากจะนั่งมันก็อ้างเหตุโน้นเหตุนี้ขึ้นมาค่ะ อาจารย์อย่างนี้คือว่าที่ผ่านมาคือมีสติแต่มันเสื่อมใช่ไหมคะแต่เราเราไม่รู้เราเราไม่สติแล้วยังไม่ไม่ตัอดเอนี่ยไงบางทีก็พอสบายหน่อยก็เลยขี้เกียจขี้เกียจอ๋อค่ะแล้วอันนี้คือหนูจะเปรียบเทียบอีกนิดหนึ่งนะคะพอดีว่ามีช่วงก่อนหน้านี้หนูรู้สึกว่าหนูมีอารมณ์อุเบกขาแบบเป็นอยู่กับตัวตลอดเวลาค่ะเวลาที่จิตมีอารมณ์อ่ะจิตมีอารมณ์อ่ะ แล้วสติมันก็มาค่ะมันมาไวโดยที่หนูไม่ต้องแบบไปไปพร้อมอ่ะคือสติมันมาเองอ่ะพระอาจารย์หนูไม่ต้องไปไปไปเจริญมันมากค่ะมันมาเองแล้วก็ทีนี้พอพอเราเห็นว่ามันมีอารมณ์ปุ๊บสติมาบอกว่ามันมีไปอารมณ์ปึ๊บหนูสังเกตว่าสติมันมันลอยไปเองค่ะพระอาจารย์ตอนที่หนูมีกําลังอุเบกขานะคะออหนูรู้สึกมันลอยไปเองอะค่ะทันทีสติมาปุ๊บหนูบอกว่า มีอารมณ์แล้วมันก็ไปเลยค่ะอสติแบบนี้กับแบบแบบเมื่อจะขี้แบบไหนดีกว่าคะ่านคะพระอาจารย์แบบไหนที่เราจะต้องทำแบบจะจะอุเบกขาดีกว่าโดยอาศัยสติแบบที่มันมีอยู่นี้เอาไปนั่งสมาธิให้มันเข้าไปในอุเบกขามากๆอ๋อค่ะเพราะว่าแบบนั้นคือเราไม่ต้องพร้อมตลอดเวลาเหมือนของอุเบกขาไม่ต้ออาศัยแบบพร้อมนี่เพื่อจะได้เข้าสมาธิได้อ๋อ เวลานั่งสมาธิมันก็จะได้ยุดดูลงจดจอ่อเข้าดูลมอย่างเดียวหรือเฝ้าดูจิตพ่ามันคิดหรือเปล่ามันคิดก็หยุดมันนั่งจิตมันก็จะสมบเป็นสมาเป็นอุเบกหาขึ้นมาเน้นมันก็สบายกว่าไม่ต้องคอยไม่ต้องคอยมามาสั้งการมันพร้อมที่จะรับเวล า, าเกิดเหตุการขึ้นมาเองเวลา น, นุมากใช่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้พร้อมเลยหนูแค่เดินเอยู่แล้วจิตมันปรากฏปึ๊ก อารมณ์มันปรากฏปุ๊บหนูสติมันมาของมันเองมันทํางานของมันเองมันทําแทนหนูไปเลยอ่ะค่ะหนูก็เลยนึกว่าคนที่มีเบียดามันก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะเฉยค่ะแล้วแสดงว่าพอพอดีว่าเดือนที่แล้วอะค่ะที่ครอบครัวมีปัญหานิดหน่อยค่ะมันก็หายไปหมดเลยคือมันเสื่อมไปเลยใช่ไหมคะพีาจาคืออารมณ์เลยค่ะใา่ถ้าเราไม่ทํำบ่อยๆมันก็หายไปเหมือนน้าเย็นที่เราแช่ในตู้เย็น พอเอามานานๆมันก็หายไปทุกคําอย่างนี้ฉันต้องกลับเข้าไปในสมาธิ่เรื่อยเรื่อยเพื่อชันอยู่ในขาเข้าใจนะเข้าใจนะคะพระอาจารย์กลบครับอาจารยคุณวิุวิจากวยองมีคาถามอะไรไหไม่มีคาถามค่ะพระอาจารย์เข้ามาฟังค่ะคนนี้ได้ประโยชน์มากใดียินดีด้วยใส โ <Okay. S 2> อเคงูค่ะเอ okay. ็นไปที่คุณเมนตาคุณเมนต์ อ, อที่ไหนคุณเมนตสวัสดีค่ะพระอาจารย์อยู่ที่กรุงเทพค่ะมีคำถามไหมมีค่ะพระอาจารย์คือพอดีอยากถามพระอาจารย์ว่าเหมือนฟังที่พระอาจารย์บอกว่าเอ่อเหมือนเราเราเหมือนอยากได้พวกลาบยศสารเสิญใช่ไหมคะเราก็เลยเหมือนต้องแบบวิ่งหา ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่คือถ้าเราหยุดความอยากหรือแบบว่าเราไปบวชอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ต้องมานั่งวิ่งหาเรื่องพวกนี้แต่ทีนี้สงสัยอะค่ะพระอาจารย์ว่าแบบเอ้แล้วเราจะมีเหมือนกลัวไหมว่าเราต้องแบบตอนแก่เราจะไม่สบายเราต้องเก็บเงินเพื่อมารักษาตัวเองหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเดูหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายไม่เห็นท่านกังวลนะเ <c oughs> พรามเร า, เรามีธรรมะและมีคนยินดีที่จะสนับสนุนเราตลอดเวลาไม่ต้องกลัว อ๋อคือหมายกบว่าเ ป, เป็นแม่ชีก็ได้เป็นแม่ชีก็ไม่ไม่ได้เป็นแม่ชีก็ได้อย่างน้องสาวหลวงตาท่านก็ไม่ได้บวชชีท่านก็เป็นบาสิกาก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปผู้หญิงไปสนับสนุนเพราะไปคุยธรรมะ ก, กับท่านแล้วเขาได้ไประโยชน์เขาก็รู้ว่าท่านมีธรรมคุณธรรมเขาก็อยากจะทำบุญกับท่านอ๋อก็คือเหมือนถ้าสมมุติว่าเราเหมือนมีธรรมะแล้ว เ, เราฝึกไปเรื่อยๆ เ, เราก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลธรรมะนี่จะดูแลให้เรา คนคนอยากคนอยากจะทำมุนกับคนที่มีธรรมะเนีย่ยอื mm hmm. ค่ะแล้วเหมือนกับว่าอย่างเช่นเหมือนเราจะมีความคิดว่าเออเราจะต้องเหมือนกับ mm hmm. ทํางานมีเงินแล้วเลี้ยงดูพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าเราคิดว่าเราจะสมมติอยากไปบวชเนี่ยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. จะเออมันก็เหมือนเราไม่ได้ทําหน้าที่ทางโลกหรือเปล่าค่ะก็รู้ที่ว่าเราต้องทํารักเป เราไม่ต้องถักก็ไม่ต้องถักถ้ามีคนอื่นทำอยู่เราก็ไม่ต้องถทกนะหรือเราทําทําอย่างอื่นต่อไปล่ะ จ, จะมาให้ธรรมะกับพ่อแม่แทนที่จะให้ข้าวของเงินทองก็ได้ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าก็าคือเหมือนสมมุติว่าเป็นการแทนคุณพ่อแม่อาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนกับว่าให้ไ ม, ไม่ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงดูท่านอย่างเดียวพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ธรรมะกับพ่อ อ, พอแม่ได้บรรลุกันได้ <c oughs> อ๋อจะทีก็จะถามหลวงพ่อว่าเหมือนแบบว่าคือเหมือนช่วงหลังๆหนูก็พยายามนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็ฟังธรรมทุกวันเลยนะคะแต่ว่าก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมถึงแบบฝันบ่อยเหมือนฝันบ่อยแล้วก็ฝันบางทีก็ฝันไม่ค่อยดีแล้วก็บางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราด้วยอะค่ะเหมือนแบบปรารใจเรายังไม่ใกล้สงบไม่ใกล้สงบไม่ยังฝันอยู่ ถึงแม้คนนั่งสมาธิสงบ ก, ก็ยังฝันได้อยู่แต่อาจจะฝันน้อยกว่าคนที่ไม่ได้นั่งสมาธิ<ม>ก็ลองเปรียบเทียบดูระหว่างที่ช่วงที่เราไม่ได้เคยนั่งสมาธิกับช่วงที่เรานั่งนี่อันอย่างไหนจะมากกว่ากันแล้วเราที่เหมือนมเมื่อกี้เห็นเคสก่อนหนะ้าที่หลวงพ่อบอกว่าเหมือนแบบทํำบาปมาเยอะอะไรอย่างเนี้ยค่ะถึงฝันอันนี้ทํามือก็ฝันเหมือนกันทํามุอจะฝันดีทํำบาปจะฝันน้อย อย่างนี้เราจะแก้ไขอะไรยังไงก็พยายามฝึกสมาธินั่งสมาธิเยอะๆจิตนิ่งมากเท่าไหร่ความฝันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ต้องกังวลมันจะฝันดีฝันน้ามันก็แค่เป็นเหมือนภาพพยนต์มันก็ผ่านไปอย่าไปกังวลอย่าไปอยากให้มันไม่ฝันว่าเราห้ามมันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมอยู่ที่สติของเราสติเราน้อยเราก็จะฝันมากสติเรามากมันก็จะฝันน้อย ฝันดีก็เพราะเราทําบุญไว้ฝันไม่ดีกับพราะเราทําบาปไว้ก็แค่นี้เองแต่มันก็ไม่ไ ม, มีผลกระทบอะไรกับเรานเป็นี้มามันก็ผ่านไปแล้วเห่นไหมอืมอเราเราเหมือนกับจที่ทำหลวงพ่อว่าที่เคยฟังคลิปของหลวงพ่อที่บอกว่ากรรมกับเวรมันไม่เหมือนกันอย่างงี้ค่ะคือเวเวรมายถึงการที่มีพูดเข้ามามาโกรธมาเกลียดเราเนี่ยมาจ้องทาลายเรา ในเรื่องก็เวรส่วนกรรมนี่คือการกระทำบาปเมื่อเราทําบาปแล้วมันก็จะมีผู้มาจองเวรเราเมื่อพอเราไปทํำมันก็เสียหายเดือนแล้วเขาก็จะขอดีเราอืมแล้วถ้าสุติว่าเราเอาโหสิกรรมต่อกันแล้วเรายังจะต้องรับบาปหรือกรรมตรงนั้นไหมคะอยู่ที่เขาเราเอาศีกรรมให้เขาไม่ได้เราเอาหัวศีกรรมก็หยุดเขาไม่ได้ต้องอยู่ที่เขาถ้าเขาเอาหสิกรรมเขาก็จะหยุด อ๋อ oh, ถึงเราเอาโหสิกรรมแล้วเราก็จะ mm. ยังเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้าเขาเอาโหสิกรรม mm. เขาก็จะห้ามเขาเขาก็จะไม่มาทำอะไรกันแล้วก็เอไม่เป็นไรแล้วจบแต่ถ้าเขาไม่ยอมจบเราจะอโหสิกรรมเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมจบด้วยอืม mm. แล้ ว, แ ล, วแล้วถ้าสมมุติว่าเราเหมือนกับว่าเราเหมือนเคยโกรธคนใช่ไหมคะแล้วเราเหมือนเราพยายามที่จะบอกว่าเราเนี่ยไม่โกรธ แตว่าเหมือนพอพูดมีคนพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็จะแบบมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมว่าเราได้ปวดจรงอยังหายกรธหรือว่าเราอย่างไม่ยังไม่หายโกรธเรายังไม่หายโกรธต้องใช้ปัญญาถึงจะหายโกรธอย่างแท้จริงคือพิจารณาว่าการโกรธเขามันเ้าไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณที่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้ว อเหมือนถึงถึงเราจะรู้ว่ามันไม่ควรไปโกรธแต่ว่าถ้าเรายังมีความรู้สึกแสงว่าเราก็ยังเหมือนปล่อยวางไม่ได้ยังยังยังยั ง, ย ง, ยงไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาเห็นว่าความโกรธนี้มันเป็นโทษกับเราม า, มากกว่าเขาเราไปเราก็ไม่อยากจะโกรธใครเพราะการโกรธก็เหมือนกับเอาอะไรมาทิ่มแทง ต, ตัวเราเองอืมค่ะแล้วเราถ้าสมมติว่าเหมือนเราเรา ลดความโลภกวดหลงของเราลงค่ะอาจารย์แต่ว่าเรายังไม่ถึงพระโสดาบันยอย่างเงี้ยเอพบชาติของเราเมันจะสั้นลงไหมคะก็สั้นลงแต่มันยังเพิ่มได้มัน่ ม, มันไม่ถาวรเหมือนกับโสดาบานันเอาโสดาบันนี่ลนลงเหลือแค่เจ็ดชาแล้วไม่เพิ่มมากกว่านั้นเพราะมันจะช่วงนี้มันอาจจะช่วงที่เราละโลภกดของนั่นมันจะลดลง ช่วงนที่เราเพิ่มโลกร ด, ดน้งมันก็จะเพิ่มพวกชาติขึ้นมาได้แล้วอ่อหนูอยากหนูถามได้ใช่ไหมถาม ไ, ไม่เป็นไรไมถามได้ถามได้คืออยากรู้ว่าเหมือนแบบเวลาหนูฟังอย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนสมมติถ้าเราอยากแบบไปนิพพานอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีเหมือนกับมันเหมือนมันหลายอย่างอะค่ะก็จาเหมือนแบบฝึกสมาธิฝึกสติหรือไม่ก็แบบว่าดูอริยสัจสี่ดูจิตหรือว่า ละโลภ ก, กดลงคือหนูจะแบบ Key Message ของมันมันคืออะไรคะ่ะคือมันเป็นขั้ น, นขั้นขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นตอนแรกก็คือต้องถือศีลแปลดให้ได้ค่ะถือแปดแล้วเราก็จะไปฝึก ส, สมาธิไดนะ้เพราะเราจะได้ไม่ไปทำ ง, งานไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายเราก็จะมีเวลาไปปิดวิเวกไปฝึกสติขั้นต้นควบคุมความคิดไม่ให้คิดผูแติด แล้วพอเราควบคุมมีสติควบคุมความที่ได้เราก็นั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นอุเบกขาได้อืมพอเรามีอุเบกามีสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาเราก็สอนใจให้ตัดความโลภความอยากต่างๆได้ด้วยปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากมันจะทําให้เราทุกข์สิ่งที่เราได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องหมดไปมันจะต้องเปลี่ยนไปเพราะมันไม่เที่ยมแล้วเราห้ามมันจะได้ อ mm hmm. อันนี้เป็นขั้นปัญญาถึงขั้นปัญญาแล้วมันก็จะละความโลภความโกรธความหนุได้อยากท้าวอือน่นอ mm ืม hmm. ก็คือเหมายกับว่าสรุปก็คือเหมือนเราเรารักษาศีลเพื่อให้เราไม่ต้องไปไปกินไปเที่ยวไปทําอะไรจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิได้อ่อเพื่อให้เราเราเราฝึกสติ ต้อสติก่อนออถ้าเรามีสตินั่งสมาธิก็จนั่งเท่าไหร่ก็ไม่สงบเพราะมันจะนั่งคิดแต่ต้องนั่งไม่ให้มันคิด อ, อให้มันนั่งดูลงเฉยๆ อ, อ๋อเพื่อให้เราสร้างสมาธิเพื่อเราเกิดอุเบกขาเ อ, อุเบกขาแล้วเกิดความสุดใจหิ่นใจจากสมาธิแล้วทําให้เราสู้กับความอยากขันสารได้อ๋ออันนนะคะความอยากแล้วคือ อ๋อที่หลวงเขาบอกว่าแล้วตามดูจิตว่าแบบจิตเราเป็นยังไงเนี่ยเหมือนที่เขาดูอย่างนี้ยค่ะอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นการเป็นขั้นขั้นความจริมันเป็นขั้นขั้นตายนะขั้นตอนเราดูร่างกายก่อนปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนศึกษาร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ใช่ตัวมันไม่มีตัว ต, วตนมันเป็นเียินน้ำหยุ่ไฟ ในา่าเราปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาความรู้สึกที่เกี่ยวกับรา่างกายได้ความเจ็บความปวด อ, อะไรได้เราถึงค่อยไปปล่อยไปดูจิตเพื่อปล่อยจิตทีคือไปหยุดคิดไปหยุดจิตหยุดให้จิ ต, อ ย, ยจตอย่าไปคิดในทางที่ไม่ดีอย่าให้มันผลิตอารมณ์นนต่างๆที่ไม่ดีขึ้นมาแล้วเหมือนอย่างบางคนที่เหมือนเขาเขาบางคนก็จะบอกว่าเวลาเราฝึกธรรมมามันเป็นการข่ม ข่มใจเราไว้แล้วต้องข่มไงเพราะใจเรามันขนองไงนั่นเองอ่ะเราก็ต้อเรามาเอาเชือกมาผูกมามั่นมัอนไงเราปล่อยให้มันอยู่เองมันไม่อยู่เองเราปล่อยให้ริมันอยู่เฉยเฉยมันอยู่เฉยเฉได้อืงไงเราต้องเอาเชือกมามั่นมันพอเชือกมั่นมันแล้ว่าอยู่นิ่งได้ถ้าจักคลราถ้าสมมติว่าเราสมมุติเราเหมือนกับเราปล่อยวางเหมือนเราแบบเออเราไม่สนใจ อทรัพย์สินเงินทองลาบรถแต่ว่าแบบมันจะเป็นกลายเป็นความประมาทไหมคะเหมือนคนข้างนอกก็มองเราว่าแบบเออเราประมาทกับอนาคตหรือชีวิตเราเองคะ่ะก็อยู่ที่ว่าเราปล่อยวางแบบไหนในการปล่อยวางทรัพย์สินก็คือว่าเราไม่อยากจะเสียเวลากับการไปหาทรัพย์สินไม่อยากจะยุ่งกับทรัพย์สินเราอยากจะเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมคนนี้เขาไม่เคยมุ่งเรื่องศาสนาเขาก็จะไม่เข้าใจ แต่ถ้าคนที่ดุน้นๆเขาก็จะมีโมทนาภาษ<ฆ>าไทาาน ย, านายนามสิริพระพุทธเจ้านามรอยพัฒน์นะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระประราชามหาประเสริฐก็ปล่อยที่งหมดนะครับแล้วเหมือนเถ้าเหมือนดูเคยอ่านว่าถ้าเรากินเนื้อสัตว์อะค่ะสินข้อหนึ่งเราจะไม่บริสุทธิ์อันนี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่จริงหรอการกินนี้่ไม่ไมเลยเป็นทําให้สินบอยสุทธิแล้วไม่บริสุทธิ์ กินผักหรือกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้ทําให้เราบริสุทธิ์หรไม่บริสุทธิ mm ์ hmm. การที่จะทําให้บริสุทธิ์ที่การกระทําหรือการฆ่าหรือไม่ฆหรือสึกให้คนอื่นฆ่าฆ่าให้เรารไม่ทม mm ําเองก็ดีสารให้คนอื่นทําให้เราก็ดีถือว่าบาปเป็นไปร้านอาหารแล้วมีปลาสดๆอยู่ในตู้แล้วว่เอาปลาตัวนี้นะปลาทอดแล้วเ ข, ขออาก็เาปลาทอดนั้นปลาตัวนั้นที่อยู่ในตู้ไปฆ่าแล้ว เป็นทอดมาให้เรากินอย่างเงี้ยบ้าแล้วถ้าเราไปที่ที่ตลาดแล้วมีปลาตายอยู่แล้วก็ซื้อมาทํากับข้าวอย่างเงี้ยไม่บาปหรือไปที่ร้านก็ทําอาหารเสร็จแล้วมีปลาผัดเผ็ดมีอะไรอย่างงี้เราสั่งมากินนี้ไม่บาเพราะเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเราไม่ได้สั่งให้เขาข้าอืมค่ะแต่แต่นี่หนูสงสัยว่าแบบเหมือนคือถ้ามนุษย์ไม่กินสัตว์ก็จะไม่มีการฆ่าเกิดขึ้น อย่างนี้เราส่งเสริมให้มันเกิดกันฆ่าไหมคะหมะฆ่าไม่ฆ่ามันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ใช่แอย่างนึงทำได้หรือเปล่าเราเนี่ยสามารถให้ผูนเหมือนกันได้แบบว่าต้องคนมีการเมตตาไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไดถ้าได้ก็ดีแต่จะไดไม่ต้องมีตําหนวจไม่ต้องมีคุบตารางไม่ต้องมีอะไรแล้วมันทําได้หรือเปล่าไม่ได้ได้เลย แล้วอันนี้หนูทานของเอเพราะว่าช่งหนูนั่งสมาธิอะค่ะมันหนูชอบแบบเหมือนอยู่ๆก็คอพับตลอดเลยก็สติไม่พอลุกขึ้นมาได้แสดงว่าหลังแต่ว่ามันยังรู้สึกตัวอยู่นะคะแต่มันใกล้จะหมดแล้ถ้ามันพับก็แสดา ส, าสติมันใกบบนล้จะหมดแล้วไมเวลาเราคุยกั้วนอนที่ทำไมไม่พับอ๋อเพราะมีสติอ่าใช่พอ น, นั่งคนเดียวมันเคล้มมันก็พับนะ่ะ ต้ อ, okay. องไปนั่งที่ป่าช้านะมันจะได้ทัพมันรองได้เราไปนั่งที่ในป่าช้า้วยโอเคแล้วให้หนูถามหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งค่ะว่าวแล้วสวดมนนี่จําเป็นไหมคะเหมือนแบบว่าก็เป็นการเจริญสติฝึกสติอย่างถ้านั่งดูรองแล้วมันจะหลับก็ลองสวดมนไปก็ได้มันจะได้แม่คอจะได้แม่ทับช่วยทีดีสิร<ล>ไปแ ล, แล้วที่เขาบอกว่าเหมือนสวดมนแล้วเราจะเหมือนแบบ อ๋อชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจริงไหมก็เป็นเป็นมันพอเป็ น, ป น, ป น, ป น, ป น, นพอพลอยได้เพระาะถ้าเราสวดมัเรามีสติแล้วก็จะควบคุมการกระกกทําของเราไม่ให้ไปทําบาปได้มันก็จะดีขึ้นอืมเข้าใจค่ะโอเคค่ะโอเคนะเอาให้ในก่อนนะาคนนึ่งเขาจะได้วันนี้ยไวเลยวันนี้เอาให้เต็มที่เลยนะทำมาก โอเคงั okay. ้นเดี๋ยวขอไปที่ท่านต่อไปนะใครเอ่ยที่ลอยอยู่คุณมลท้าหรื่าคุณพระพรวิเนยพระวินยันยฐานะว่าเราที่มลอยู่ที่ไหน เ, เปิดไม้เป็นไหมอันยืมยนม้กะนะ่อนา ฉากกำน้าเจริญครับรวมหน้าเจริญครับทำไมมีแสงงอกงอกมาเลยอ๋อมันเป็นเอ่อแร็กเกลว์แร็กเกลวตอนไหนไปไปอบรมวัฒธรรมทัศทำวิทยกรที่วัฒน์จังหวัดเขาทําแร็กเกลวให้ยังไม่ได้ออกครับอก็มีปัญหาสาวอาจารย์สองสามสองสองสามปัญหาครับอเชิญปัญหาแรกเอ่อเมื่อก่อตอนเช้าวันที่ยี่สิบห้ากันยายเมื่อกี้นะครับตอนช่วงตีสามนอนอยู่ครับก็ฝันในพระอาจารย์บอกว่า ให้เราอดทนนะให้เรามีความอดทนนะก็ดีใจนะพระอาจารย์ก็ฟังฟังถ่ายทอดสดนนี้พระอาจารย์ตอนช่วงบ่ายก็ช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้ฟังปริวารเช้าที่ห้าตอนตีสามพระอาจารย์มาเข้าฝันผมว่าให้เราอดทนนะผมก็ดีใจจารให้กำลังใจมันเกิดจากการที่เราได้ฟังทำบ่อยๆแล้วมันฝังอยู่ในใจเราครับอาจารย์พระอาจารย์ประเภทคนอดีเป็นฝันดีเดี๋ยวคนดี ก็อดทนได้บางอย่างบางอย่างก็ยังอดทนไม่ได้ก็อดทนเยอะทนน้อยอดทนมากบางอย่างอดทนได้มากบางอย่างอดทนได้น้อยก็ใช้พุทโธช่วยได้เวลาเวลารู้สึกจะทนไม่ไหวกับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็ไห<ด>วเนาะปัญหาปัญหาที่สองเมื่อวันที่สิบสิงหาครับเอ่อพอดีจิตมันดําเนินไปเร็วมากสติตามไม่ทันก็คือมันมีปัญหา ปัญหาเด็กมาเล่นด้วยก็จะแก้แก้ไขปัญหายังไงเนาะมีผู้ใหญ่ผู้ยบาจะทำยังไงเนาะผู้ว่เขาไม่ชอบเขาเขามาใส่ร้ายผมผมคิดแก้ปัญหาอยู่พอดีตอนช่วงนะั้นตอนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตอนเย็มที่สิบสิงหาก็ไปเข้าห้องน้ำก็คิดมาหลายวันก็วันนั้นก็ไปนั่ ง, ไ ป, งไปนั่งปัสสาวะอยู่ก็เลยลุกขึ้นมาก็เลยเกิดติงขึ้นมาครับเกิดปัญญาขึ้นติงว่า แล้วในจิตก็ใช้จิตฉายภ า, ย า, ย า, ยาออกมาคนนี้ก็ต้องแก้ปัญหาแต่เนี่ยบอกไปด้บอกไปในไทยเซี่ยวเซี่ยววิธีนั้นก็ว่าจานปัญหาเราฉายมันก็แค่ดีบาทงทีคิดตั้องนาล้วบางทีแล้วมันก่นจะตกมิงขึ้นมาเลยปิงแล้วก็ร <นะ S 1> ู้รู้วิธีแก้ปัญหาบอกเขา้าในสมาธิในในสมาธิมีฉาภาพฉายมาว่าให้แก้ปัญหาคนนี้แก้หายคนคนนี้แก้หายต่อพันในเซี่ยววิธีาาก็ก็เกิดอาการยิ้มในครับยิ้มในแล้วก็ จิตเบิกบานแล้วก็วางเฉยก็เป็นอย่างนั้นอยู่สองสามชั่วโมงก็กลับขื้นสู่ภาว้าปกติครับพอดีพยายามฝึก ส, สมาธิไปเรื่อยๆแลมันจะเกิดอย่างยิ่ขึ้นมาบ่อยๆแต่จิตมั น, ม, นมันดําเนินเร็วมากครับตอนนั้นก็มไม่รู้ว่ายิ่งไหนจะพอผ่านไปหลายทีตเข้ามาพิจารณาทีหลัค่อยรู้สึกว่ามันเกิดยิ่งไหนแต่ตอนที่มันเกิดมันมันก็รู้จะเจไอ สติมันตาไม่ทันครับจิตมันก็รู้อยู่แต่ว่ามันเกิดกันเร็วมากพายันเซี่ยวเวสีก็เลยรู้ว่าพระโมกขลานะเข้าเข้าฌานสี่เพื่แสดงนี้ไปป่าพญานาคนานโทบาลานท้าก็มันพายันเซี่ยวิธีเข้าฌานสีอย่างนี้ครก็เลยเข้าใจว่าพระโมกข์ลานทำทำแสดงนี้ได้เร็วขนาดนั้นน่ะอยู่ที่สติเป็นหลักถ้าสติดีนี่เข้าได้เร็วได้ง่ายครับก็เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกในชีวิตครับเป็นแล้วฝึกต่อไปนะอย่าอย่าหยุดนะ ครับก็ทังนี้ต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเพื่อหยุดได้นะครับพระรามพยายามทําสมาธิที่ระสติเรีแต่ช่วงที่มันเกิดติ้งมาช่วงนั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาพฤษภามาถึงเดือนถึงวันที่สิบสิงหาพยายามเดินจะกรมเป็นหลักครับเดินจงกรมให้มากๆ ก, ก็เลยได้พลังจิตเดยอะก็เลยเกิดพยายามทําต่อไปนะสติีนี่สําคัญมาก้วก็สมาธินะโอเคนะมีเท่านี้ใช่ไหม ก็เมื่อปลายเดือนพฤษภาก็นอนตื่นสายครับนอนตื่นสายแล้วก็จิตมาอบรมจิตบอกว่านี่หรือความเกิดเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้เหรอแล้วก็รู้สึกหนักอึ้งึ้นมาในตอนที่กำลังตื่นตื่นเนี่ยจิตมาบอกแือว่าบอกว่าความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้นะความความเจ็บเป็นทุกข์อย่างนี้ความตายเป็นทุกข์ก็ยังไม่เห็นตัวตนว่าการเกิดเป็นเป็นรูปร่างครับแต่เป็นความรู้สึกไปได้ยินเสียงว่าตัตัวตัวเองจะโกรธ ตะโกนดังมากในความรู้สึกแต่ว่าแต่จริงแท้จริงมันไม่ได้ตะโกนมันจิตมันตะโกนะจิตบอกอเราว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นทุกข์แต่ยังไม่เห็นภาพการเกิดแก่เจ็บตาย ด, ดีมันมาเตือนสติเราครับอหมดแล้วใช่ไหมหมแล้วครับอาจารย์โอเคนะออเดี๋ยวเราไปที่ท่านต่อหไปนะคุณซาตะ ก, กะเนียคุณซาตะ ก, กะเช่ญ บูาเป็นปนระาสัค่ะยไปแล้วอเอแล้ว้ค่ะวันนี้เข้ามารับฟังค่ะพระอาจารย์ไม่มีคาถามนะอยู่ที่ไหนอยู่ไชน่าค่ะนค่ะโอเคันไปี่ท่านตอบไปเลยนะค่ะปัญญาเสด็จใช่ัญญาสิ็ที่ไหนัญญสด็จ อยู่บางแสงครับพระอาจารย์กลับมาแล้วเหรอปไปอยู่ใต้มาใช่ไหมครับผมไปอยู่ใต้มาสักพักหนึ่งครับวันนี้เข้ามาฟังเฉยๆครับอาจารย์โอเคไปเรื่องคุณปางต่อคุณปางอะไรศรีรัชชาไม่มีคําถามเจ้าค่ะไม่มีคำถามนะฮะนี่งั้นก็ไปต่อเลยนะเพราะมันเวลาใกล้จะหมดลนะ มาเสร็จตอนนี้ถึงคุณมณฑาแล้วคุณมณฑาเชิญค่ะก่านมัสการพระอาจารย์ค่ะมีคําถามอะไรไหมค่ะวันนี้จะมาขออนุญาตถามพระอาจารย์หนึ่งคำถามค่ะว่าจะจะถามเรื่องเกี่ยวกับสภาวะธรรมที่ตัวเองปฏิบัตินะคะเป็นช่วงของการปฏิบัตินะคะก็คือตอนที่นั่งสมาธิอะค่ะก็ช่วงนี้ใช้เวลาในการนั่งสมาธิค่อนข้างนานขึ้นนะคะ ตอนนี้สภาวะที่เกิดขึ้นนะคะคือว่าพอเรานั่งไปอ่ะค่ะมันถึงจุดหนึ่งมันเหมือนแบบเราเข้าไปถึงความสงบพอมันไปอยู่ในความสงบเนี่ยมันมันคือถึงความว่าว่างแต่เราเป็นผู้รู้ค่ะเราเหมือนเรารู้หมดนะคะ่ะเรารับรู้เรารู้สึกกับสภาวะนั้นแต่ว่ามันเหมือนจะเกมือนกึ่งหลับแต่มันไม่ได้หลับค่ะ แล้วมันเข้าไปแต่ว่ามันก็เธอเห็นอาการคือบางทีมันก็สว่างโพลงขึ้นมาแต่ตัวตัวหนูเองก็จะมองแค่ว่าแค่เอาใจเราอะเป็นผู้รู้รู้สภาวะนั้นแล้วบางทีมันก็นิ่งอยู่สภาวะว่างๆค่ะแล้วคราวนี้เพราะมันอยู่ยๆมันก็ดีดผึงออกมาค่ะพระอาจารย์ขึ้นหลุดออกมาจากการนั่งโดยที่เราเราไม่สามารถควบคุมกับมันได้ค่ะโดยปกติถ้าเรานั่ง่ะสภาวะที่นั่งก็คือเราจะกําหนดเวลาเนี้ยค่ะมันก็จะไปได้ อัตโนมัตินะคะแต่อันนี้มันเหมือ น, นดิ่งเข้าไปเลยค่ะแล้วสภาวะเนี้ยเราเรารู้หมดค่ะแต่พอมันออกแล้วมันดีดออกมาเลยพอดีดออกมาแล้วเวลามันเป็นชั่วโมงค่ะแต่เรารู้สึกว่าเราเข้าไปแป๊บเดียวมันเหมือนเราเข้าไปแป๊บเดียวแต่จริงแล้วพอเรามาดูละโอ้โหชั่วโมงครึ่งนะคะเรงตัวเองก็ไม่เคยนั่งถึงชั่วโมงครึง่งก็เลยสภาวะนี้มาถามค่ะจ้ะเพอถึงสภาวะอย่างนี้ยค่ะ เราต้องดําเนินจิตยังไงคะคือว่าเราสามารถควบคุมหรือไม่ควบคุมไม่ได้คะ่ะเราต้องทํำยังไงต่อคะของของเฉยๆไปต่างๆมันจะเดดออกมาแล้วก็เราก็เริ่มใหม่แล้วเริ่มปฏิบัติใหม่มหม ต, ต้องต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็พุทโธหรือดูลงมาถ้ายานั่งต่อก็ได้แล้วลุกขึ้นมาเดินควบคุมแทนก็ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วมันมันไม่นอนเลยค่ะ คือจิตมันไม่ไม่ยอมนอนเลยมันมันมีสติ้วมันจะเต็มตัวมากก็คือเพิ่มโดยการถ้าเราเราสามารถจะเดินต่อได้เราก็เดินต่อถ้าเราอยากจะปฏิบัติต่อก็ทําต่อแล้วพอถึงสภาวะอย่างนั้นเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปกํากับจิตไม่ต้องไปอะไรใช่ไหมคะปล่อยไปพยายามให้มันเป็นอย่างนั้นนานๆบ่อยๆเพราเป็นที่ท้าปล่อยของจิตใจเป็นที่ให้พลังขับจิตใจ เป็นกาเราจะชำนาญ น, นั่งทุกครั้งก็สามารถเข้าสู่สภาวะนั้นได้หลังจากนั้นแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนการปฏิบัติเวลาจากสมาธิมาเราก็เริ่มมาฝึกสอนใจให้พิจารณาทางปัญญาให้มองร่างกายว่าเป็นไตละเป็นอนิจจ์ทุกครั้ง้อนั่นตาเหมือนเรานั่งคุยกับตัวเองใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนแบบทลเออออกมาแล้วก็เหมือนนั่งคุยสอนใจตัวเองสอนเองว่าร่างกายเราไม่เที่ยงนะอย่างมันก็ต้องแก่นะอย่างมันก็ต้องเจ็บคไายได้ป่วย เดี๋เป็นปนโอโรคอะไรโลกปอดโรคอะไรห้ามมันไม่ได้นะหน้าตามันเป็นเหมืนธรรมชาติอาจารย์คะแล้วที่หนูสงสัยนิดเดียวว่าแล้วที่มันหลุดมันดึมันแบบดีดออกมาเองได้อย่างเงี้ยนนมันเป็นกันกลังเลยสติเป็นหมดกำลังมันหมดกำลังสติเป็นตัวถักเข้าไปแล้วตัวดีดออกมาก็คือตัวที่เด็กตัวความอยากออกมาสัมผัส น, นักรูปเสียงกยิ่นรสต่างๆอ๋อค่ะค่ะ นั่นก็คือมาพิจารณาให้ปิดปัญญาสอนตัวเองนี่ค่ะต่อเนื่องใช่สอนว่าให้ปล่อยว่าทุกอย่างในโน่นนี่ไม่เที่ยงก็ไดยลาโยชละแสนศึกไม่เที่ยงแต่แล้วแล้วก็ต้องเสียค่ะค่ะก็จะบอกว่าจันว่าบางทีไม่ได้เข้ามาก็จะฟังอยู่ข้างนอกค่ะฟังรายการเข้ามาในนี้มันก็เยอะเค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ฝากพี่เอ๋ค่ะตักบาตรท้าจันทุกวันพระด้วยหาช่วงนี้ ได้แต่ชื่ออะไรนะเพขาบอกบางทีจำไม่ได้เป็นใรชื่อชื่อเอชชื่อมนทาค่ะมค่ะวันนี้ก็เลยมาบอกอาจารย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะหนูจะน้อมนำไปปฏิบัติตามที่บรอาจารย์แนะนำนะคะอยู่ที่ชนบุรีใช่ไหมใช่ค่ะไปบาทุกวันเลยฝากทปักปักทำบุญทุกวันเลยนะ ค่ะก็เป็นอาจจะเป็นชั่วพละบนโกนอย่างเงี้ยค่ะหนูได้ค่ะแล้วก็ฝึกตามพระอาจารย์แล้วก็ได้ได้เพิ่มต้องบอกโมทนาบุญกับคําถามที่ถามในในเนี้ยค่ะรู้สึกตัวเองฟังไปแล้วมันเติมตัวเองมากเลยค่ะโดยเฉพาะคําถามที่ที่ถามถามเนี้ยค่ะหยุดไปหยู่มากใช่ค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะขอไปที่ท่านต่อไปคุณลิบาน่าลิบาน่า อยูที่ไหนครับเอ่ออยู่ที่ปฐุมครับอื้อเสีงดัหน่อยนะจะมีคำถามอะไรไหมครับก็มีคำถามหนึ่งเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเอ่อผมนั่งสมาธิช่วงประมาณเกือบตีหนึ่งแล้วก็สังเกตว่าเห็นตัวมันโล่งผม่เบาแต่ว่ารู้สึกถึงบรรยากาศมันหนักหนั ก, หนกเหมือน บรรยากาศมันมีมวลหนักๆมากขึ้นรอบๆตัวเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงเลยครับแต่ว่าก็ลองดูว่าเอ๊ะก็เห็นว่ามันมันมีเวทนามีสุขเวทนาอยู่แต่ว่ารู้สึกเหมือนบรรยากาศรอบตัวมันหนาแน่นหนักๆสักครึ่งชั่วโมงพอพอเหมือนตอนเช้าเออทอหลังจากนั่งสมาธิเสร็จผมก็มานอนเราก็ตื่นคือใช้เวลานอนมากกว่าเดิมนิดนึงอะครับอยากทราบว่าไอ้สภาวะที่มันมีบรรยากาศหนักๆแน่นๆเนี่ยครับ มันมันคืออะไรครับมันเป็นเพราะเพราะกับการที่มันว่างที่มันสงบนย่างไรอันก็คนบอกมันเบาไม่ใช่ไมันนั่งมันเบาใช่ใช่เบาครับแล้วสังเกตว่ามันอยู่ในอารมณ์เดียวบาแล้วแล้วมันเป็นการหนักอยู่ก็รอบๆอบนี่นะเบาเออมันรู้สึกว่าตัวเบาโล่งแต่ว่าบรรยากาศรอบๆอบมันรู้สึกหนักหนักเหมือนมีมวลหนาแน่นครับ เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันขอให้เราอยู่กับความว่างความเบาของเราไปนะครับที่มันเป็นเหมือนกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกับมฟ้าอากาศอาจจะเป็นช่วงของมืดฟ้าหัวฝ น, นอะไรมันไปไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นทําคาญขอให้ใจเราเบาใจเราสบายอ่าใช่ครับแต่ว่าผมสังเกตว่าใจมันเบาโล่งแล้วก็โอ่องแล้วก็มีสุข มีมีสุขเวทนาครับนัก็แสดงว่าจิตมันสงบในระดับหนึ่งนะอ๋อครับแล้วพระอาจารย์ครั บ, รรบเออสมัยก่อนผมเคยนั่งแล้วเคยเข้าฌานได้แล้วก็เข้าอลูประฌานได้ทีหนึ่งครับแต่ว่ามันนานมาเป็นสิบกว่าปีแล้วตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วก็ทำใหม่เจริญสติให้มากๆเนียคตอบน้ใช่สติถ้าสติมีกำลังมันก็สามารถดันจิตเข้าไปได้ นะครับสติให้มากเหมือริลสติตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งเท่านั้นเวลาทุกเวลาที่เราเติมให้มานี่พยายามใช้จลสติอยู่เรื่อยๆครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับคุณพัชราพรจากสเปนเชิญ กรบนมัสการครกานมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเป็นยังไงกรบมัสการเจ้าค่ะเดียวโงเยปิดแล้วรเดียวเปิดแล้วครับเป็นที่ปี้าใช่ไหมครับปีศานนะครับใจเรียนหน้าไม่เข้ามาอะไรหน้าสาธุสาธุครับทำของกายได้โอเโอเคครับครับ หลวงพ่อเจ้าขาลูกเขาอากาศเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาก็คือตอนเนี้ลูกแบบมันอยู่ในสภาวะที่ว่างเปล่าอะเจ้าค่ะเหมือนแบบลูกนะทำสมาธิก็ได้หรือไม่ทําสมาธิก็ได้เจ้าค่ะก็คือลูกรู้สึกมันว่างเปล่าตลอดเวลาเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาเหมือนแฮปปี้รึเปล่าถ้ามันว่างเปลแล้วแฮปปี้ก็ใช้ได้ค่ะเจ้าค่ะคือรู้สึกมีความสุขว่างเปล่าแล้วก็ แม้แต่ในเวลานั่งสมาธิหรือหรือไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เข้าสมาธิ<ม>ก็ก็ว่างเปล่าตลอดเวลาเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ดีแตใจเรายังไปยื่งกับคนอื่นอยู่ว่าเปล่าถ้ามันว่างเปล่าจริงมันต้องไม่ยื่งกับใครนะทั้งที่แล้วที่ที่หลวงพ่อบอกลูกว่าให้กลับไปอยู่กับปัจจุบันแล้วก็<ม>ลูกก็โอเคเพราะว่าซัมเมอร์ใช่ไหมคะหลายๆก็มา <c oughs> ทีเอบีซาเราก็ก็เลยลูกก็แบบก็เลยเหมือนไปไปวุ่นวายกับคนสัตว์สิ่งของเหมือนมีมากระทบแล้วพอหลวงพ่อเตือนสติลูกว่าให้กลับไปอยู่กับปัจจุบันลูกก็ก็โอเคลูกกลับมาจเจริญสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เล ย, <ม> ก, เลยก็รู้สึกกลับมากลับมาให้รูกเฉยๆทำอะไรก็ทําไปแต่อย่าไปคิดฟุ้งซ่านอย่าไปคิดทางโลกเกินสองนี้ เช้าค่ะแต่ตรงนี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีไม่มีแล้วหลวงพ่อเจ้าค่ะตรงเนี้ยไม่มีแต่มันมันรู้สึกมันรู้สึกเหมือนที่ที่เหมือนที่คุณสุภาตาอะไรเงี้ยบางทีตามเวลาตอนเช้าใช่ไหมคะที่หลวงพ่อเพราะลูกจะทํามาตลอดตรงเวลาที่หลวงพ่อเทศแล้วลูกก็จะต้องบางทีที่นี่เก้าโมงเช้าใช่ไหมคะแต่บางทีมันก็ช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็มีอะไรที่มาแบบ ให้เราทําไม่ได้ทําตรงเวลาแล้วก็รู้สึกรู้สึกเย็นเ <Yes, yes. S 2> จ้าค่ะรู้สึกในใจตัวเองเ mm hmm. จ้าค่ะคก็าตามได้นี่บอกเวลาจะเฟกซิเบิลหน่อยเวลานี้ไม่ได้การืรียนแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโงก็ได้ตลวงเจ้าค่าหลวงพอ่อแต่ว่ามันรู้สึกเจ้าค่ะเพราะว่าตัวเองก็โอเคก็จะเลื่อนแต่ว่า มันรู้สึกเหมือนมันมันรู้สึกกับตัวเองว่ามันเหมือนไม่ไม่ใช่ธรรมะสดๆร้อนๆแบบมันมันมันไม่รู้ลูกกลับไปกลับรู้สึกอย่างเนี้คะ่ะว่าเอ๊ะทาไมเราอยากจะทําเวลาเพราะว่าเวลามันเป็นเวลาที่ลูกทํามาตั้งแต่แตทำย า, อ, ยาอะไรทําให้เร า, าทุกข์<ห>เพราะอยากแล้วอยากแล้วไม่ได้ก็ทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเนี่ย เจ้าค่ะลูกต้องเาโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราจะให้มันให้มันเหมือนเหมือนเดินทุกวันไม่ได้แล้มันก็ต้องปรับไปตามเหตุการณ์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะอนิจจอานิจจาไม่เที่ยงเจ้าค่ะลูกก็ก็ก็ก็รู้สึกจะจะมันจะมีตรงนี้มีตรงนี้อยู่ว่าที่มันไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติ สังใจเราเย่นี้ยะเจ้าค่ะ<ช>มันรู้สึกติดเงยหีบขึ้นมาใช่เราต้องเข้าใจโลก ว, ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้มันมีเหตุการณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานอยู่เทื่อ้วยยุ่งไหม ต, ต้องต้องต้องเลื่อนก็เลื่อนไปเจ้าค่ะคบางช่วงอาจจะไม่ได้ปฏิบัติเลยถ้าสองสามวันก็ไม่เป็นไรถ้ามันหาเวลาปฏิบัติไม่ได้จริงๆก็ต้องก็ใช้สติไปฝึกสติไปอยู่กับเหตุการณ์ไป ขอยคบคุมวามอยากเนี่ยคอยให้มันอยากเจ้าค่ะแต่ลูกก็พูดโทอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เพราะลูกว่าบุญเย็นแล้วก็แสดงว่าสติไม่ดีแล้วพูดโทรพูดโทเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่กไไ็ไม่ได้ไม่ได้แสดงออกมาแบบอย่างก็คือที่ครั้งที่แล้วที่หลวงพ่อจะเตือนสติว่าให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันลูกก็าอ๋อใช่ก็เลยอ้าวพี่พี่พี่สาวสามีอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะ หลวงพ่อแบบไม่ได้ทำเราก็ปฏิบัติเขาเหมือนคิดว่าเขาเป็นคุณแม่แล้วก็ดูแลเขาเพราะว่าเขาแปดสิบห้าแล้วแล้วก็ hmm. อ่าเพราะว่าอย่างสามีก็บอกว่าเขาเหมือนเป็นลูกหลงเกิดมาทีหลังพี่เสาก็เหมือนแม่ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วบางทีเขาก็คนอังกฤษนะใช่ไหมคะเขาจะมีเวลาและเวลาอะไรเยอะแล้วบางทีเจสซี่มินทาไมเธอไม่มานั่งกับฉัน <laughs> แต่ใจลูกก็แบบ ก็ลูกก็เหมือนแยกแยกแยกใจกับกายก็ใช่แบบเจ้าค่ะเวลาน้ําชาแบบทําไมทําไมอยู่ไม่มานั่งก็มานั่งดีเสยอะไรแล้วลูกก็เลยอาอหลวงพ่อเตือนให้ลูกอยู่กับปัจจุบันลูกก็โอเคกลับมาแล้วก็ดูแลคิดว่าเขาเป็นคุณแม่เราคนหนึ่งเพราะสามีเขาบอกว่าเออเขาดูแลฉันเหมือนเป็นแม่เพราะฉันเหมือนเป็นลูกหลงที่เล็กมาแล้วพี่สาวมีครอบครัวกันหมดแล้วลูกก็เลยเอกลับมาแบบจิตกลับไปอยู่เจริญสติแล้วมาอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็ กลับมาจิตไม่ไม่ไม่กลับมาได้ได้ปกติเจ้าค่ะหลวงพ่อถูกต้องไหมเจ้าค่ะถูกต้องก็คิดว่าเขาถ้าไม่มีท้าวแฟนเราเขาอาจจะไม่ได้มาเจอเราก็ได้ใช่ไหมหลวงพ่อลูกก็เขาเลี้ยงดูแฟนมาก็เหมเขาเขาทำลี้งดูแฟนมาเพื่อให้เราไงให้เราได้เจอเขา่ลูกก็ก็คิดถึงคำหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออยู่ให้อยู่กับปัจจุบันโอเคลูกก็ดูแล ทำ ไ, ได้ก็ต้องทำทำแล้ต้องทำไรก็ทำไปค่ะลูกก็ดูแลอย่างดีดูแลทานอย่างดีว่าโอ้หลวงพ่อก็บอกแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็จะมีความสุขค่ะการปฏิบัติหมเขาจะต้องนั่งสมาธอย่างเดียวนะการมีความเมตตาต่อคนทั้งหลายก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกัน ค, ค่ะขอบขอบขอบคอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบยอ่ขอบขอบขอบขออ ออยากถามครับว่าช่วงเนี้ยเหมือนเวลาเรีย น, ล น, ลนลแล้สร็จนเหนื่อยเหนื่อยล้าทั้งมันแล้วเหนื่อยเพราะบางทีเราไม่อยากจะเรียนนันก็เลยรเริ่มไม่ใช่แบบว่าเหมือนมันแล้วก็เหมือนฟังตบบเราเรียนอยู่แล้วก็เหมือนจิตฟุง้งซ่านพยายามไม่มี ส, สติไงไม่มี ส, สติมันก็เลยฟุง้งซ่านลองนั่งสมาธิลอาพุโทธโธพุทโธแต่ถ้าพลาดก่อนเนี่ยเราเรีนออนไลน์หรือเราเรียนที่โรงเนีย เรียนที่โรงเรียนครับี่เครับพยายามตั้งสติตั้งใจฟังเวลาครูสอนะครับอย่าอยให้ใจ่อยครับโอเคครับโอเคนะครับขอบคุณเจ้าค่ะความมีควสุขสุขภาพร่างกแข็งแรงเจ้าค่ะจ้าทุกจ้าโอเควลากู้าต่อผู้าพุ่ไหมถึงเวลาพวกเราแล้วพ่งค่ะแบบุ่งกระา้ ง่ายๆทาการบ้านเรียบร้าแล้วใช่ไหมการบ้านทยอยทำทยอยทำไม่เรทันแลนะนี่เดนะ็กครับเนะ <c oughs> มื่อวานนี้หนูไปฉีดวัคซีนมาแล้วค่ะอ๋อข้ายฉีดแล้ว Pfizer ฉีดวมครันค่ะ ห, หนอะูอายุได้18ค่ะองกับงิบสง <c oughs> 1งดีฉีดแล้วจะได้ปลอดภัย ตัดรูด้ะมีไข้ค่ะเพิ่งจะดีบวันนี้มีไข้นิดหน่อยครับเวลาเด็กเขามีภูมิภูมิต้านทานเยอะกว่าผู้ใหญ่เด็กส่วนใหญ่คนยังไม่มีปัญหาอะไรไปฉีดแล้วไปฉีดแล้วรุ่นที่ที่นั่งอยู่ข้างๆเป็นลมตกกจเพิ่งฉีดเสร็จจ่ะเลยนะที่เขาลงมือแบบนี้เลยหนูกี้ ชิ่นอาจารฉีดไปแล้วทํายังไงดีถ้ามีอาการอะไรก็ลองท่องพุทโธพุทโธไปจะช่วยได้นะถ้ารู้สึกจะเป็นลมไม่เป็นอะไรมีจีสระก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปฉีดคนเดียวแนยผู้มุ่งหมายคนเดียวเนี่ยเพราะน้องยังไล็กไปมันฉีดไม่ได้โอกาสจะผู้ป่าครับ ผูยังยังยังรอวันที่โรงเรียนจะบอกว่าไปฉีดวันไหนคผู้พ้าก็ฉีดได้สิบสองเลยผู้ป่ากำลังจะสิบเอ็ดเดือนกําลังจะสิบ่เดือนคะฉีดนะมันง่ายฉีดนะก็ให้ฉีดตั้งแต่สิบปวกถึงสิบสองอ่าสิบวกเป็นไงสิบปวกเป็บเจ็ดเขาเขามีให้เลือกสองอย่างครับมีไฟเซอร์กับกับซิโนฟาร์มผมเลือกซิโนฟาร์มง่ายังไงก็ได้ดีกยวเาไม่ได้ฉีด น่าไม่ดีลูกค่าไม่เรย่องอไรโอเคทอะไรคำถามไหมลูกทำอะไรอ่ะไม่รู้ไม่มีก็มากรากันถ้ไม่มีก็กาบนั้นเลยจะได้เป็นน้ำนกันโยฟันจะหเ้านี้เขาบอกว่าฝากฝากใส่บาทห้าชุดได้จะได้สาธุสาธุช่วงนี้พอฟนจะหบาทครับ Okay, เมลังสมาราเทไม่ได้เลยะพูดกันพูดดันะเดี๋ยวหงตา้องไปทำหน้าที่ต่อมีคนรออยู่นะรัการัการขอให้เรียนเก่กันทุกคนนะทำหน้าที่เมกันหมดเลยนะรัจะไปเรียนกับหลวงตาเนทาที่กันพูดโทพูดโทอ้ย อาจาบพระจับพระนะรภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเกินหนึ่งร้อยยี่สิบปีนะคะอ่าเดถ้าอยู่ได้ก็ดีถ้าอยู่ได้ค่ะได้อาถ้าพวกเราให้กำลังใจก็อยากจะอยู่เหมือนกันสู้นะคะไปกันเลยไปต้นะครับคุณคะ คนมาลีาคมาลีเสียงเบาเลยค่ะคนมาลีไม่ได้ฮัลโหลคุณไหคะเออค่อยินหน่อยหนูหนูไม่ได้ยินเลยหนูอย่าใช้สายดีไหมสายขอค่ะหลวพ่อพ็ดีหนูเข้ามาช้าพอดีมีติดงานหมพ่ออาทิตย์นี้หนูไม่ไม่มีคำถามค่ะเป็นแต่ว่าอาทิตย์นี้หนูไปอยู่วัดมาค่ะอ่าอยู่ที่วันนะ ค่ะไปปฏิบัติมาอยู่ที่วัดก็ปฏิบัติได้เยอะหน่อยะคะ่ะเออดี่ดันั้นมันไม่มีใครครบกวนมันขึ้นทางด่วนเวลาไปวัดก็มัอนขึ้นทางด่วนค่ะไปมันอย่างอย่างสมมติเวลาหนูนั่งปฏิบัติอย่างสิบโมงเนี้ยรวดเดียวไปถึงถึงเที่ย ง, ง, งกว่าแบบนานมากเลยค่ะแต่ว่าหลวรู้สึกแค่แป๊บเดียวอะคะ่ะเออเวลาผ่านไปเวลาจิตสงบแล้วทุกอยถถถ่างมันจะผ่านไปเลยค่ะดี แจะหาเวลาไปเรื่อยๆนะค่ะคือนหนูหนูจะพยายามว่าถ้าเก็บได้เล็กๆน้อยไม่กี่วันหนูก็จะไปค่ะหลวงพอ่อค่ะ<ด>วันหนึ่งสองวันก็ยังดีท้าไปได้ค่ะ<ด>หนูก็พยายามหลวงพ่อครับมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนห้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามถามใจตัวเองว่ากลัวไหมเพราะว่าเราต้องไปอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะหลวง พ, องพอ่อก็พิจารณาว่าร่างกายนี้ตัวเราแบันมันก็จะหาใกลัว ค่ะแต่แต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้กลัวอะไรก็คือค อ, <ร>อยู่ได้ปกติะค่ะหลวงพ่อเราเป็นใจน่างกายไม่ใช่เราเราเป็นเจ้านายของน่างกายค่ะหลวงพ่อต อ, อนนี้หนูก็ไม่มีอะไรครัเพียงแต่ว่าพอกลับออกมาข้างนอกแล้วอ่ะมันก็จะได้น้อยลงค่ะค่ะ า, าไม่ได้เพิ่มมีโ อ, อ, อกาสาไปได้เมื่อไหร่ก็ไปเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะดูวันต้นเดือนหน้าวันที่ อะไรเนี่ยค่ะเดี๋หนูดูว่าถ้าไปได้หนูก็จะไปอีกอ่ะค่ะหลวงพ่ออเคเดี๋ยวไปที่ท่านต่อไปเลยนะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่ออคุณกายเพชรคุณกายลพชรใช่ที่ไหนสวัสดีครับพ่อกรับมาเยี่ยมภรรยาและลูกๆที่พอร์ตแลนด์โอริคอนครับอ่าขออธิษฐานว่เข้ามาขันนะใช่ใช่ครับพอครับเออวันนี้มีข้อสงสัยนิดนึงพอดีพอดีผมจะต้องวิ่ง วิ่งมาราธอนด้วยนะก็เลยวิ่งไปด้วยเจริญสติไปด้วยนะครับแล้วก็สังเกตตัวเองว่าหลังจากวิ่งแบบอยู่อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอมานั่งเนี่ยมันก็รู้สึกนั่งได้นานขึ้นนะก็เลยว่าจะเอาเอาการวิ่งเจริญสติแทนโดยตรงพรมแล้วมานั่งสมาธินี่ก็ก็ได้ใช่ไหมคพ่ับก็ได้นั่ก็ได้วิ่งก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์ สะดวกอย่างไหนก็อย่างนะั้นถ้าวิ่งไม่ได้ก็เดินก็ได้หรือว่าถ้าทําอะไรอยู่ก็มีสติกับการงานที่เราทำอยู่ก็ได้เราก็มานั่งก็ถือว่าถือว่าเป็นการสติจริงนะเป็นการเจริญสติเหมือนกันนี่นะเราเป็นการเจริญสติแบบไม่คิดถึงจะดีกว่าคิดนะแต่เวล า, าทํางานมันก็มันก็ต้องคิดบ้างก็แล้วไปแต่ถ้าวิ่งนี้ไม่ต้องคิดเดินนี้ไม่ต้องคิดแค่ลุ้ยเฉย แล้วก็เวลาเวลานั่งครับพ่อคือนั่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยสักสักครึ่งชั่วโมงครั้งมันจะเหมือนจะคืนน้ำลายนะครับอย่างนี้ปล่อยให้มันไหลมันมันจะไหลมันเช่ามันครับครับเพราะตอนั่งไปสักช่วงหนึ่งมันจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนไอ้ไอ้ติดผู้รู้มันมันจะอยู่ตรงลิ้นตี่อะไร่างนี้ใช่ไหมครับพรปกติผมจะฐานของติดจะอยู่ตรงหน้าผากก็เลยรู้สึกเอ๊ะ มันจอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่สําคัญขอให้มันไม่คิดกันล้วกันให้มันสงบกันแล้วกันอ๋อโอเคครับโอเคครับใชครัครก็ปุงความคิดเม่อยหรให้มันคิดให้มันนเฉยเฉยอืมจะอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นประเด็นสาคัญเคยเคยเรียนกับหลวงพ่อวิิยังหลวงพ่อวิทยังเคยเล่าไว้ฟังว่าตอนท่านไปไปอยู่กับหลวงปู่มั่น ตอนแรกๆกันนะครับแล้วก็เออมีมีหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านบอกว่ามีเสือมีเสือมีเสือไม่อ <gid> ย <Burke> ู่เส <visuals> ือ <circles> ดุอะไรเงี้ยนะครับหมู่บ้านก็ให้หลวงพ่อวิญญางไปไปเจริญสติไปอยู่ในป่าที่ที่มีตู่มีเสือนะครับแล้วก็วันนั้นหลวงหลวงพ่อวิยญาณท่านก็กลัวมากกลัวโคโค้แล้วก็เออ ท่านก็จเจริญสติจนท่านหายกลัวอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึง ท, ที่ที่ที่พระอาจารย์บอกว่าพระโสดาบันท่านไม่ไม่กลัวร่างกายที่จะตายแสดงว่าวันนั้นเหมือนหลวงพ่อวิญญาณท่านท่านสําเร็จพระโสดาบันนะนะัคือวันนั้นประมาณนี้ป่ะครับหลวง่ออยู่ที่ว่าหายกลัวแบบชั่วงคราวหรือหายกลัวแบบถาวรอ๋อ นะถ้าถ้าถ้าใช้เสติ์อย่างเดียวก็จะหายโกแบบชั่วคราวแต่ถ้าใช้พิจารณาพิจารณาว่านั่งกายไม่ยิดตัวเารานั่งกายไม่เที่ยงมันจะต้องตายแล้วยอมให้มันตายมันก็จะเป็นถาวาราแต่ก็มนะไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นสําหรับพวกเรานืา้อเขาเรื่องของของท่านท่านจะท่านจะบรรลุเมื่อไหร่ที่ไหนก็เรื่องของท่านไปถอยเราบรรลุ ด, ดีกว่า ะนะฟังหลวงพอฟังฟังกระจายก็เลยมีขึ้นมาได้ครับเอวันนี้นะครับอาจารย์ใช่ถ้นะาปฏิบัตินี้ท่านชอบไปหาที่กลัวๆท่านจะได้ปลงได้ปลงได้ปล่อยได้ตัดได้โอเคนะมีท่านี้ใช่ไหมท่านนี้แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติไปถึงระดับหนึ่งเราก็ควรจะไปหาที่แบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่ถ้าเราต้องการที่จะก้าวหน้าถ้าต้องการที่จะบรรลุธรรมเราต้องไปหาที่มันน่ากลัวที่มันจะมันอันตรายต่อร่างกายครับที่เราคิดว่ามันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราเพื่อเราจะได้ฝึกใจให้ปล่อยวางร่างกายได้คขอบคุณครับสาธุครับคุณสเลนทาร์คุณเข้ามาแล้วคือเข้ามานานะลังไม่ได้ปล่อย้าง คือจะเข้ามาค่ะอาจารย์กรรบนวมัสการค่ะวันนี้โยมไม่มีคําถามเลยค่ะโยมเข้ามาฟังอยากจะนอยู่เยังทําพรุ่งนี้ต้องกลับหรอค่ะโค้เมื่อกี้เขาให้เข้าแล้วค่ะโยมคิดว่าถ้าเกิดไปปฏิบัติที่ทํางานอาจจะเปลี่ยนสถานที่จิตอาจจะรู้สึกตื่นเต้นอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ใช้สติใช้ปัญญาปรับใจนะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกัน ใช่ค่ะผ่าจาย์ก็ก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นกับการจะต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ก็ยังแอบตื่นเต้นอยู่ค่ะคือกลัวเสียเวลาปฏิบัติอะค่ะผ่าจันเหมือนตอนเช้าเราจะปฏิบัติได้น้อยลงเพราะเราต้องรีบตื่นรีบขับรถรีบไปเนี้่ยเรายอมรับยอมรับสภาพของการเปลี่ยนแปลงไปอย่าไปยึดอยูกับอดีตที่มันผ่านไปคอยู่ในปัจจุบันปฏิบัติกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ปฏิบัติได้มากน้อยก็ทําไปค่ะพระอาจารย์ก็ก็เป็นก็ต้องเป็นอย่างนั้นละคะ่ะก็อาจจะเคยเอาวันเสาร์วอาทิตย์แท น, นะคะ่ะออย่าไปทุกข์กับมันค่าพระอาจารย์ก็าายังยัยงไม่ได้เข้ามาไม่เห็นหน้าใส่ช่วงช่วงนี้เห็นเขาเตรยียมตัวเรียนมีความรู้ใหม่ๆไปศึกษาอะไรใหม่เพื่อหางานนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะอืค่ะเป็นการพัฒนตานะ ค่ะพระอาจารย์ค่ะกับกรรมธสการพระอาจารย์ค่ะไปที่ต้านต่อไปนะคุณเซรุคุณซรเวิทก่อนนะคุณซรวได้ยินไหมคุณเซรุวิทเข้ามาฟังเฉยๆครับฟังเฉยๆนคนไปที่คุณมณิตาเลยมณิตายันคุณมณิตาได้ยินไหมปินไม้ก่อนจ้ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน มันได้เลยค่ะวันีหนูมาปฏิบัติธรรมที่วัดค่ะแรกๆก็จะเคร่องอยู่แต่ว่าหลังๆมันเหมือนมันค่ อ, คอยๆดับลงอะคะ่ะเพราะว่ามันต้องทํางานด้วยอ่ะคะ่ะเราควรจะมีวิธีแบบก็มีสติอยู่ใน ง, งานที่เราทำํำก็คือให้ใจจดจ่ออยู่ก ง, งานอย่าไปคิดเรื่องอื่ น, นให้อยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่ก็เป็นการฝึกสติไปในตัวอยู่ อ๋อค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะถือแค่สินเจ็ดได้ไหมคะคือเราจะ แ, แต่ว่ามันมีความจะเป็นหรือเปล่าถ้าถือสินอีกข้อหนึ่งไม่ได้ก็ก็ถือสินเจ็ดดีกว่าไมไ่ถือคิดอย่างนี้ก็แล้นอ๋อค่ะแต่ถ้าถือสินแปดได้ก็ยิ่งจะดีได้ร้อยได้ร้อยเปอร์เซนถ้าถือสินเจ็ดก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าถ้าสินแปดเราสามารถที่จะ บ่ายโมงอะไรเงี้ยได้ไหยคะได้ถ้านเลื่อนไปหน่อยเล่อนไปได้ค่ะอ๋อค่ะก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันบาที่เหตุการณ์มันบังคับมันให้เรากินข้าวตอนเที่ยงไม่ได้เพราะเราก็กินหลังเที่ยงไปหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยากทราบเรื่องเนสันชิกนะคะอันนี้ไว้สำหรับคนที่ไม่อยากจะนอนอยากจะปฏิบัติเยอะๆก็เลยถือข้อนี้เราสามารถจะมาทานกี่วันก็ได้ กี่ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่นอนอ๋อก็คือไม่นอนเลยถูกไหมคะคือใช้สามเดียบวนให้ยืดให้อยู่ ใ, ในท่านยืนถ้านั่งท่านเดินแต่ไม่ไม่นอนถ้าจะหลับก็ให้หลับในสามท่านอ๋อคะ่พะพอดีว่าหนูมีแพลนจะบวชทีแบบปลงผมเลยอะปลงผิวเดือนหน้า น, านะคะแล้วก็สนใจแบบอยากจะแบบปฏิบัติเนสัญชิกอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์มีคำแนะนำ ก็เราไม่เคยปฏิบัตินะว่าเราปฏิบัติแล้วมันม่วงแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถเราสามารถปฏิบัติได้เในที่ไม่หน้อยก็ดีแต่เราก็ต้องแค่ว่าไม่เราต้องรู้กําลังของเราแล้วก็ทำตามที่เราทำเท่าที่เราทําได้อาจจะวันสองวันสาวันไปก่อนเดิมเราสามารถที่จะทําหนีได้ไหมคะจะกลับโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยได้ไ้ยคะ ก็ได้พืออย่านอนก็แล้วกันอย่าอย่าเอนหลังอย่าเอนหลังมาแล้วกันถ้าจะนอนถ้ามันจะทําอย่างนั้นก็ซื้อนอนดีกว่าไม่ก็เลยหนูก็เลยคิดอยู่คือความจริงเขาไม่ต้องการให้หลับเพราะถ้าหลับก็ถ้าอยู่ในท่านั่งมาจะหลับไม่นานก็ได้ถ้าอยู่ในท่านอนมันจะนอนนานมันจะเสียเวลามากเคยทําได้ถึงแค่เที่ยงคืนเราก็ไม่ไหวอ่ะ หลายๆก็เอาเอาทั้งเลยกัแล้วก็อย่างอื่นดูแล้เอาอดอาหารดูเลยอดอาหารก็ช่วยได้นะอ๋อค่ะช่วยทําให้เราไม่หิวได้อืมแต่ทําคู่กันมันจะเยอะไปใช่ไ้ยคะก็ลองดมเนี่ยอาจจะถ้าเกจริงง่ายได้ด้วยอดอาหารด้วยอดนอนด้วยทําได้ทั้งสองอย่างก็ยิ่งดี แล้วมันจะช่วยเพิ่มเรื่องการปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะคะทาให้เราไม่มทาให้เรามีเวลาปฏิบัติธรรมากแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้อะไรอ๋อค่ะเพราะว่าหนูนี้เวลาแค่แค่สองอาทิตย์ก็เลยว่าอยากจะบกแบบเเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูทำเทําทำเทำ่าที่เราทําได้ก็แล้วกันถ้าทําไม่ได้ก็ทำมาปฏิบัติ ต, ตามปกติมัน ค่ะถูกค่ะแล้วก็มีอีกข้อนึงอะค่ะเหมือนเคยพยายามนั่งแล้วก็กําหนดแบบไม่ขยับร่างกายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วกําหนดเต้เลยมันไม่เคยหายปวดเลยแล้วมีวันหนึ่งมันหายปวดไปอ่ะค่ะมันหายปวดก็กําหนดแบบหายปวดแล้วก็มันเหมือนมันปุ๊บเหมือนมันตกไปในผวังเหมือนมันในอาจารย์จชหมครับอาจารย์จีบมันเข้าผวังมันก็จะหายปวดได้ อย่าปรยากทุกครั้งเพราะว่าความปวดที่เราไปไปบังคับมันไม่ได้ค่ะเราทําใจให้เฉยๆแล้วกันมันมันจะปวดมันไม่หายปวดก็หัดอยู่กับมันไปค่ะแราวควรจะนั่งแบบนานที่สุดประมาณเท่าไหร่ได้ถึงจะแบบเหมาะกับเราเราควรจะดูยังไงด้วก่อนมันจะเนี้ยงถ้าเจ็บมันนี้ยงมันก็จะนั่งได้ไปเรื่อยๆ ค่ะค่ะค่ะพอจะเข้าใจแล้วโอเคนะค่ะค่ะมือกุญแฝนเพ<า>ิ่งเข้ามาใหม่นะป็นท่านี้ใช่ไหมอ่ขาค่ะค่ะมือกุญฝนเพิ่งเข้ามาเลยมือกุญฝนเราเห็นในจอได้ยินไมม้อกุญแจฝนจะเปิดไม้ได้เลยโนโนหนูนกับเรียนเมื่อกี้แล้วค่ะ่านไปนแล้ว ทำ ไ, ไม่ได้เลอข<า>อไปทำไม่ได้ไปที่ทำ่ยัไม่ได้ถามเมื่อกี้ก็เสนาวิถีถามนะคุณปุวยคุณปุ้ยพรสีใช่ไหมคุณปุว ย, ย, ยจากลักษมณ์เบิกได้ยินไหมได้ยินค่ะพระอาจารย์ ไ, รได้ยคะพระอาจารย์ ว, นนวันนี้ทำงานแต่ว่าไม่มีอะไรค่ะ พอดีว่าอยากจะเข้ามาขอพรพระอาจารย์มา <c oughs> ขอให้ร่รวยนะเพราะอยู่ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดเมื่อไหรักษาแบบนี้ไปไหมเยอะประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเลยใช่ถูกจองที่สุดแล้วก็พอดีว่าเดี๋วันนี้วันพ้าแล้วก็โยมก็ปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์สอนทุกทุกวันโยมพยายามตื่นแต่ทีนี้โยมมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเมื่อเช้านี้พยายามที่จะตื่นแต่ตื่นไม่ได้ ไม่รู้เป็นอะไรมันมันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราตื่นแล้วแต่ว่ามันมันลุกมันลุกขึ้นไม่ได้มันไม่เที่ยงนะมันก็แค่ไม่ใช่เชื่บางวันมันก็อยากจะตื่นบางวันมันก็ไม่อยากจะตื่นมันก็ไ่เดิไม่เที่ยงใช่แล้วโยมพยายามเดีว่าเอาสี่ห้าเอาให้มั่นเลยตอนนี้ใช่นะคะสี่ห้าดีใช่เพราะยมรู้ว่าเป็นเพราะว่าเราสินสินเป็นเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมเออ การมาทำงานเนี่ยการออกมาโลกภา น, นอกเนี่ยคือมาสัมผัสมันมีทั้งคนอิชาริยาคนแข่งแย่งจรงดีแต่มันมันทำเราไม่ลงเราชนะตลอดคือยงขอประคุณอาจารย์ค่ะโอเ ค, อเคถ้าย่างนั้จะให้กลับไปทางานต่อนะเดี๋ยวเราจะไปนอนลนะค่ะเออขอขอพ้อนไปยี่อาจารย์ขอให้เราไม่รวยถูกหวยทุกวันช่วยไม่สา่งบ้านไม่รยยวยขออาดู เมีดวงตาเห็นทำเปนกันดวงตาไม่ทำขอให้ขอให้โยมนั่งสมาธิให้จิตนิ่งจิตเขาสงบทีเทิดได้ได้ยันตาชุกตาชุกดำนะตาชุกค่ะเดี๋ยวไปทำงานตนะคะค่ะวัสดีค่ะตาธุกค่ะไปที่คุณจิ๊บตอคุณจี๊บมีงานนล้าเหเามีมีงานนองมางาอกทุกคนท้ว คนล้อแอ บ, แปบเป๊บออกมาทักชายพระอาจารย์ก่อนยมฟังอยู่ก็เลยแบบอุ๊ยพระอาจารย์จะใกล้เลยสาวของเขาจะกลับนมัสการก่อนเจ้า <Okay. S 2> ค่ะคนี้<ต>ยอม ล, ยลืมผงฟ้าไม่ oh. มีค่ะวันนี้ก็เลยขอวันไม่วันท้ายก็เลยกลับมาเอากับพระอาจารย์เอาพรุ่ีวันพักใช่ไหมถึงเมืองไทยวันนี้วันนี้วันนี้แล้ววันนี้วันพ้าอ๋อ โยมงงกับสติ๊กเกอที่คุณแม่ส่งมา <c oughs> คุณแม่ส่งมาสําหรับมันครูปีหรื อ, อค่ะก็เลยมาขอเหมือนเหวือนคุณพี่เมื่อคุณพี่ปุ้ยอ่ะค่ะว่าจะมาขอพรพระอาจารย์วันพระเหมือนกันค่ ะ, ค, ะคุณสลินถา ม, มาว่าจะเรียนอะไรตพิ่มเติมอ๋อโยมโยมไปลงเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะพระาอาจารย์พอดีว่าโยมโยมรู้สึกว่าสายงานที่โยมทําปัจจุบันน่ะมันมันมันได้ไง มันได้ค่าเลี้ยงดูค่าเล้งชีพที่มันอาจจะไม่พอกับสถานการณ์ของโยมโยมก็เลยวิธีการที่จะทําให้เราได้อาทีพที่ดีขึ้นก็ต้องขวนขวาย<ม>ก็เลยไปไปลองเรียนจะโรงเรียนคอมเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์เรียนอย่างเงี้ยเพิ่มเติมอะค่ะมาจ้าคอมพิวเตอร์นี่สําคัญมากช่วงนี้ยุคนี้ใช่ค่ะก็เลยไม่ไม่คิดว่ามันอาจมันไม่ได้โลภเกินไปใช่ไหมคะมาจาม้ารเราะว่มันเป็นความจําเป็นว่าอย่างต้องเรียนปากเงทอง ใช่ค่ะคือถ้าโยมคิดเล็กถ้าโยมไม่มีลูก ป, ป่านนี้โยมคงแบบเอออาจจะไปบวชกับเมืองไทยก็ได้นะไปบวชเลย <c oughs> แต่ว่ายังมีตัวน้อยสองคนที่ยังต้องรับอ่ะม็ต้องเลีเ้ยงดูเขาให้ดีทำอะไรพอใจก็ตอาา้องหาเพาิพ่มเพิ่มขึ้นาใช่ค่ะก็บอกช่วงนี้ลูกกินให้มันพผอมๆหน่อย <c oughs> <c oughs> ค่ ะ, อคะขอบคุณครนะ่ะ อ, อาจารย์นะ อ, อาจารย์สุขภาพปีนะแข็งแรงนะคะรนะ้อยเรียนเก่งๆสำเร็จเร็วๆนะจะได้งานใหม่ๆที่ดีกว่าครับสาธุสาธุสาธุขัสสาธุคาน้อมรับพรเจา้าคข้านะตอนนี้ทุกท่านที่เปิดวิดีโอก็ได้ถามหมดแนละ้วมีท่านที่ไม่ได้เปิดได้ถ้าว่าอยากจะถามไหมถ้าถามก็ต้องเปิดกล้องเปิดวิดีโอตอนนี้ถ้รยังไม่เปิดก็ไปที่คุณ ไปที่เฟซบุ๊กก่อนคุณคุณหลาวันนี้มีมีเฟซบุ๊กคำถามไหมมีคำถามจากทางเฟซบุ๊กยูทู e แล้วก็คำถามฝากถามทั้งหมดสิบสี่คำถามค่ะอ๋ว่าไปเลยคำถามแรกจากคุณจีนกรณีที่เราไปช่วยผู้อื่นที่กำลังเดือดร้อนใจโดยการบังสุกุลให้เจ้ากรรมนายเวรของเขาการทำเช่นนี้จะทำให้เวรกรรมนั้นกลับเข้ามาหาตัวเราหรือไม่เจ้าคะ ไม่หรอแล้วก็ไม่ได้ไปตัดอะไรด้วยการกระทําถ้าเขาไม่สบายใจต้องไปแย่ที่ใจของเขาไม่ได้ไปแ้าที่คนอื่นให้เขาบอกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดว่าเราไปห้ามคนเอเขาไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณหนูเดือนกราบนรัสการครับอสังขาริ ก, กจิตคือจิตประเภทไหนครับอสังขาริกกจิตไม่รูเหมือนกันนะไม่ได้เรียนมาทันนะ้งนี้ มันขอไปด้วยรำค้นหาใน g ูเ g l e ด้วยคำถามต่อไปจากคุณธรรมดากาบเรนถามผ้าจานค่ะเวลาเดินจงกรมแล้วมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาจะลม้มจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะก็หยุดยืนก่อนย่ยืนให้มันตรงแล้วค่อยเดินหมตั้งสติใหม่แสดงว่ากาลังง่วงถ้าเดินแบบนั้นก็แสดงว่าไม่ค่อยมีสติ คำถามต่อไปจากคุณการัตปากปัจัยไปร่วมทำบุญกถิ่นหรือถวายอาหารพระเราจะได้บุญกุศลเต็มเสมือนเราได้กระทำเองไหมเจ้าคะได้ได้เต็มที่เลยเงินที่เราทำเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นทาเองคนอื่นเอาไปทำให้เราก็ได้เหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณออยอยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าอยากให้คุณแม่สวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมบ้าง ต้องทําอย่างไรคะน้อก็ทําต่อหน้าท่านไปก่อนเลยทำให้ท่านดูเวลนท่านนั่งอยู่น้องก็นั่งสวนวนไปแล้วเปิดธรรมะฟังไปคำถามต่อไปจากคุณสระภพขอถามครับผมมีเจ้ากรรมนายเวรมารบกวนตอนนั่งสมาธิควรทําอย่างไรครับก็อย่าไปสนใจให้ทําพุทโธมุทโธพุทโธไปหรือแผเมตตา สวดบทแผ่เมตตาไปก็ได้สเพสัตาเวลาหุนตดคำถามต่อไปจากคุณแทนติคนชอบโกงเขาจะได้รับผลกรรมของเขาหรือไม่เจ้าคะได้ใครทําบาปก็ต้องรับผลของของตนที่ทําไว้ทําบุญก็ได้รับผลของตนที่ทำไว้เหมือนกันคําถามต่อไปจากคุณสุขทุกข์อยู่ที่ใจแพทย์บอกเป็นโรคซึมเศร้า บางครั้งต้องทำร้ายตนเองโดยการกรีดแขนเพื่อให้เจ็บคุมไม่ได้จะมีหลักธรรมใดเพื่อนำไปปฏิบัติให้อาการป่วยดีขึ้นและพระอาจารย์ว่าโรคดังกล่าวมีโอกาสหายไหมครับมีเพราะมันเป็นรืของการขาดสตินี่สติมีกำลังน้อยเนื่องจากปัญญานำสติไปเรื่อยๆมันท่องวุทโววุทโธไปเรื่อยหรือมันสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วจะเรียกสติกลับคืนมาได้ คำถามต่อไปจากคุณอนุสรขอโอกาสขอรับการน้อมนําในการปฏิบัติการละสังโยชนิสิทธ์เช่นไรถูกต้องในพระพุทธศาสนาครับก็ต้องรู้ว่าสังโยชน์มีอะไรบ้างแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็พิจารณาสังโยชน์ให้เห็นว่าเป็นตายละสิ่งที่เราไปยึดไปติดเป็นตายละ ไม่เทีย่ยมชิ้นร่างกายนี้ไม่เทีย่ยมไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราคำถามต่อไปจากคุณหญิงกราบเรียนขอถามอาจารย์นะคะถ้าเราทําโครงการเกษตรปินทรีย์แล้วเราเลี้ยงไก่แต่เราไม่ฆ่าไก่เลี้ยงแบบอิสระแต่ถ้าเราเอาไข่เขามาเป็นอาหารหรือนําไข่มาขายแบบนี้ถือว่าผิดศีลไหมคะ ถ้าเราจะเลี้ยงคือเราจะต้องไม่ทานไข่เขาใช่ไหมคะไม่เราทานได้ไม่ไม่บาปเพราะเราไม่ได้ค่านะเราก็เอาไข่ไปขายต่เป็นอาชีพคำถามต่อไปจากคุณไมตรีมีทั้งหมดสามคำถามขอรวมเป็นคำถามเดียวนะคะกล่าบพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณที่พระอาจารย์เมตตาสอนธรรมะนะคะที่พระอาจารย์บอกว่าเวลามีความคิดอย่าไปดูความคิด มันจะฟุง้งแต่หนูตั้งสติกำหนดความคิดโดยไม่ใส่ใจเนื้อหาแค่ระลึกรู้เฉยๆจนความคิดดับไปเองทุกๆครั้งทำแบบนี้ทำแล้วสติสมาธิก็มากขึ้นเวลาดูความคิดไม่เกิดความฟุ้งซ่านไม่ทราบว่าทำแบบนี้ได้ไหมคะได้ถ้าหยุดความคิดได้ก็ใช่ได้ให้ใหมันหยุดคิดได้ใจมันว่างปราศจากความคิดได้ก็ใช่ได้ คำถามต่อไปจากคุณวราการฆ่าสัตว์มีพิษด้วยความกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราเช่นตะขาบที่เข้ามาในบ้านเราแบบนี้บาปไหมคะบาปจะทำให้เราเป็นนักสุรกายทำบาปด้วยความกลัวคาถามต่อไปจากคุณ m u l ติ v e r s a l Unity กราบ น, นมันสการพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับการละภูมิธรรมอนาคามี ไปสู่ภูมิอรหันต์ต้องทำอย่างไรครับก็ต้องรับสัมย์เรื่องบนในข้าข้อคือรูปราคาอรูปราคาก็คือความยึดติดในรูปฌปานะในรูอรูปฌานมานะก็คือการถือตัวอุทจจะก็คือความฟุ้งซ่านและก็อวิชชาก็คือความหลงยังไม่รู้จกยังไม่เห็นอริยรรสัจสีครบท่วนบริบภค คำถามสุดท้ายจากคุณอนุสรขอโอกาสขอรับศีลวิบัติกับศีลสมบัติต่างกันเช่นไรควรปฏิบัติถูกต้องอย่างไรในพระพุทธศาสนาครับศีลวิบัติก็คือการบกชบว่องในศีลเนี่ยคือทาไม่ได้รักษาศีลศีลขาดนี้ก็เรียกศีลวิบัติศีลสมบัติก็คือการรักษาศีลได้ศีลก็จะกลายเป็นสมบัติของเราไปมันทราบภายใน หมดแนช่ไหมตอนนี้เหลือคนอคุณอาเลยเพิ่งเข้ามาคนสุดท้ายเราเป็นคนสุดท้ายนะสำหรับคืนนี้พระมาน5้าทุ่งกว่านละเชิญอยู่ที่ไห น, นกราบนวสการครับอาจารย์อยู่กรุงเทพครับ ม, คมีคุณไกรพิษแนะนำเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาอาด้คำถาม<ป>วันเชิญถามได้เลยครับเรืนขอ กลับเรียนถามพระอาจารย์คือผมปฏิบัติโดยพุโทโธนะครับโดยบริกรรมพุทโธแล้วก็เมื่อพุโทโธไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยคำริกรรมก็จะหยุดไปแล้วก็ลมหายใจเนี่ยเขาจะปรากฏชัดขึ้นมานะครับคําถามผมก็คือว่าเมื่อลมหายใจเขาปรากฏชัดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อ คือตอนที่คนณพุโทโธนี่คนดูลมไปด้วยหรือเปล่าแล้วไม่ได้อยู่อ่าไม่ไม่ได้ดูเลยครับเอ่อถ้าถ้าคุณหยุดพุดโทโธคุณก็ต้องมาดูลมต่อแเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทีนี้ลักษณะเขาที่ว่าดูลมเนี่ยเราจะดูที่ปานจมูกดูลมเท่าลมออกเฉยเฉไม่ต้องทําอะไรมไม่ต้องไป ค, บครบคับลมหรือว่าเทาวัว่ออกหรือว่าสั้นหรือว่ายางไปท่านนั้ให้รู้เฉยเฉย แล้วทีนี้มันมีบางครั้งที่เราโอเคพอเรากําหนดรู้รู้ลมเนี่ยแล้วก็รลมหายใจเพราก็เหมือนกับเบาเบาลงก็รู้เฉยๆไปรู้เข้าเบาไแล้วแล้วก็รู้รู้อย่างนี้ต่อรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะถ้าบงทีลมรู้สึกหายไปก็ก็รู้ความว่างไปแทนแล้วเดี๋ยวจารยนก็จะถ้ามันถึงขั้นหน้าแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบมันจะลมลนะ อ ย, อ, อย่าไปทําอะไรอย่าไปทิฐอะไรอย่าไปกังวลอย่าไปกลัวครับครับครับสาธุครั บ, รบโอเคนะในตอนนี้นะครับผมครานี้มันก็เหนืพอสมควรแล้วฮะทุกนกับสิบนาทีข ค, ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะเดี๋ยวพร่งนเช้าเราตื่นมเป็นน บ, บ่าเยนี่ว่าขอให้ท่านทั้งหลายยงนำเอเสียที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทาง ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้ง